น, น, นะหวังว่าตรงอ่านมากันนะว่าหลักการของนันบีนิสศาสนาเป็นอย่างไรนะะเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันด้วยการนั่งสมาธิร่วมกันนะ ท mm hmm. ี่จะเข้าสู่การสนทนาการเสวนากัรนะถ้าหากว่าได้มาปรับจิตให้มีความกลมปลืนกันมีความเสมอกัรนะโดยความเป็นพุทธโดยความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทบาทอันเสวนาก็จะเป็นไปด้วยความรู้สึกเหมือนกับเป็นกันเองนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลายๆคน รู้สึกว่าการนั่งสมาธิร่วมกันมันทำให้มีความสงบมีความสว่างมีความเย็นกว่าปกตินั่นก็เพราะว่าเราได้กระแสช่วยนะกระแสร่วมกันที่มันมีความเป็นพุทธแล้วก็แนวะความเป็นพุทธเนี่ยก็คือมีความเป็นสติมีความตื่นรู้ว่าความจริงในตัวเรา มันเป็นอย่างไรมันแสดงความไม่เที่ยงอย่างไรแสดงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างไรเริ่มต้นขึ้นมาการนั่งสมาธิที่ถูกต้องนะไม่ใช่การที่เราไปบังคับไม่ใช่ไปพยายามฝืนเข่งลมหายใจหรือแม้กระทั่งทําบริกรรมพุโทโธอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้จิตมีความคับยแคบมีความรู้สึก เป็นเครียดหรือมีความรู้สึกบุดผู่ถ้าหากว่าเริ่มต้นขึ้นมาตั้งต้นขึ้นมาเรามีแต่ลักษณะของจิตที่มันเคร่งหผูผู่คับแคบนะมันจะไปตื่นรู้ได้อย่างไรมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรจริตที่คับแคบจิตที่มันมีแต่ความบุทผู่เนี่ยนะนอกจากจะไม่เป็นสมาธิแล้วมันยัง เป็นบอกเกิดของความคุ้มสร้างบอกเกิดของความเคาะแท้บอกเกิดของความรู้สึกปวดหูวนั่งอยู่ตงนั้นได้ยินใช่ไหมจ๊ะ ไม่ไม่ยินบอกกระเบีย่ยินกรนะกบเบียนนะอขอให้จำไว้เลยนะก่อนที่จะนั่งสมาธิเนะี่ยเราต้องรู้ว่าจิตที่เป็นสมาธิจิตที่พร้อมเป็นสมาธิคือจิตที่มีความเปิดกว้างมีความเบิกบานมีความเป็นอิสระรู้สึกเหมือนกับเอ่อเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมีมีความสบายมีความ พร้อมมีความเต็มใจนะที่จะรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาคนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสาเร็จในการนั่งสมาธิเนี่ยเหตุผลหลักก็คือนะเริ่มต้นขึ้นมาไม่ได้เริ่ ม, มที่จะให้อิสระกับจิตใจไม่ได้ให้ความสบายกับจิตใจแต่เป็นให้ความหนักให้ภาระให้ความรู้สึกตึงเครียด ปี ป, ปีปีผ่านไปไม่ว่าจะนั่งไปนานแค่ไหนถ้าหาว่านั่งด้วยความเคร่งเครียดมันก็จะไม่เป็นสมาธิบางทีมันจะนิ่งแบบแข็ง เ, เขาเรียกว่าปรี๊สะนะมั น, ม, นมันมีอาการแช่แข็งไปเฉยๆยก็นึกว่านั่งเป็นสมาธิแต่ขอให้ดูแต่ว่าถ้ามีแต่ความแช่แข็งเนี่ยนะมันไม่พัฒนาต่อไปไหนๆหรอกนะมันมีแต่อาการนิ่งขื่อเหมือนกับหลับ แล้วก็ไม่เกิดความรู้ไม่เกิดความตื่นไม่เกิดความเห็นแจ้งในความจริงเกี่ยวกับตัวเองอย่างไรเลยแต่ถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิอยู่อย่างถูกต้องตั้งมุมมองไว้ถูกนะเพียงแค่คั้งเดียวเราก็จะรู้สึกได้ถึงคือสามารถสัมผัสได้ถึงสมาธิแบบพุทธที่แท้จริงนะว่ามันมีความเบามันมีความตื่นมันมีความเป็นอิสระอย่างไร อะไรเริ่มต้นขึ้นมานะ่ยแทนที่จะต้องไปเพ่งเพ่งเพียด เ, เ, เล่าสำรวจมาทีละส่วนเริ่มตั้งแต่ป่าเท้าเนี่ยที่เราจะรู้สึกว่ามีสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวทันทีเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การเห็นนะส่วนที่เป็นพื้นจิตพื้นใจอวัยวะที่เป็นพื้นจิตพื้นใจก็คือฝ่าเท้าเราเนี่แหละ ถ้าหากว่ามันวางราบอยู่กับพื้นแล้วมีอาการหงมุ้มมีอาการเกร็งนะนั่นแสดงให้เห็นว่าพื้นจิตพื้นใจของเรามีความตึงเครียดมีความพร้อมที่จะข่งกลันอยู่แต่ถ้าหากว่ามันผ่อนคลายสบายเรารับรู้อยู่นะว่ามันวางรากอยู่กับพื้นอันนี้ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกสบายขึ้นมารู้สึกเป็นอิสระรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมา จากนั้นไล่สํารวจมาป่ามือนะว่ามันว า, วางราบอยู่กับหน้าตาักนั้นมีอาการกำไหมมีอาการเกรง็งมีอาการขืนไหมถ้าหากว่ามีอาการกํามีอาการเกรง็งเราปลอดไปมาเหมือนกับฝ่าเท้าเนี่ยไอ้ น, นี่ก็จะเกิดความรู้สึกสบายขึ้นมาครึ่งตัวนะถ้าหากว่าสํารวจต่อมาถึง ตัวตัวทั้งใบหน้ามันมีอาการขมวดไหมมันมีอาการตึงที่กำมัดไหมมันมีอาการที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้ามันมีมัดเนื้อแ้างไหนที่ไม่ปกตินะไม่ผ่อนลายแล้วก็วางแล้วก็คลายมันออกมาจา้ะบางคนเนี่ยจะมีความเส้นเครียดมีอาการตึงไปจนกระทั่งว่า แม้สักให้มันคลายมันก็ไม่คลายนะแต่ถ้าหากไล่ตำรวจขึ้นมาจากฝ่าเท้าฝ่ามือ่แล้วค่อยมาถึงตัวทั้งใบหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันคลายได้นั่นก็เพราะว่าสามจุดเนี่ยเป็นสามจุดหลักเลยที่เอชุดประตู ด, ด, ด, ด, ด้วยนะจ๊ะสามส่วนสามจุดนี้เป็นเป็นจุดหลักเลยที่ทําให้กล้ามเ น, นะะื้อมันเออ กามเนือทั้ร่างกายเนี่ยนะมันจะผ่อนคลายหรือมันจะตึงเนี่ยก็อยู่ที่นี่เลยพอาก้ามเนื้อทั้งร่างกายมันผ่อนคลายลงแล้วเรารู้สึกถึงความสบายทัวท้งร่างกายเนี่ยนะอันนี้คอยสํารวจสังเกตดีๆเลยสติของเรามันมาอยู่กับร่างกายมาอยู่กับเอเรียบทนั่งที่สบายอย่างนี้ ไม่ใช่ไปวอกแวกไม่ใช่ไปพยายามบังคับตัวเองให้เลิกคุ้งสร้างไม่ใช่ไปพยายามบังคับตัวเองให้รู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันมีความตระหนักนะจากการสํารวจแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาตามจริงนี่แหละว่าป่าเท้าฝ่ามือแล้วฝ่าเทําไมหนะ้ามีลักษณะอาการอย่างไรอยู่ตามจริงมันเกิดสติเข้ามาที่เนื้อที่ตรวจโดยไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปอยู่ในอาการเพ่งเลย พอจิตมันมีความสบายมีความผ่อนปลายอย่างนี้นี่แหละขอให้ทราบว่าเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เกิดสมาธิอย่างดีขึ้นมาได้ขั้นต่อไปก็เกี่ยงแค่สังเกตเอาว่าร่างกายถึงเวลาดึงลมเข้าแล้วหรือยัง้าหาว่าถึงเวลา อันควรที่จะดึงลมเข้าเนี่ยเราจะรู้สึกขาดลมหายใจแต่ถ้าบางคนนะไปพยายามฝึกสมาธิร่างกายมันยังไม่ทันต้องการลมหายใจเข้าเราไปรีบเล่นนะเราไปพยายามบังคับเอาลมหายใจเขามี่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทําสมาธิแบบผิดๆได้ถ้าหากว่าถึงเวลาที่ร่างกายมันต้องการลมมันรู้สึกขาดลมแล้วเราล่ลากเข้ามาธรรมดาธรรมดา นะด้วยอาการที่มันพนพักพักด้วยอาการที่ร่างกายยังไม่มีอาการเครืเครียดขึ้นมาที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนี่จะจะเป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิที่ถูกต้องพอลมหายใจมันอัดเข้ามาในปอดเต็มที่ถึงเวลาควรจะระบายออกนะฮะเราก็ปล่อยให้มันออกมาสบายๆระบายออกมาสบายๆแระทั้งลมหยุดนะสิ้นสุดลมเราก็ดูต่ออีก จริงๆร่างกายยังไม่ได้ต้องการลมหายใจเข้าทันทีทันใดมันยังสามารถนิ่งอยู่เฉยๆสบายๆได้ไต่อไปเราก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละดูอยู่จนกระทั่งธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันอยากจะเรียกร้องลมเข้าเราถึงค่อยลากลมเข้านะตรงนี้แหละที่มันจะทําให้จิตของเราอยู่ในภาวะผู้รู้ผู้ดู มันไม่ใช่ผู้เร่งร้อนไม่ใช่ผู้บังคับลมหายใจไม่ใช่ผู้ที่พยายามจะฝืนธรรมชาติของร่างกายใดๆจังทิ้นแค่สังเกตอยู่แค่รู้สึกอยู่ว่าร่างกายเนี่ยเดียเเด๋ยวก็ต้องรากลมเข้าเดี๋ยวก็ต้องระบายลมออกด้วยอาการที่จิตมีความนิ่งความว่างจากอาการอยากจากอาการตื้นคิดบังคับนะมันก็สามารถที่จะสังเกตเห็นต่อไปได้ว่า ลมหายใจที่เข้าที่ออกอยู่ตลอดเวลานี้เนี่ยไม่ได้ยาวไม่ได้สั้นเท่ากันเสมอไปบางครั้งร่างกายของเราต้องการลมเข้ายาวบางครั้งต้องการลมเข้าเพียงสั้นเพราะมันเป็นบอดแล้วเนี่ยนะครั้งต่อไปมันก็ไม่จําเป็นต้อง拉ยาว拉เข้ายาวเสมอไปหรอกบางคนพอนั่งสมาธิคิดว่าเราจะเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งของสมาธิ ก็พยายามไปลากยาวให้ชัดนะพยายามจะรู้ให้ชัดพยายามจะรู้ให้นิ่งอยู่ตลอดเวลานะมันก็กลายเป็นความอึดอัดมันก็กลายเป็นความฝืนธรรมชาติไปแต่ถ้าหากว่าเรารู้อยู่เรารู้สึกอยู่ว่าในขณะนี้ร่างกายเพียงต้องการลมเข้าสั้นๆ น, นะก็ให้มันเข้าสั้นๆแล้วเวลาถึงที่ จุดที่มันต้องการเข้ายาวๆเราค่อยลากยาวกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างนี้นอกจากจะไม่ฝืนกับร่างกายแล้วนะมันยังทําให้จิตใจอยู่ในภาวะผู้รู้ผู้ดูผู้ตื่นผู้ตื่นเห็นความจริงว่ า, าลมหายใจเนี่ยจริงๆแล้วตามธรรมชาติต้องแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลานอกจากเข้านอกจากถอกนะไม่ไม่ไม่ใช่ชุดเดียวกันแล้วเนี่ยมันยังมีความไม่สม่ำเสมอ เ ด, เ, เ, เ, าาเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาเข้ายาวเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาเข้าตั้นเอาแนวนอนไม่ได้ด้วยความรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้นะมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาแบบหนึ่งมันเรียกว่าสมาธิเห็นความไม่เที่ยงสมาธิเห็นความไม่ใช่ตัวตนของลมหายใจเห็นแต่ว่าลมหายใจเนี่ยมันพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกเป็นาลาตุลม เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เข้ามาแล้วต้องออกไปเป็นธรรมดาเป็นอะไรอย่างหนึ่งยาวได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องสั้นได้ภาวะวจิตใจที่มีความพร้อมมีความสามารถที่จะรู้อย่างนี้นะมันสามารถที่จะเข็นได้แนมะ้กระทั่นตัวมันเองว่ามีภาวะตั้งม่นมีภาวะสว่างมีภาวะความพร้อมจะรู้ตามจริงอยู่อย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะมันไม่มีหน้าไม่มีตามีแต่ความสว่างรู้ นี่อันนี้เข้ามาถึงธรรมชาติความจริงของจิตแล้วนะธรรมชาติความจริงที่ว่าจิตมีหน้าที่รู้ไม่ใช่มีหน้าที่หายใจนะร่างกายดังหากเป็นผู้หายใจแต่ว่าจิตเป็นเพียงผู้รู้อาการหายใจของร่างกายการที่จิตมีความนิ่งมีความรู้มีความสวาม่างมีความเย็นมีความเห็นตามจริงอยู่ ไม่ขาดสายนะในที่สุดมันเกิดภาวะตั้งมั่นขึ้นแหมมันอยู่ตรงกลา ง, างมันอยู่ตรงที่มีความหนักแน่นมีความรู้สึกไม่เคลื่อนไหวมีความรู้สึกเหมือนแต่ว่าเออสามารถที่จะรู้สามารถที่จะเห็นสามารถที่จะยอมรับอะไรก็ได้ที่ปรากฏอยู่จริงๆไม่ใช่ชิ้นเอาเองไม่ใช่อยากให้มันเป็นไปปกติเวลาที่เราทําสมาธิแบบดูลมหายใจด้วยอาการเพ่งหยาบด้วยอาการที่ ต้องการควาสมสงบด้วยอาการที่นะอยากจะรับรู้เพียงลมหายใจใยาวๆอยากจะได้เพียงสภาวะดีๆของจิตมันจะไม่พร้อมรู้ตามจริ่จะพร้อมรู้เฉพาะตรงที่มันอยากจะให้เป็นไปนะถ้าหากว่ามันไม่ดีถ้าหากว่ามันไม่เป็นอยางใจมันก็ไม่รู้มันก็มีอาการไม่พร้อมที่จะรับแต่ถ้าหากว่าจิตมีความนิ่งมีความสวาม่างมีความเย็นนะ ด้วยอาการที่เห็นลมหายใจปรากฏเข้าออกแล้วก็สั้นยาวตามจริงอยู่จิตแบบนี้จะมีความพร้อมที่จะรับอะไรก็ได้แม้กระทั่งภาวะฟุ้งซ่านที่ปรากฏขึ้นมาระหว่างนั่งสมาธนะิธรรมชาติของจิตเนี่ยที่มันสะสมความเคยชินมานานตั้งแต่อ้อนแต่ออกมันอยากจะฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านอยากจะคิดอะไรมันก็คิดไป เช่นกันพอมานั่งสมาธิพอมาอให้มีความสนใจอยู่กับลมหายใจไปนะมันไม่ใช่วิสัยที่จะไม่กลับมาปุ้งต้านเลยไม่ใช่วิสัยที่คลื่นสมองมันจะไม่กลับมาปั่นป่วนเลยแต่ประเด็นก็คือเมื่อเกิดความนิ่งเมื่อเกิดความว่างเมื่อเกิดความพร้อมจะเห็นตามจริงแล้วเนี่ยนะเมื่อมันมีอาการปั่นป่วน กลับมาเคลื่อนไหวมีอาการกระเคลื่อนอีกมันก็สามารถยอมรับความจริงได้ลองที่จิตสามารถยอมรับความจริงได้ว่าจิตมันกระเคลื่อนขึ้นมาเป็นระลอกระลอกนะตรงนี้มันก็จะได้เกิดความสงบอีกแบบหนึ่งทั้งๆที่มีขึ้นความคุ้งคล้านขึ้นความคิดปรากฏอยู่แต่ใจของเราก็จะไม่เกิดความหวั่นไหวไม่เกิดอาการกลนแคลน แต่สามารถตั้งมั่นรู้อยู่ <c oughs> เห็นอยู่ว่าคึน้นความคิด <c oughs> คึน้นความปั่นปวนหรือว่าคึ้นอาการกระเพื่อมของจิตเนี่ยมันปรากฏไม่แตกต่างจากที่ลมหายใจเข้ามาแล้วจะต้องออกไปเป็นธรรมดามันก็เพื่อมได้นะมันก็ค่อยๆสงบลงได้เหมือนกับคลื่นน้ำที่ถูกก้อนหินกระทบแล้วมันก็กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมไหวนะมันก็ค่อยๆกระจายไอ้บง คืนเนี่ยออกไปบางทานถึงความสงบไปเองถึงความสงบรากค่าไปเองอาการที่ไม่อยากให้มันสงบอาการที่ไม่อยากให้มันมีความตัณฑ์จากอาการปุ้งซ่าอาการที่ไม่อยากทั้งปวงนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของความสงบของกระแสจิตว่าเรารู้อยู่เห็นอยู่ว่าไม่มีอาการอยาก หรือแม้มีอาการอยากใดๆขึ้นมาเราสามารถเห็นว่ามันเป็นแค่คลื่นบรบกวนมันเป็นแค่อะไรอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นลบกวนจิตใจชั่วครู่ชั่วคราวไม่ใช่สิ่งที่มันจะต้องอยู่อย่างถา ว, วรนะเราก็จะรู้สึกเฉยๆรู้สึกเหมือนแบบว่าไม่ต้องไปทําอะไรไม่รู้ไม่ชี้นะเห็นว่ามันเกิดขึ้นนะไม่ใช่ไม่เห็นแต่ว่าเห็นเมื่ออาการที่ใจเนี่ยไม่ได้ไปยินดียินร้ายอะไรเลย เมื่ใจรู้อยู่เห็นอยู่ถึงความไม่เที่ยงทั้งลมหายใจแล้วก็ความคิดนะตอนนี้มันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นความสว่างอีกแบบหนึ่งเกิดปัญญารู้สึกว่าไอสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆหรือไม่ใช่แค่คิดเอาว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงย่อมไม่ใช่ตัวตนแต่มันรู้สึกเลยรู้สึกเข้ามาจากการ รู้สึกออกมาจากฐานของการเห็นว่าลมหายใจไม่เที่ยงจริงๆด้วยความกุ้งซ่านไม่เที่ยงจริงๆด้วยอะไรๆที่มันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆด้วยถ้าหากว่าเกิดความกระวนกระวายจากต้นชนปลายไม่ติดก็อาจจะ ก, กลับไปนับหนึ่งหน่อยเลยเริ่มต้นขึ้นมาจาก การไล่สัมผัสนะว่าฝัาเท้ามันเต็มอยู่ไหมงองุ้มอยู่ไหมฝ่ามือมีอาการที่มันไม่วางพักสบายไหมใบหน้าส่วนใดส่วนหนึ่งมีอาการตึงอยู่ไหมมีอาการกระโวดอยู่ไหมนะพอกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ไล่มาเรื่อยๆรมันก็จะกลับมาใจเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใหม่แล้วก็รู้สึกถึงความร้อนที่จะสจังเกตที่จะสํารวจว่าลมหายใจเข้าเมาื่อไหร่ ลมหายใจควรจะออกเมื่อไหรนะแลจริงๆแล้วเนี่ยบางคนนะได้ตัวอย่างสมาธิก็ตอนที่ลมหายใจหยุดเข้าหยุดออกนั่นแหละตอนที่ระบายลมหายใจออกไปจนสุดแล้วไม่ต้องหายใจเข้าทันทีทันใดนะถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงอีเรียบดนนิ่งๆว่างๆอยู่ได้มันจะมีความปลอดโปร่งมันจะมีความสบายมันจะมีการผ่อนพักนะทั่วทั้งกายทั่วทั้งใจ เงียการเดียวคือนิ่งปลอดโรงไม่วก็สบายอาการนิ่งปลอดโรงตรง น, นั้นแหละที่มันจะพอมารู้ความจริงเกี่ยวกับความไม่เที่ยงต่อไปนั่นแหละบางคนจะรู้สึกผุ้งสร้างนะจะรู้สึกเหมือนแกทำยังไงมันก็ไม่ระ ง, งับก็อย่าไปทํามันอย่าไปพยายามที่จะทาอะไรกับมันขอให้ได้ที่ตั้งขอให้ได้หลักตั้งนะว่า เอรี่บทนั่งคอตั้งหลังตรงเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ถ้ารู้สึกถึงเอรี่บทนั่งได้รู้สึกถึงหลังตั้งที่สบายสบายได้แล้วก็เห็นว่าเออมันต้องหายใจเข้ามันต้องหายใจออกแค่นี้ความคลื่นความคุ้มค้ามันก็จะบรรเทาเบาวบางลงไปเองแล้วไม่จำเป็นต้องไปพยายามระงับไม่จําเป็นต้องไปพยายามถามตัวเองว่าจะทํำยังไงรือจะหายคุ้มค้า คนทำได้ได้ดีนะคือถ้าหากว่าเราไม่ไปฝืนไม่ไปพยายามอะไรมันมากแต่ว่าสังเกตเริ่มต้นจากการตึกสังเกตตามจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาวะทางกายเกิดอะไรขึ้นกับภาวะทางใจนะมันก็จะเข้ามาอยู่ในภาวะพร้อมรู้ภาวะพร้อมรู้นี่แหละคือภาวะของความเป็นพุทธที่แท้จริงอาคะ มาเริ่มกันเลยตั้งแต่คนแรกนะมีคำถามอะไรครับคื อ, อมีความรูศศรร้สึกตั้งมัน่นตั้งงเป้าหมายล้วไม่อยากเกิดอีกก็มีหลายคนบอกว่าตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปทำไม่ได้หรอกแต่ในใจก็ตั้งอยู่อย่อยางนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าของเรามีมุมมอ ง, องที่ มันเป็นพุทธจริงในขณะที่คนอื่นเนี่ยนะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าความเป็นพุทธคืออะไรแท้จริงแล้วการเป็นสาวพุทธหรือว่าเป็นคนพุทธควรจะตั้งเป้าหมายนี้ไว้นะนี่คือเป้าหมายที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่คือเป้าหมายที่ถูกต้องนี่คือเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงตราบใดที่เราอยัางมีกล้ามเนื้อมีลมหายใจมีไออุ่น อยู่อย่างนี้นะมันมีโอกาสมันมีสิทธิ์ทั้งสิ้นขอให้เป็นความตั้งใจที่ประกอบด้วยความสามารถที่จะเห็นตามจริงในกายใจนี้นะอย่างอย่างเมื่อครู่เนี่ยของ ค, คุณคือจะอมันมันมันเข้ามันเข้าถึงความนิ่งได้นะเข้าถึงความเห็นว่าลงหายใจมันเข้ามันหอกอยู่นะตอนตอนที่มีความกาลดโร่งลองสังเกตดูนะเราจะ รู้สึกถึงนมหายใจที่มันผ่านเข้าวผ่านดอกได้ชัดแต่พอมันกลับมาพุ้งสร้างกลับมาวุ่นวายมันจะเหมือนกับลมหายใจเดืนๆไปึเหมือนกับมีเมฆหมอกอะไรคุ้นๆมาบดบังไม่ให้บดบังทัศนะวิสัยไม่ให้เกิดความเห็นนมหายใจได้นี้เราก็สังเกตดูมันจะสลับสลับอย่างนี้แหละบางทีมันก็เกิดความสึกปลอดโงมันสามารถเห็ลมหายใจได้นะ แต่มันแจกบางทีมีความรู้สึกฝืนๆนิดๆตอนที่เราอยากจะให้มันปลอดหลงอยู่ได้ตลอดเวลาไอ้รู้สึกฝืนนิดๆแล้วอยากให้ปลอดหลงเนี่ยตัวนี้แหลกที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องความอยากเมื่ใจใช่ไหมคือพอมันเกิดความอยากอยากจะเอาแต่ดีปุ๊บเนี่ยตรงนั้นมันกลายเป็นความตะวันตะวายแล้วเมื่อกี้ยังไม่ถึงทั้นเครียดมันแค่กระวันระวายมันอยากจะเอากลบนี้ คือเมื่อกี้มันมีความสวาม่างมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออโลง่ลงๆแล้วถ้าสามารถที่จะเห็นลมหายใจเข้าออกได้ชัดเสร็จ แ, แล้วพ อ, ออีกสองสามลาร่องลมหายใจมันไม่ชัดแล้วมันเหมือนมีเมฆหมอกต่อไปเนี่ยนะเวลากลับไปทําเองเนี่ยให้ดูให้ดูแค่นี้แหละว่ามันมีเมฆหมอมันจะสนุกขึ้นนะมันมันจะไม่ใช่แบบพอฟุ้งซ่านแล้วเกิดความประวนประไวยอยากกลับไปเห็นอะไรที่มันโลง่ลงๆใหม่แต่มันจะเ ห, นเห็นเหมือนการสลับฉาก เหมือนเห็นเป็นภาพทางจิตว่าเดิมทีเนี่ยนะตอนแรกจิตมันฟุ้งซ่านมันมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วพอมันเกิดความรูส้สึกสว่างเกิดความลงขึ้นมาเราสา ม, มารถเห็นลมหายใจได้แต่แค่สองสามลมมันกลายเป็นความรู้สึกฝุ่นฝุ่มีเมฆหมอกเราก็เห็นอย่างนั้นต่อไปอีกนะเห็นเห็นด้วยอาการยอมรับไม่ใช่ด้วยอาการดิ้นรนอยากจะให้มันกลับไปโลง่ง เราเห็นด้วยความรู้สึกว่าเออเนี่ยเรากําลังรู้อยู่กับอะไรอย่างหนึ่งจริงๆที่เป็นภาวะที่เป็นของจริงที่กําลังปรากฏอยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละที่มันจะทําให้เกิดพุทธิปัญญาคําว่าพุทิปัญญาหมายความว่าจิตมีความสามารถเห็นสภาว ะ, าวะที่กําลังปรากฏอยู่ตามจริงเพื่อที่จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงและมันไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยพอของคุณมีความรู้สึกขึ้นมาว่า อยากกลับไปโล่งอยากกลับไปว่างใหม่นะตอนนั้นมันไม่เห็นความจริงอ่ะมันอยากได้อะไรที่เราต้องการเลนะแล้วถ้าหากว่ายังมีอาการอยากได้ภาวะที่ต้องการอยู่หรือที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นภวะปัญหานะมันจะไม่มีทางเข้าถึงมรรคผลไม่มีทางเข้าถึงที่สุดของความไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีทางเข้าถึงที่สุดทุกได้นะเพราะว่าต้นเหตุของทุก์มันยังอยู่ มันยังปั่นตัวเองต่อไปนั่น ค, คือความอยากได้ภาวะอย่างนั้นภาวะอย่างนี้นะเข้าใจหลักการนะอ่าทีนี้อย่างในชีวิตประจำวันมันจะมีเครื่องสังเกตคล้ายๆอย่างนี้บางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนบว่าจิตมันคล้ายๆอย่างนี้มันมันสามารถนิ่งได้แป๊บหนึ่งนะมีมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฐานของความรู้สึกนิ่งว่างเนี่ยมันมาจากข้างใน เราก็ไม่ใช่ไปล็อกมันไว้กับภาพใดภาพหนึ่งมันบางบางครั้งเนี่ยมันจะมีความสุขเหมือนเราเราเป็นผู้ปฏิบัตินะเนะนึกนออกหอไหมคือคือระหว่างวันบางทีความมีความนิ่งขึ้นมาเราจะผูกไว้กับภาพของผู้ปฏิบัติเข้าใจใช่ไ ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นผู้ประธานชนิดหนึ่งคือคนปกติเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติแต่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างหนึ่งทําอาชีพอะไรเป็นชายเป็นหญิงแต่ภาวะของผู้ปฏิบัติเนี่ยนะผู้พยายามจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเองกําลังเป็นโยคาวจรเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นอุบาสิกาเป็นนั่นเป็นนี้ตามภาวะที่เราอยากได้นั่นแหละตามภาวะที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ทีนี้คือถ้ามันเกิดภาวะอย่างนั้นระหว่างวันคือกี่ลองไปสังเกตยอยู่ไหมนะว่าจิตเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละมันมันล็อกขึ้นมาแป๊บหนึ่งมันอยู่นิ่งๆว่างๆขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นเอ๋ความคงสรที่ ความคุ้มซ่าง์ไปคิดเรื่องน้นเรื่องนี้ได้มันจะได้เห็นเป็นภาวะจิตไม่ใช่ว่าเกิดภาวะจิตนิ่งขึ้นมาแล้วเราเกิดความรู้สึกผูกโยงเข้าแบบความเป็ <c ười> นผู้ปฏิบัติพอประยุติประยุติปุ๊บเนี่ยเราเราจะนิ่งไปเฉยๆแบบไม่มีความรู้คำว่าสติเนี่ยไม่ใช่สติแค่เห็นแล้วนิ่งแต่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแบบความรู้สึกของเรา ถ้าเรายังปราดใจเรายังรู้สึกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่รากนั้นเนี่ยนะมันจะไม่เห็นความจริงเกี่ยวกับจิตมันจะเห็นแค่ว่าเออเราเป็นเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็จะยึดอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการปล่อยไม่มีอาการตายนะยางเวลาที่ระหว่างวันเนี่ยนะพอเกิดความไม่พอใจ เกิดความปวดหนักอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมันจะมีความรู้สึกแน่นแน่นรึไม่บางทีมันมันไม่มาในรูปของโทรศัพท์เป็นรูปแบบแต่มันจะมีความรู้สึกคือคือาดอยู่นึกออกใช่ไหมคือคือที่มันเกิดขึ้นแหวนเนี่ยผมผมพูดถึงสิ่งที่มันเกิดเกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อที่จะได้ให้พี่เห็นว่าเราจะดูอะไรได้บ้างจะอาศัย ภาวะทางอารมณ์แบบไหนมาใช้เจริญสติได้บ่อยๆนะอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นบ่อยๆอะไรแบบนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เป็นพื้นที่เป็นสนามเจริญสติได้ทั้งสิ้นนะของพี่เนี่ยนันจะมีอยู่2อสแบบโทสะเนี่ยขอให้สังเกตตัวเองเนะโทสะแบบที่กวนกระวายมันมันจะรู้สึกแบบมันมงุนงาน ง, งุนง่ายอยู่ตรงไห น, น เกิอันหนึ่งคือึดอัดเกิดควางรู้สึกหนักๆของบางคนเนี่ยพี่ก็เคยผ่านมาแล้วอย่างโทรศัพท์แบบร้อนมัรุ่มนะหรือ oh ว่าเป็นปังมาอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้มันจะมีอาการเหมือนกัเบี่ยงเบี่ยงอยู่ข้างหนคือไม่ก็อึดอัดเกิดความรู้สึกหนักๆทึบๆขึ้นมาให้ภาวะหนักๆทึบๆหรือว่าภาวะที่มันเวียงเบียง อะไรก็แล้วแต่ที่มันกําลังปรากฏอยู่ตามจริงเนี่ยนะเราแค่ยอมรับสภาพว่าเนี่ยกําลังเกิดขึ้นคือคือบางทีเนี่ยที่ฝืนฝืนเข้าใจั้มคือคืออยากจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติที่ไม่โกรธที่ไม่โกรธแล้วมันมีภาพของผู้ปฏิบัติล็อกอยู่โดยว่าอย่างยิ่งคนที่สประมัทธาทว่าเราตั้งเป้าไว้สูงเกินไปแล้วเนี่ย เราจะไม่อยากแสดงอาการขึ้นลงในเข้าเย็คือที่ถูกต้องเนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องดีที่เราจะไม่สแสดงการอาการขึ้นลงในเขเ้เย็แต่ไม่ต้องถึงขนาดคือว่าเราไม่อยากยอมรับว่าเราไม่ได้โกรธไม่ให้หลอกตัวเองคือคืออย่าไปหลอกตัวเองเวลาโกรธเนี่ยยอมรับเมื่อเกิดภาวะนี้ขึ้นมาไหนๆมันเกิดแล้วเรามาดูความจริงเกี่ยวกับมันดีกว่า เพราาโอเคบางทีเรานิ่งให้แต่ยังไม่อยากยอมรับตอนไม่นิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่กําลังเกิดกิเลสตอนที่เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าพิสูจนใจนักปฏิบัติกันนักปฏิบัติที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่โกรธไม่ใช่คนที่ไม่โลภแังมีความโลภยังมีความโกรธแต่ที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปก็บางทีมันสามารถจะเห็นความจริงได้ว่ากําลังเกิดความโลภอยู่ กำลังเกิดความโกรดอยู่และที่จะสามารถยอมที่จะสามารถเห็นความจริงตรงนั้นได้มันต้องมีอาการยอมรับตามจริงให้ได้ก่อนถ้านะหากว่ามีแต่าการอยากให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นตัวเองเป็นอย่างนี้นะในที่สุดแล้วมันกลายเป็นอาการหลอกตัวเองไปทั้งหมดมันไม่ใช่อาการเห็นตามจริงแล้วขอให้ท่องไว้เลยเป็นคีย์เวิร์ดนะถ้าไม่สามารถที่จะเห็นตามจริงไม่สามารถยอมรับตามจริงได้สิ่งที่เกิดขึ้น ต่อให้คุณรู้สึกนิ่งต่อให้คุณรู้สึกสงบอย่างไรก็ตามมันจะไม่เรียกว่าสติเดือดขาดคําว่าสตินิยามของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราพูดกันว่าสัมมาสติเนี่ยคือการสามารถอะลึกรู้ตามจริงที่มันกําลังปรากฏอยู่ในภาวะเป็นปัจจุบันแต่ถ้าภาวะปัจจุบันมันเกิดขึ้นจะเป็นความโกรธจะเป็นความกุญจะเป็นความคุ้คมค้าอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณไม่อยากยอมรับมันจะเป็นสติขึ้นมาได้อย่างไร นะอันนี้ตรงนี้เริ่มเริ่มจากตรงนี้ครับมีคําถามไหมครับครับเสิญแบบนี้คือไม่ช่วยคอมเมนต์ในการปฏิบัตินะพี่เตยมาอะไรใช่ค่ะก็รู้สึกว่าสว่างขึ้นนะแล้วแต่แต่เดิมแต่เดิมที่จะไม่เบาแบบนี้ใช่หมใช่ตอนนี้มันจะรู้สึกปรับลงมันจะรู้สึกแบมือนกบว่าเออสามารถที่จะ มันจะมีความสึกสดใสยอยู่ด้วยข้างในนะ oh God, ออกมาจากข้างในนี้พ mm hmm. ี่นองดูตอนมันสวิงตปอีกข้างหนึ่ง ถ, ถ้า ing, ถ้าสวิงถ้าสวิงลงอนะเนี่ยว่ามันคือความสดใสเนี่ยมันไม่เท่าเดิมสมมติว่ามันบางทีมันมันจะลดระดับลงบางทีมันสุขภาพร่างกายอะไรแบบเนี้ที่มันมาปลีให้จิตใจ เป็นอีกแบบหนึง่งรู้สึกเป็นอีกแบบหนึง่งนะก็ดูสลับตลับกันคือคือมันมันเอ่อถ้าถ้ามันมีความสดใสชัดเจนมีความบางชัดเจนนะฮะมีข้อดีหือว่าเวลามันกลับหม่นลงไปจะภาวะร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันมันจะเห็นได้ชัดคือเราจะรู้สึกเลยว่าเออไอความสดใสเป็นภาวะแบบหนึง่งแล้วความหมนหมองเป็นภาวะอีกแบบหนึงน่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แล้วก็คือตอนนี้เนี่ยยังยังตอนที่สวดมดมีพี่สรวดสรวจนานไหมชั่วโมงมั น, นมันานไปพูดกันง่ายๆเลยนะคือคือถ้าสรวจตวจอย่าง่ยทั้งใจเนี่ยมันมันอยู่มันจะเอาแต่การตรวดเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยมันใจเป็นความเคยชินที่แบบว่าต้องสวดเ่ต้องมั น, ม, นมันเป็นเป็นอันเดียวกันกับการบริกรรมนะถ้าสวดไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วที่แผนเมตตาหรือว่าทำสมาธิแล้วก็ประคุสร้างให้กลับมาสวดใหม่อย่างนี้ดีกว่าคือมีการแบ่งค่อน เพราะราะที่ผมเห็นเนี่ยคือพี่พี่ตรวนพอตรวจไประหว่างส่วจเนี่ยมันมันมีช่วงของความโครงสร้างอยู่ด้วยนะคือ ม, มันไม่ได้อยู่กับตววรวจตรวจอยู่ตลอดเวลาแล้วตรงนั้นเนี่ยคือคล้ายๆเราเราอย่างตรวจต่อไปเป็นเป็นเหมือนงานอัตโนมัติเนีเ่ยมันมันไม่ได้มีตัวสติมันไม่ได้มีตัวสมาธิที่เกิดความรู้ว่าภาวะของจิตใจเป็นยังไงอยู่ดังนั้นถ้าเราเอามาทําสมาธิแล้ว คือไม่ยังเป็นต้องทำให้มันนิ่งนะียแต่แต่อย่างที่เราผมไกด์ไปตอนตอนช่วงต้นเนี่ยว่าเกิด อ, อะไรขึ้นเรารูนะนเออราจะว่ายันิ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกสภาวะปั๊บุ้งป้านอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้มันมีประโยชน์มากกว่ามันมันทำให้เกิดสติแล้วก็ปัญญารูา้เห็นเข้ามาในสภาวะตามจิตได้มากกว่านะคือส่วนมันไม่ใช่ไม่ดีนะดีอย่างยิ่งแล้วควรทําต่อไปแต่ว่า ีควรมีการแบ่งแบ่ง้อราชั่วโมงนึ่งมันมันเหมือนกมีบางช่วงหายไปเฉยโอเคคือเราได้พลังได้ความตดื่นเพิ่มขึ้นรุ่งวันวก็จริงแต่ว่าเราควรจะได้ตัวปติเหมนธ์จริงภาว่าที่มันกาลังปรากฏอยู่จริงๆด้วยนะคือคือเป็นนักสดงที่มันมัได้เจ็บปวแล้วมันก็รู้ตัวเลยมันก็เหนมันมค่อยก้าหน้าไปเท่าไหร่มันก็อยางเปิเผย ตรง น, นี้ผมผมถึงบอกว่าที่ดูเป็นภาวะเปรียบเทียบได้แล้วว่าเออตอนที่มันเบิก บ, บานตอนทีมันสดใสแล้วสวินกลับมาคือบางทีมันไม่ได้หมนมองเข้าหมองนะแต่มันมันเหมือนกับเบลอๆมันมันเหมือนกับออไม่ได้สดใสเพราะบางบางครั้งที่รู้สึกสดใสมากรู้สึกสว่างมากนะไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งที่ดีที่เราจะใช้เป็นตัวสังเกต ว่าภาวะที่จิตกำลังเป็นกุศลเต็มที่เนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้แต่พอมันรอบลงมามันมันหมดลงมาเราก็เห็นเออมันไม่แสดงปักไม่เที่ยงและเพราะไม่งั้นเหมือนอที่ที่จะไปดูความปุงก้านจะไปดูอะไรเนี่ยมันมันอาจจะสังเกตไม่ชัดรือเท่านะ ที่ทำยู่ดีแล้วนะมันมันสมสมควรแก่สภาพแี่ยเราสามารถตรวจมวได้นั่งปรมาณทิได้นะคร่บทิพยเด่นเทียบเด่ดเทียบที่เห็นบนจิตมันมีเอ่อความสว่างมากความสว่างน้อยคือใหญ่แบบแค่ไปล็อกไว้ว่าเอ๊ะตรงนี้มันสว่างมันก็มีเห็นมีอะไรให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งสว่างมากสว่างน้อยมีทั้งสดใสมากสดใสน้อยหรือบางทีมันมันหลอกไปก็มี ก็ก็บางทีร่างกายเรามันจะความดันนี่จะอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคือคือบางทีมันบีบให้จิตมันมันหม่นหมองลงมันมันมีอาการรู้สึกเหมือนกับซึมคือมันไม่ได้ซึมเศร้านะแต่ร่างกายเนี่ยบางภาวะแบบของพี่เนี่ยคือมันจะทำให้รู้สึกซึมเหมือนคนเหนื่อยนะแต่จริงๆแล้วจิตไม่ได้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าสุขปรับไปตามสภาพเงื่อนไขของร่างกาย ที่มันไม่ได้เต็มที่มันไม่ได้เต็มร้อนยะนี่อาจารย์ถามกนิดนึงเวลาที่อ่านหนังสือแล้วเวลาถ้าเราตอนจะตายอาจาย์ก็่ว่าเราจะทันไหมคะที่เราจะคิดถึงคนี่ เ, เนี่ยคือคือไม่ต้องไม่ต้องบ่วงเลยนะ <c oughs> เพราะว่าอย่างตอนเนี้ยคิดปนทัอย่างตอนเนี้ย <c oughs> เวลาที่เ อ, อสมมติว่าตอนจะตอนไหนดี อางตอนที่พี่รู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะจะนึกถึงอะไรก่อนเนี่ยพี่ยังนึกถึงพระพุทธเจ้าใ ช, ใช่ไหมใช่ใชแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้สึกเออมันเริ่มต้นถูกแล้วคือต่อต่อจากนั้นเนี่ยจะมาดูกายใจจะมาดูภาวะอะไรเนี่ยมันรู้สึกสว่างละมันรู้สึกว่าพร้อมละนะอตรงที่เรารู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะจะนึกถึงอะไรแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าทัานทีเนี่ย พอซ้อมได้แค่สิบยี่สิบครั้งจริงๆแล้วมันเป็นอันตโนมัติแล้วนะถ้าถ้าจะเข้าถึงภาวะตรงนั้นจริงๆนะเนี่ยไอหมายถึงว่าจะเป็นเสียตายอะไรอย่างเงี้ยนะมินาปีตํางกันที่สุดเนี่ยมันมันจะเป็นอันตโนมัติได้แล้วแต่นี่คือพี่ฝึกมาเป็นปีๆนะมันมันเหมือนกับยังไงยึดพระพุทธเจ้าไว้ก่อนคือมันมันขึ้นใจไปแล้วนะว่า โอเคเราจะอะไรที่ผ่านมาเรียนรู้มาขนาดไห น, ไหนจําได้จําไม่ได้ปกบลอนอะไรยังไงแค่ไหนก็แล้วแต่แต่จําได้อย่างหนึ่งว่าเราเอาพระพุทธ เ, เจ้าเป็นสารณะเนี่ยตัวนี้เนะี่ยที่มันไม่จำเป็นต้องไปตัวอะไรเลยนะว่าเราจะนึกทำหรือไม่นึกทำเพราะตอนนี้มั น, ม, นมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วที่ผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเออที่ผ่านมาเราเรานึกได้อย่างนี้จรนะเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าผมพูดตรงนี้ถูกก็แสดงว่าเวลาถึงเวลาจริงที่ก็ต้องทําถูกในการทำมันมันก็ต้องเกิดภาวะที่มันตรงกับสภาพที่เราตุกมาแล้วเหมือนกันนะกินคือที่ควรยาตุกเอ่อระลึกต่อไปอีกนิดหนึ่งด้วยว่าถ้า พ, พุทเจ้านึกถึงพระพเจ้าเสร็จเนี่ยพระพุเจ้าสอนอะไรสอนให้อยู่กับเนื้อ ก, กับตัวนี้เนี่ย สอนให้คือไม่ไม่ใช่สอนให้นึกถึงบุญบุญส่อะไรอย่างเดียวนะเออท่านสอนให้เห็นความจริงเกี่ยวกับร่างกายพอนึกถึงพระพุทเจ้าปุ๊บเนี่ยต่อไปเนี่ยพร้อมเลยนึกถึงพระพุทเจ้าปุ๊บนึกพร้อมกับกายใจเนี่ยแต่สิ่งที่พระพุทเจ้าต้องการให้เห็นเนี่ยคือ อ, อะไรเนี่ยไอ้ที่มันกําลังนะบางทีของพี่เนี่ยนนอนนอนอยู่เออมันรู้สึกคล้ายๆว่าเออมันใกล้แล้วจริงๆอะไรเนี่ย พนะ อ, อสภาพอย่างนั้นที่ก็ดูไปว่าในสภาพนอนในเบียร์เนียบทนอนมันเกิดความรู้สึกตลดสังเวชในตงฐานขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราพร้อมจะไป ต, ตัวนี้มันเป็นลักษณะหนึ่งของมรณสติได้คือคือที่มันจำเป็นต้องไปเอาอะไรหรือว่ามา้าหมายแนมะว่ามรณสติต้องนอย่างนี้ คือแค่อาการมาเลือได้อย่างนี้เนี่ยที่รู้สึกเหมือนแบบเอ้มันมันเหมือนอีกนิดเดียวมันเหมือนมันเหมือนว่าร่างกายเนี่ยมันเกือบจะถึงเวลาของมันแล้วนะแล้วจิตใจของเราเนี่ยไม่เกิดความกังวลกระวายไม่เกิดความรุ่งใจไม่เกิดความสูงส่งเดี๋ยวมนไปไหนเลยนี่แนลตัวนี้แหละนะสติเพาอะไรที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าหากเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยนะเมื่อถึง เวลาจริงๆภาวะแบบเดียววันนี้แหละมันจะมาปรากฏขึ้นแบบชัดเจนคือคราว น, นี้จะหนักแน่นเลยนะจะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันไปอยากไปก็ไปในใจเนี่ยคือคือตอนนี้มันก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรเพียงแต่ว่าที่จะรู้สึกตันๆอยูน่นิดนิดหนึ่งคือคือเหมือนไนไม่แน่ใจ แว่าจะถึงมรรคผลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะ อ, อ่าเนี่ยทีนีค้คือคือลักษณะไอ้ที่เรารู้สึกบางๆอยู่นิดนิดตรงเนี้ยมันคล้ายๆมีเพดานมีขอบขอบเขตจํากัดอะไรบางอย่างอยู่กั้นๆไว้แล้วรู้สมันขออีกนิดอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเนี้ยมันจะทำให้ไม่สุดคือคื อ, เ, อเห็นภาวะความตายไม่ไ ม, ไม่สมบูรณ์แบนบนะเพราะว่าเรายังมีความคาดหวงอยู่ ตัวความคาดหวังในมรรคผลเนี่ยมันเหมือนกับเราเรานึกถึงมรรคผลขึ้นมาดืด้อๆเลยเป็นภาพมรรคผลที่มองไม่ออกว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงที่เข้าใจพอยไหมคือมันไม่ได้นึกถึงต้นเหตุแต่ไปนึกถึงผลนี่ถ้าหากว่าเรารู้สึกได้ถึงอาการตื้อๆตางๆขึ้ น, นมานะแล้วสํารวจสังเกตไปเออเนี่ยอาการที่อยากได้มรรคผลเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ทําให้เราไม่ได้ตัด จริงๆเราตัดไม่ขาดจริงๆมันยังมีอะไรเชื่อมอยู่นิดนึงแมมอยากได้มาผลเนนะ่ยหรือว่าทํายังไงถึงจะได้นะเอ๊ะเนี่ยตรงเนี้ยมันมันเหมือนจะเห็นละว่าไม่ใช่ของเราแต่ทําไมมันยังไม่ได้ทําไมมันยังไม่ถึงอะไรเงี้ยกลัวตัวไม่ท่านอะไรอย่างเงี้เนี่ยตัวเนี้ยตัวตัวตัวดูว่าเวลาที่เกิดความกลัวขึ้นมาจิตจิตมันจะคล้ายๆกับขาขา ของพี่เนี่ยจะมีความสุขมันคาอยู่มันหน่วงอยู่มันเหมือนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะใช่แล้วแต่ไม่ใช่เนี่ยตัวเนี้ยนะตัวนี้แหละคือตัวอุปาทานว่ามีใครคนหนึ่งจะได้มากผลมีใครคนหนึ่งเกิดมามีใครคนหนึ่งกำลังจะต้องตายไปแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นแค่อุปาทานเป็นแค่อะไรคาคาอยู่เฉยตัวบุคคลนะ่น มีใครคนหนึ่งเคยเกิดมามีใครคนนึ่งกำลังจะตายไปจะหายไปด้วยมันจะเหลือแต่จิตที่รู้สึกว่าเออเนี่ยไอพ้พี่มันกําลังจะตายไปไหมนะมันเป็นเป็นแค่สภาวะอีกสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วดับลงไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับตั้งแต่เกิดจนตายนะ เ, เพียงแต่ว่าจิตดวงสุดท้ายเมื่อดับไปแล้วมันจะไม่กลับมารับรู้อะไรในแบบ สภาพของมนุษย์อย่างนี้อีกเท่านั้นเองเนี่ยเราก็พิจารณาไปอย่างนี้ไอ้จิตที่มันยังคาอยู่จิตที่มันยังเสียดายอ่าจจะ ท, าทํามานต้งงานอะไรอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะมันมันมันจะหายไปการคุงแต่งแบบนี้แบบนั้นจะดับไปเหลือแต่อาการทําใจที่ปรากฏอยู่ตามจริงนะว่าตรง น, นั้นน่ยมันแค่เป็นความรู้สึกคาคาเห็นความรู้สึกคาคามันก็จะน่เหมือเหมือนอย่างนี้มันจะหายไป มีความเปาราะบางที่ได้ให้นแหลกที่มันจะเป็นมรณสติเป็นรูปแบบนะมีความมีความเป็นมรณสติเป็นกําลังตั้งสมไปแล้วเนี่ยตรง น, นี้แหลกที่พอถึงเวลาแล้วมันจะขาดได้จริงแต่ถ้าตรง น, นี้ยังคงครอบงำจิตใจเราได้มันก็จะไม่ขาดเนี่ยคือไม่ไม่ใช่ปล่อยนะไม่ใช่พยายามปล่อยนะที่จงังคีเหวี่ยดีๆนะ มันขาให้ใหเห็นตามจริงว่ามันขาแ ล, และเห็นด้วยความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิว่าอาการขาเนี่ยที่แทแล้วมันก็คือทําให้เราสําคัญมั่นหมายจิตจิตไปว่ามีใครคนนึงเกิดมาเกิดมาแล้วเป็นเวลานานแล้วมีใครคนหนึ่งกําลังจะตายไปแต่ถ้าหากว่าเราเห็นอาการขาเต่านั้นรู้สึกวอานี่เป็นแค่าการปรุงแต่งจิตคนที่เคยเกิดมานานคนบนที่กําลังจะไปเนี่ยมันจะหายไป มนโนภาพเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความรู้ความว่างว่าเออเนี่ยไอ้จิตมันกายที่มันกาลังจะดับสูงก็ดีหรือว่าจิตที่กําลังจะดับไปก็ดีเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่แล้วนะไม่ไม่มีไอ้ตัวตอนที่เคยเกิดมาไม่มีคนคนไหนที่กําลังจะตายไปคือที่อย า, ยายามปล่อยจําไหมนะตรงเนี้คีย์เวิร์ดเลยนะเพราะถ้าพยายามปล่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นความอยากปล่อย แต่ถ yeah. so ้าเรารับ mm รู้ตามริงนะมันมันจะมีอาการยึดหรือไม่ยึดก็ตามเรารับรู้อยู่ในที่สุดมันจะเห็นเป็นอาการุงแต่งของจิตแล้วมันจะเขาเขเปลี่ยนเองนะเขาจะจัดอ่าเรืองวันจีนพอดีวันนี้รู้สึกไม่ในใจแบบอาจจะหมดผมต้องใช้เขียนนี่แหละขอคำแนะนำครับ เนี่ยผิดอติการนะต้องถามก่อนช่วงหลัพอเริ่มทไิบก็บางทีเห็นเห็นภาพอวัยวะภายในอย่างเงี้ยนะเนเรียนไม่รู้เกวออะไรก็ไาายมั่นได้เหรอได้ค่ะนใส่เปลี่ยนอฮัลโหล ของน้องแพลนเอครับครับก็ก็มากพอแล้วก็เข้าวิวัฒภายในก็เปดาจริงเกิดอะไรนเนี่ยับองเาวไม่ไม่เห็นรื่อยๆตอนที่เรารู้สึกชักเรู้สึกว่าร่างกายประกฏดชักเนี่ยมันจะเหมือนกับมีอะไรเ็นโทงอยู่ข้างในเหมือนกาบมีเอ่อเนื้อก้อนเนื้ออะไรที่มันอัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ มันเห็นจริงแต่เห็นแบบรางๆไม่ได้ไม่ได้เห็นแบบชัดๆดคือถ้าเห็นชัดเนี่ยจิตต้องสวา่างจิตต้องสวา่างไอ้ น, นี่มันเหมือนกับเป็นสมาธิอยู่เฉยๆแต่มันยังไม่มีความสวา่างวิธีที่จะให้มันสวานหนหน่างแจ้งยื่นมานะก็คือเราอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็นั่งสมาธิไป ความสว่างของเรามันเป็นแบบวูบวบบ้างมันวูบมาแล้วหายวูบแล้วหายวูบแล้วหายอมันเกรู้สึกว่าตอนตอนที่นั่งไปด้วยเนี่ยมันมันเหมือนจสว่างขึ้นมาแล้วแต่มันก็หดดกลับมาให้ายใจมันเปิดมันเวลามันเปิดมันเปิดไม่เต็มที่พอเปิดไปแป๊กหนึ่งวมันกลับมาใหม่เราแค่อยู่กับตรงนั้นรับรู้ไปลอง ลองสังเกตสังเกตอย่างเดียวนะอย่างพยายามนะเพราะของเราพอเกิดตามพยายามหรือเกิดความอยากมันกลายเป็นความมืดขึ้นมาทันทีมันกลายเป็นอาการที่จิตเนี่ยมันกดตัวลงมาทันทีแล้วลองสังเกตนะว่านาั่งดูลมหายใจเข้านั่งดูลมหายใจออกไปนะมันจะมีความภาวะที่มันปลดโปลงตรงนั้นเนี่ยไม่มีความดิ้นรนไ ม, ม่มีอาการพยายามหรือว่าอยากได้อะไรทั้สิ้น แต่พอมันสว่างไปแป๊บหนึ่งแล้วเราอยากให้มันสว่างขึ้นหรือว่าอยากที่จะดูเข้ามาในอวัยวะภายในตัวนี้มันมันทำให้เกิ ด, กดอาการปวดตัวทันทีแล้วเกิดความมืนความมนขึ้นมาทันทีเราสังเกตอยู่อย่างนี้เกี่ยวกับความจริงความสัมพันธ์ระหว่างความชิดนะการสภาวะของใจถ้าเราไม่ชิดไม่คาดหวังอะไรเลยใจมันจะปล่อยใจมันจะสบายมนจะบมดไ แต่ถ้าคิดอย่างอะไรขึ้นมา ม, น ม, นมันจะปลดมันจะปดมันจะกลับเข้ามาพอรู้สึกถึงความสาัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสภาวะของจิตได้แล้วภหนึ่งเนี่ยนะค่อยไปใส่ใจความสว่างคือคือว่ ใจมันเบาลงใจมันไม่คาดความอะไรเห็นแต่ว่าเอออะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันจิตจะดีจิตจะไม่ดีไม่สนใจเห็นแต่ว่าเออความจริงของจิตเป็นยังไงนะจากนั้นพอมันสาวาน่างจริงๆเราค่คคอยใส่ใจความสาวอาการใส่ใจความสาวา่างก็คืออยู่กับความสว่างอยู่อยู่กับคาาวามรู้สึกสบายอยู่กับคาาวามรู้สึกเปิดโดยไม่ไปวอกแวกหาสิ่งอื่นจําดีนะขั้นตอนนะ อันแรกเราสังเกตความสัมคัญระว่างความคิดคิดอยากในภาวะทางใจมันจะปูกเข้าปลกออกอย่างเงี้ยนะมันมันจะเปิดสบายตอนที่ใจเราไม่คาดหวังเรามีแต่ความรู้จริงๆแล้วก็มันจะปูกกลับเข้ามาของเราจะรู้สึกยังไง ม, มันเหมือนมีอะไรปลกเป็นมยายาลอย่างนั้นไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นแต่สังเกตเห็นอยู่เรื่อยๆในที่สุดมันจะค่อยคย เปิดค่อยเปิดต า, า, านออกไปนานขึ้นตรงนั้นค่อยใส่ใจความสว่างที่เกิดขึ้นนะแล้วมันจะสว่างแล้วก็ค่อยเต็มขึน้นเต็มขึ้นจงได้นะพราะถ้าผิดขันตอนมันไม่มีทางไปถึงตรงนั้นนะอ ย, อยู่เราจะไปอยากสว่างเลยลืมจำไอ้ความสว่างที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยพอพี่พูดไกลเนี่ยแล้วเรารคือเออมันมันจำได้ เมื่เสร็จแล้ววเราจะไปทําเองเป็นป น, นึกถึงทาวานันทันทีมันกลายเป็นความโกรธระไวอ ย, ยากจะให้เกิดวความสว่างให้ความอยากนาี่แหละจะปิดมั้งไม่ให้เกิดความเห็นไม่ให้เกิดความรู้อะไรเลยนะนแล้วคำสอนคือว่าเราเรียนรู้ว่าอะไรนะถ้าสว่างเต็มแล้วเนี่ยถ้ามันมีความตั้งมั่นแล้วเนี่ยอยะ่างหนึ่งที่เห็นประโยชน์ได้ทันทีก็คือ เมื่อจิตเกิดความฟุ้งซ่านมันจะเห็นเป็นเงามืดมันจะเห็นเป็นภาวะคล้ๆกับ ค, คลื่นโน้มนุนความสว่างเราจะสา ม, มารถเห็นความไม่เที่ยงของคลื่นโน้มนุ่นในโดยง่ายอันนี้คือเห็นได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าจะให้แ advance ไปกว่า น, น, นั้นนะเรารับรู้เข้ามาในภาวะจริยาบทที่เป็นปกติอยู่เนี่แหละมันนั่งอยู่ยังไงมันมีความรู้สึกอยู่ยังไงเมรับรู้ไปอย่างนั้นนาน ในที่สุดมันจะค่อยๆเห็นเข้าไปเหมือนอย่างที่น้องเห็นนี่มันเป็นเนงา เ, เฉยๆนะฮะแ ต, ต่ตอนที่เรานั่งสมาธิแล้ว เ, เห็นเข้าไปเนะี่ยมันมันคล้ายๆอย่างมืดๆอยู่มันมันไม่ได้ประกอบ ด, ด้วยความสว่างมันไม่ได้มาจากฐานความสว่างแต่นี่เราพูดถึงฐานความสว่างเวลาที่พร ะ, จ ะ, จ, ะจะเจริญอสุภกรรมฐานแบบของจริงกัน น, นะเป็นพิการกันถ้าไม่เริ่มมาจากการเอ มาดูผมขนเล็นนก ต, กนะตามหนังอย่างที่ฝึกกันง่ายๆท่านท่านฝึกอาณาบานสติมาก่อนฝึกยังไงท่านมีความสว่าง ม, มีความตื่นตรงมีความหนักแน่นจิตเนี่ยตั้งมา่แล้วแล้วค่อยสำรวจเข้าไปไม่จะเห็นออกมาเหมือนกับกล้องสติจริงๆตามแรกๆมันจะเห็นเป็นเาางาลางแบบน้องนี่แเพียงแต่ว่าเวลาท่านเห็นท่านจะ เ, เ, เห็นออกมาจากความสว่างของน้องมันจะรู้สึกเหมือนกับ เห็นว่จริงแต่เป็นความรู้สึกเฉยๆมันยังมืดๆอยู่นะมันยังอยู่ในห้องที่ไฟยังไม่เปิดมันยังมีแสงรอดเข้ามานิดเดียวนะนี่ตรงนั้นเป็นเพราะว่าเราเริ่มมีสมาธิอยู่บ้างแต่เป็นสมาธิแบบตอนๆที่ยังไม่มีแสงนะแล้วการสวดมนต์หลังจากที่เฝ้าดูเปเด็นทีเห็นนีจะช่วยได้ไหมครับ ขอน้องส่วนตอนนั้นมันส่วนไปต่อโครงสร้างคือมันเป็นเพราะว่าเราส่วนแลไปฝากความหลังหรือว่าไปอธิษฐานไปอะไรเนี่ยเราเราชอบไปนึกมากขอให้สําเร็จอย่างนั้ น, ปปนสําเร็จอย่างนี้นนช้านั้นนั้น น, นี้ได้า ย, ยาอะไรตอนนี่อะไรเนี่ยมันเป็นเป็นการสวดบทที่ประกอบด้วยความคาดหวังที่เพียที่ถูกต้องเนี่ย เวลาเราส่วดมนต น, ในี่นะอีพีเอสอนก็ว่าระหังสมาธิส่วนคาดหวังว่าเราจะได้ความสุขจากการส่วนชพอแล้วเพราะฉะนั้นจะทาให้จิตมันมีความเป็นกุศลเป็นดวงมันจะเวลาที่มีความสุขแล้มันมันอยู่ประวัติสวนจริงนั่นแหละคือสิทธิ์ที่มีอนุอนุภาพสูงสุดแหจิตมีอนุภาพสูงสุดจิตมีคุณภาพสูงสุดเราสามารถจะเอามาเจริญสมาธิต่อยอดเป็นอะไรก็ได้ แต่ได้วยอาการคาดหวังคือเหมือนเราสวดไปแล้วก็คิดไปจะได้ไหมจะได้ไหมมันมันกล า, เ ป, า, กาเป็นความคุ้มก้าวไหมมันกดาเป็นความว่าเออเราสวดสวดไปเพื่อที่จะสะสมความอยากไม่ให้สวดไปเพื่อสะสมความปล่อยนาะ คือคือมันไม่ใช่นิ่งแบบเดินนะมันจะนิ่งแบบซึมลงมาเราจะสังเกตได้คือช่วงแรกๆมันมันเหมือนกับคนรู้งานเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนหลังๆไปมันมันรก็อยอเฉียวงาคือไม่ใช่ไม่ใช่เฉียวแบบกระทู่นนะแต่มันจะซึมๆคล้ายๆคนที่เอ่อกลังจะพักนอนนะเราเราสังเกตเป็นอาการทางใจว่าตอนแรก มันมีความตื ou, <Jean> ่นรู no ้ดีแล้วมันค่อยๆซึมลงมาหรือถึงแม้ว่ามีความสงบมันมันก็จะมีอยู่หลายแบบพุ่นบางทีมีความสว่างนะมันมันจะรู้สึกถึงความสว่างไม่ไม่ใช่ตอนนั่งสมาธิอย่างเดียวนะในระหว่างวันเนี่ยเวลาเราเจริญสติเราพยายามที่จะรู้เข้ามาข้างในกายใจเนี่ยบางทีมันรู้สึกเหมือนสว่างมันมันมันเป็นความเป็นกุศลนะ คือจิตมันมันคิดดีมันรู้สึกดีอย่างตอนนี้ก็เรียกว่าสว่าแต่บางครั้งมันก็จะคล้ายๆกับถูกยือถูกยื อ, อว้ด้วยไอ้ภาวะอะไรที่มันติดๆทัดๆพอจะเข้าใจไหมว่าผมพูดถึงไงมันมันเหมือนกัมันเหมือนกับจะรู้ก็ไม่ใช่จะหลงก็ไม่เชิง ตรงนี้พอใจ่างนั้นที่มันยืดยืเหมือนเมื่อติตสัทธะเนี่ยเราเข้มเปรียเทียบเป็นสภาวะตอนที่มันรู้สึกสว่างสบายมันเป็นแบบหนึ่งตอนที่รู้สึติดติดสัทธะมันเป็นอีกแบบหนึ่งคือจะได้เจริญสติทั้งภาวะที่ดีและไม่ดีโดยการเห็นว่ามันมันไม่เหมือนกันในสองภาวะนี่ยภาวะที่สว่างภาวะที่ไม่สว่างภาวะที่ติดติดสัทธะกับภาวะที่ปรอบประโ มันมีทั้งสองภาวะที่มันรามบทสลับสลับกันคืออย่าไปตั้งข้อสงสัยว่าเราจะทํำยังไงกับมัคือคือค่โจทย์โจทย์ของคุณคือว่าจะเอายังไงต่อมาใช่ไหมแต่นี้ค่อยที่ผมให้สังเกตก็คือว่ามันเป็นธรรมดาที่จะต้องเกิดภาวะอะไรคลยๆแบบนี้เนี่บางทีมันก็ปวดหลงบางทีมันก็รู้สึกอัดบางทีมันก็รู้สึกติดขัดนะ สำคัญคือว่าเมื่อแต่ละภาวะเกิดขึ้นเราแค่เปรียบเทียบที่ถูกคือเรารู้ให้สุกต้องตรงภาวะวา่ากำลังเกิดอะไรขึ้นมันจะได้เปรียบเทียบว่าเออมันไม่เหมือนกั น, นต่างๆไปเรื่อยๆแล้าค่จะๆค่อยๆเห็นความไม่เทียงของจิตเองก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอุปสรรเพราะว่า อ, องานของคุณมันเป็นงาน วิธีการทํางานของคุณบางทีเนี่ยนะมันเป็นนะพวกที่ทํางานด้วยความหนักใจคื อ, ค, อคือมันพอเอามีความหนักใจสังเกตบางทีไม่อยากตัดสินใจบางทีไม่อยากที่จะรับรู้นะฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้เนี่ที่มันทําให้สภาวะของใจเข้าไปสู่ภาวะติดขัด พูดง่ายๆว่าจะปฏิบัติมาถูกหรือผิดยังไงก็แล้วแต่ยังไงมันก็ต้องเกิดภาวะติดขัดรู้สึกตื่นตระหนแบบนี้นั่นเพราะว่าเราสะสมวิธีิกรรมงนานมาแบบนี้น ะ, นะเข้าใจปนะจริงๆแล้วเนี่ยคนมักจะนึกว่าปฏิบัติไปถ้าถูกต้องเนี่ยทุกอย่างจะดีหมดทุกอย่างต้องไม่มีความรู้สึกขัดขัดเป็นเดินเลย แต่แท้ที่จริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวิธีใช้ชีวิตของเราเป็นมาอย่างไรวิธีทำงานของเราเป็นมาอย่างไรวิธีคิดเกี่ยวกับคนของเราเป็นมาอย่างไรเหล่านี้มันนับหมดมันเอามารวมหมดนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยมันมากกว่าการปฏิบัติหลายเท่าตัวนะใอ้ภาวะความเคยชินทาธรรมชาติ ที่เราจะทํางานหรือว่าที่เราจะดีก่าผู้คนเนี่ยตัวนี้ไงที่มันจะมาปรากฏบอ่อยแล้วถ้าเราสังเกตอยู่ว่าเอาเอเนี่ยมันปรากฏโดยความเป็นอย่างนี้ไม่ไปเดเนือร้อนใจต่อมาเราก็จะค่อยๆเห็นไปทีละภาวะทีละภาวะเมื่อเออภาวะตอนนี้กำลังปรากฏอยู่และมันต่างกาับอีกภาวะอย่างไปวิธีง่ายๆที่จะแบ่งนะว่าภาวะไหนเป็นภาวะไหนก็ดูอเอาาเหมือนถามตัวเองว่าในลมหายใจนี้ กำลังเกิดความรู th ้ส wow. ah ึกตือ่านหรือว่าสบายอีกลงหายใจหนึ่งตื่นอ่านขึ้นหรือว่าสบายลงนะจะสบายปลอดใจลงกว่าเมื่อคู่ฝึกถามตัวเองไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้หายสงสัยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่แน่แล้วเราจะต้องทำยังไงต่อไปคือถ้าไปพยายามที่จะทำยังไงต่อไปอยู่เรื่อยๆมันจะเหมือนเราเราหาอุบายเพิ่มว่าต้องแก้อย่างนั้นต้องแก้อย่างนี้ตรงนี้ติต ติดตารู้สึกถึงอ่ดขึ้นมามันควรจะต้องทําอย่างไรมันกลายเป็นพยายามที่จะทําอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอยู่ตลอดเวลาแต่นี่ถ้าหากว่าเราคอยเปรียบเทียบภาวะนี้ลมหายใจนี้กําลังเป็นแบบนี้นะอีกลมหายใจนึงกลายเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้พยายามอะไรเลยมันแค่ปล่อยให้ทุกอย่างปรากฏตามจริงแล้วเราสังเกตเอาวในแต่ละลมหายใจเขา้ากับเท่นี้ เวลาที่พุทธ เ, เจ้าสอนอนาตนาสถิตเนี่เยเขาเรจ้าสอนเนี่ยนีแหละหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกยังไงอยู่กำลังมีอาการตึงแตกอย่างไรอยู่ย ร, ยรู้ตามจิตนี่แหละอันนี้คืออนานาบานัตินั่นเปนะ็นจะค่อยค่อเห็นความไม่เที่ยงของแต่ละภาวะปีอย่างเด็ดขอประเท เข้<บ>าดูแล้วก็เข้าดูไม่ให้มันมามีอำนาจเหนือนจิตใจเราได้เนี่ยที่ผ่านมานี่มันดีแล้วนะอืลักษณะทีเด็ดเอาที่ที่แบบที่ให้มองอย่างนี้ว่าลักษณะทีเด็ดของเราที่เกิดขึ้นมันวูบขึ้นมาแล้วมันค่อยๆแผ่วลงไปคือความนึกได้นึกว่ามีเกิดทีเด็ดหรือมันจะค่อยๆแผ่วลงไปมันก็่ได้ืึดอัดมันไม่ได้เก็บกดอันนี้ยใช้ได้นะ ส่วนในตัวขี้เกียจบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันนะเราก็รู้อยู่แล้วพูดถึงตัวขี้เกียจยิ่งได้าเลยนะมันเรารู้อยู่แล้วว่ามันยังมีอะไรเราก็แค่ทําให้มันค่อยๆหายไปด้วยความพยายามทีละนิดทีละห น, น่อยพยายามในที่นี้หมายความว่าทําตัวให้สวนทางกับกิเลสก็ที่ว่าด้วยความขี้เกียจ อย่างถ้าเราเกิดควารู้สุกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีกิจจิตกระจายของเรามักจะมาในรูปเนี้ยไม่มีกิจจิตกระจายเราก็เห็นความไม่มีกิจจิตกระจเนี้ยเป็นภาวะเหมือนกับน้ําลงเหมือนกับภาวะที่กําลังมันขาดกําลังใจกําลังกายนะเรแค่เราให้เห็นไปว่าไอไ อ, อภาวะไม่ไม่มีกําลังใจไม่มีกําลังกายเนี้ย สามารถลุกขึ un, ้นมาได้ท <un> well, ุกเวลาที่เราพร้อมจะลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมากําลังหรือว่าลุกขึ้นมาทํางานที่ครั้งๆให้เสร็จคือแค่มีความตั้งใจว่าจะลุกขึ้นมาไอ้ความรู้สึกเหมือนกับไม่มีกําลังตรงนี้มันก็จะหายไปแล้วเข้าใจไหมคือคือแทนที่เราจะต้องหาอุบายว่าจะพยาขยามไม่ต้องแค่ลุกขึ้นมา แค่ปลูกตัวเองให้มันนึกถึงงานหรือว่านึกถึงการภาวนาตัวตัวนึกเนี่ยมันก็จะกาจัดความที่เกลียดลงไปได้ว่วงหนึ่งแล้วแล้วถ้าหากว่าเราลงมือทําอย่างต่อเนื่องไอความไม่มีกริจเกจใจแต่แฝงมันก็จะค่อยๆหายไปมันกลายเป็นความต่อเนื่องมันกลายเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับได้ลําดับหนึ่งสองสามน่ ลำดับแรกนึกถึงนึกถึงงานนึกถึงหน้าท right. ี yeah. uh ่นึกถึงการภาวนาลำดับที่สองวงมือทํำลาดับที่สามค่อยๆปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแค่นี้เองนะความที่เกลียดมันก็ไม่มีที่ตั้งอยู่ใจแล้วบางคนที่รู้สึกอยข้างในก็โอบร้อยอักขระ่อยอยู่แทนแต่มันไม่เท่ากันคือแต่ก่อนเนี่ย พอเรารู้สึกถึงความโมโหได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันมันจะไม่หยุดแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนอย่างที่พี่ว่าตอนแรกมันมวูบขึ้นมาแล้วพอนึกได้เฮ้ยตอนเนี้ยมันอาฆาตมันอะไรมั น, ม, นมันค่อยๆแผ่วลงไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปทําอะไรก็ต้องเข้าเฝ้าเฝ้าสังเกต ก็สังเกตต่อไปเรื่อยๆนะั้ น, นี้มันหมดเร็วริงวันเน้ยที่ที่ว่าจะซื้อไอ้แบตชาร์จมาแล้วลืมจริงจริงๆเดิมมันมีนมแบตชาร์จ<ด>อยู่ืซื้อมาค่ะแต่ว่ามันไพขนาดีแอันนี้ที่พีคุณเนี่ยใหม่ค่ะคือไ ถนะ้าหากว่าแต่ก่อนเราแยกอย่างนี้แล้วตอนนี้มันเพิ่มนึกขึ้นได้แนละ้วมันค่อยๆแผ่วลงเนี่ยนี่แสดงให้เห็นความก้า ว, ว, ว, ว, ว, ว, วหน้าอยู่แล้วมันใจจมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันแค่ว่าโอเคยังไม่ได้หายขาดเหมือนกับโรคถ้าเราเป็นโรคมื้อดงมานาม น, นี่ยอยู่ๆรักษาบอกจะให้หายเลยหายขาดเลยนะ ตอนนีหมอที่ไหนทําได้แต่ค่อยๆลดอาการแบบเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อมันเป็นไปได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงๆ น, น, นะสิ่งที่เราจะดูเนี่ยเรามองให้เห็นความไม่เที่ยงของตัวสาสตร์ดีกว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงตรงที่ว่าเออในในขณะที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะเราไม่สามารถมีปติรับรู้อะไรได้เลย แต่พอดึกขึ้นหนาขึ้นนิ่เกิดตัวสาร์แล้วมันค่อยปแถวลงมาต้องให้รอลงมาเอตัวนี้มันมันน่าพอใจแล้วพอใจที่ได้สห็นระดับของการลดระดับของตัวสารลงได้แล้วและความไม่เชื่ยงในภาพใหญ่เราสามารถเห็นดีถุกว่าแต่อรมันมีอาการร่วดหนรูไทยเป็นวัน แต่ตอนนี้เนี่ยอย่างมากที่สุดเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นนาทีเนี่ยนะนี่ก็คือการแสดงความไม่เที่ยงของโทสะถ้าเรามองเป็นชีวิตนะชีวิตของเราเริ่รมต้นมาเป็นโทสะอย่างรุนแรงตอนนี้พอฝึกภาวนาไปมันกลายเป็นโทสะที่เบาบางลงแล้วที่อ่อนกำลังลงแล้วนี่ก็คือการแสดงความไม่เที่ยงของโทสะในชีวิตของเราทีเดียว ตรงทําต่อไปก็คือปรับปรุงเรื่องที่ว่าเอ็งจะพอที่จะทำอะไรไมนตั้งใจคือมันต้องมอนกับว่าชีวิตเราเนี่ยตอนนี้บอกตัวเองว่าเป้าหมายเอาภาวนาแล้วแน่ๆแต่ว่าถึงมุ่งหมายนโลกมันใช้ว่า ยังไอยๆอยคือเราทำงานไปวันวันมัน ม, ม, มันไม่รู้สึกว่าชีวิตนี้จะเอายัางไงครอบครัวด้วยจะโน่นนี่นั่นเนี่ยมันมันคล้ายๆมันลอยไปหมดมันมีแต่การบอกตัวเองว่าเราจะเอาเรื่องของการภาวนาให้ได้ชีวิตนี้ น, นจะจะยึดไว้เป็นหลักจะ มันมันไม่ใช่เป้าหมายที่แบบเราจะทำให้เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเออวันนี้มีอะไรต้องพัฒนาต่อหรือจุดุ่งหมายบางอย่งค่อนข้างจะเครื่องมือกลางอางโลกนี่บางทีถ้าเราเป็นชาวบ้านอย่างนี้จําเป็นนะที่ต้องตั้งเป้าที่ชัดเจนว่าจะตื่นขึ้นมาเพื่อพัฒนาอะไรต่อถ้าหาว่าตื่นขึ้นมาแล้วเราอย่งไม่มีคำตอบใ้ตัวเองว่าจะมาทำอะไรมันครือหน้าต่อไป มันจะเหมือนกับไม่อยางไม่ไม่มีอาการเต็มใจที่จะลุกขึ้น่างที่นอนถล้วพอไม่ลุกไม่ไม่เต็มใจที่จะลุกขึ้น่างที่นอนไม่ได้กลายเป็นปฏิกิริยาลุกโตทําให้เกิดความรู้สึกว่าขี้เกียจขี้เกียจออกจากบ้านขี้เกียจโน่นนี่นันนะตื่นให้มาลองลองอย่างนี้นะเช้านี้จะออกกลังกายจะอกกายบริหารแล้วเสร็จแล้วก มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราในการออกกายบริหารตอนเช้าเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นสักวันหรือสองวันเห็นว่าเฮ้ยเออมันเป็นไปได้เหมือนกันมันแค่มายืดเส้นยืดสายแค่มาทํำอะไรสักสิบนาทีนะครับออกกําลังกายรับประานอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดความรู้สึกว่าวันที่วันที่สองที่สามเนี่ยมันมันง่ายขึ้นมันตื่นมาเพื่อที่จะอกกายบริหาร มันจะรู้สึกแม้ว่าเออมีความพื้นหน้าในชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นแล้วตื่นมาเนี่ยออกกลบริหารได้แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันไม่ไดชั่งชื่นมันก็ไอ่มีความกดชื่นมากขึ้นกว่าเดิมมันมันมันเหมือนกันในทางโลกเนี่ยมีอะไรบางอย่างค่อยๆก้าวหน้าขึ้นที่เห็นได้ตามลำดับแล้วตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนึกถึงความก้าวหน้านั้นทันทีไม่งั้นของเราตื่นนอนมา มันคล้ายถามเลยจะรู้ขึ้มนมาทำไมเนี่ย อ, อ, อาการจับนั้นไม่ออกไหมคือคล้าย ม, ม, มันมัวมัวมันว น, น, น, นอยู่ข้างไนนะครับึกไม่ออกว่ามีเหตุผลอะไรที่รออยู่ในการที่เราจะต้องดูจับทีนอนที่ตอนหลังๆมันทำให้หยุดเบือการทอยลากด้วยตรงนี้ชิคกี้ ย้ํามานานร่างกายมันสําคัญนะถ้าร่างกายไม่สดชื่นบางทีมันไม่มีกระเจิดกรใจเลยทำอะไรเลยไม่ว่าจะงานทางโลกหรือทางธรรมเป็นกะลาว่าในบางทีมองไม่เห็นนะว่าตื่นเชา้าขึ้นมา ก, การเคลื่อนไหวของร่างกายมันมีความสําคัญขนาดไหนอย่างพระเนี่ยที่จะว่าเป็นยามันตื่นมาปุ๊บเนี่ยปปเป็นบินทบาทถ้าส่วนวลก็จะเป็นบินทบาทคนว่า มีความฝึกนั่นเป็นเรื่องของกางแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเรามองนะนั่นเป็นเรื่องของร่างกายมนุษย์ที่ว่าถ้าได้เคลื่อนไหวถ้าได้ตั้งความบริสุ้ธิ์บริสุทธิ์ขึ้นตั้งไต่เ้าเนี่ยตลอดทั้งวันมันจะมีความความพร้อมที่จะเคลื่อนไหวที่จะฝึกรู้ที่จะฝึกเจริญสติหรือ 50, ว่าทำจิดทำโลกอะไรก็แล้วแต่นี มากจรงที ừ, th là, ch chưa chưa? ่แล <Đ ã. S 1> ้วาจารช่วยชี้นก็ได้ไปตรวจสอบตัวเองบ้างน้ก็ดีเจอครูบอาจารย์าายท่านองที่ได้ยินครั้งที่แลเป็นแรงครับผมได้ยินคเออ ก็มีท่านหนึ่งที่แนะนําให้เป็นการทํางานก็ไม่ใช่ทานเดียวเขาก็เวลาจะจะจะฟังท่านแล้วก็ลองเอามาปฏิบัติท่านก็บอกให้กระทุกกระแทกอารมณ์เข้าไปเลยให้อะไรอะไรมันออมาให้เาเห็นอะก็จะใช้ไปแต่จนก็ไปเป็นเป็นการทํางาน ย็ยอมรับว่าหมอยู่สายหนุ่มข้เทียนก็ได้ได้พบกับหนุ่มขเทียนได้ปฏิบัตกับท่านนี่ก็เห็นว่าท่านไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยเน้นการสวดมนตเน้นการปฏิบัติช่วยง่ก็จะทาตามจะรวัดของท่านก็จะเป็นปฏบัไม่ค่อยสวดมนต์เท่าไหร่สวดชั้นๆทุกวันนี้ก็เองสวดชั้นส้นแค่เอานงสมาโนมุตจะส แลก็จะนั่งสมาธิบ้างโดืที่ว่าช่วงปีสองปีสตื่นขึ้นมาเนี่ยช่วงสั้นไม่ได้ยาวใช้นงินก็จะระวลก็เดจมกก็เดิน้าแต่ก็ช่งันยอมรับว่าปฏิบัติไม่ลงจะมีลินกันมากจะเห็นอาการจิตของตัวเองหนกยบ่อยๆอาการภายในทีเรก็จะเรียนรู้จากตรงนั้น จะรู ờ, ้ส <hhh> ึกตัวเองประมาณมากไปก็ก็จะสวดบทอธิโมฆะเตือนเตือนตัวเองคือพอไม่ฉีทํางานแล้วรู้สึกอะไรก็หนักหนักอะไรเนี้ยมันจะมีอาการข้างในนะที่คล้ายๆอดครัวอยู่ข้างในมีอาการร้อนอนอยู่ข้างในคล้ายๆว่าเรารู้สึกว่า ห <cin stereotype> น<า> <ia> <S <s <girlfriend> <S à, ักแล้วแพ่แล้วรู้ว่าตรงนั้นเนียมันอย่างที่ผมบอกกันก่อนมันเป็นการแสดงสภาพทุกข์เป็นความทุกข์ทางใจที่มาจากทุกข์ทางตายแล้วก็ทีนี้ถ้าเราไม่เคยชินที่จะเห็นโดยความเป็นภาวะทุกข์เนี่ยมันก็จะมันก็จะจิตเนี่ยมันก็จะไปยึดอยู่อาการกดควรอยู่ข้างใน แต่าใจใช่ไหมพอมีคำร่างร้องอะไรขึ้นมาจากข้างในเนี่ยมันก็จะไปรู้สึกจับแน่นอยู่กับตัวนั้นเน่ยแล้วก็ยึดติดอยู่กับตัวนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มเห็นว่าเอออาการหมดพวนมันมาจากความรู้สึกทุกข์มันมาจากความรู้สึกทางกายที่ผมเห็นมันเหมือนกั่ยกนอนยกนี่แล้วเรารู้สึกเหมือนไงสภาพร่างกายเรามันมันตอบบางอ่ะมันมันตอบบางกว่าเอ็น้ําหนักที่ เราเราก็จะรู้สึกอกรธทวนอ่ไหมันมีเป็นธั้มชาติของมนุษย์ที่จะเกิดความรู้สึกของต่างตัวเองขึ้นมานี้ลักษณะของความทุกข์แบบงนักเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราฝึกที่จะมองเนี่ยอย่าไปฝึกแบบเหมือนให้เห็นภาวะทุกอย่างเดียวนะให้เห็นว่าตัวเนี้ยมันแตกต่างจากภาวะสุขอย่างไงเกิดความไม่สี่เกิดความรู้สึกปว่าิเกิดความรู้สึกเบามันแตกต่างกันอย่างไรนะมันจะได้ดูทั้งดูได้ดูออก ทั้งทั้งสองขัวขั้วของความเบาพัวของความสุขแล้วก็พัวของคามหนักพัวของความทุ๊ขตัวเนี้ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปแต่อย่างพอวันวันก่อนพอไม่ชีอที่ที่เราคุยกันเนี่ยมั น, ม, นมันเหมือนเขาเริ่มเห็นอาการปวดปว ด, ดแต่ก่อนมันยึดอย่างเดียวแต่ตอนเนี้มันยังน้อยมันเริ่มเข็นว่าเอ๊ะมันมันเป็นส่วนเกินขึ้นมาของความ โอเคตอนตอนตอนที่ไม่ชีเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้นิย า, ยามชัดเจนอะไรอย่างที่เรามาอ่าุยกันอยู่ตอนนี้นะแต่ไม่ชีเราไปสังเกตดูนะแต่เดิมเนี่ยก็เกิดอาการอดทวนเนี่ยมันจะยึดแน่นอยู่อาการอดทวนนั้นแต่ยังช่วงที่ผ่านมามันจะคล้ายๆมีอาการอดทวนอยู่ จ, จางๆแต่ว่าเราเห็นสภาวะทุกตัวความทุกมากกว่าเข้าใจไปไหมแต่เดิมเนี่ยมันยึด คำอดรว น, วนแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเออมีทุกข์ให้ดูมีภาวะทุกข์ให้ดูนี่คือสิ่งที่แตกต่างไปและมันจะแตกต่างไปอีกถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบเออตอนที่มีความทุกข์เนี่ยมันมีระดับความมืดไม่เท่ากันนะถ้า ม, มืดมากคือเรารู้สึกจมเบกออกความเศร้ามันจะลึกย้อนของมนธีเนี่ยซชอบลึกย้อนนั่นดีพอเกิดความเศร้าแหม แต่พอเกิดความสุขเนี่ยมันจะนึ่งติถึงอ น, นาคตรู้สึกว่านิพพานเป็นที่หมายแล้สวรรค์เป็นที่หมายมานิทารเป็นที่หมายแน่นอนมันจะรู้สึกอยู่อย่างนี้ถ้าเราเห็นความจริงตรงนี้มันมันจะรู้สึกอย่างเนี้คล้ายๆเราได้เห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นแค่ความจริงบางส่วนที่ผ่านมามันเห็นแค่ความจริงที่เราต้องการจะเห็น มันมันรู้สึกดีก็จริงนะแต่มันกลายเป็นความพอดีแล้วมันยึดไม่ใช่ดีแล้วมันเปรียบเทียบกลายตรงที่มันไม่ดีนะเห็นความไม่เที่ยงไปนั่นเองตรงนี้นะครับอีกข้อหนึอาจารย์การใช้ music therapy ปี2018ถ้าจุดมุ่งหมายของเราไม่ได้จะเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลิมมันก็ไม่ถึงขัิดนะฮะแต่ว่า ม u s สิควาล์ p y ี้เนี่ยคือโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะกลอบจิตให้เคริ่มนะโดยโดยโดยตัวโดยตัววิธีการดั้งเดิมเพรเขาต้องการให้จิตของเราเนี่ยไปยอมติดอยู่ดนตรีเพื่อให้เกิดความบ่อนปลายเพื่อให้ดนตรีในแบบที่มันจะทำให้เราลืม เรื่องเรียเร่ยนๆหรือว่าเรื่องที่มันไม่น่าพอใจนะีไปปลูกอยู่กับเสียที่น่าพอใจแทนมันก็ข้ามเกี่ยวกันไปได้หนึ่งคือเราไม่ได้ตั้งใจฟังตรีด้วยอาการเสพติดแบบต่างโลกที่ต้องการความันเทิ่มแต่ถ้าหากว่าใจเราไปยึดใจตัวเทปที่ชนิดนี้มากเกินไปมันก็มันจะยอมให้จิต เ, เพิ่มอยู่กับ อารลณ์ทางเสียงได้โอกามันมีทั้งผนผลดีผลเสียยำยำพักทํมามอาญาก็ใช่นะใส้แต่จะเป็นเหมือนเสียงระฆังอย่างระฆังที่มีความไพรอะมากๆรนะคันระคังเนี่ยาทีจะสร้างขึ้นมามันมีวัสดุน้ำหนักว่าขนาดเส้นผ่าเอวดการไที่เขาจะบอกเลยว่าเออเนี่ยถ้าทำขึ้นมาได้แบบนี้ตามสเปคนี้ เสียงจากดวงวันเพราะเหมือนกับเสียงคลิของมาจากตะวันเลยนะนี่มันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับจงใจทําให้เข้าไปยึดติกับเสียงได้เหมือนกันเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือถ้าดูแล้วเน่ใจของเราไม่ได้ไปรุ่งหลงไม่ได้ไปวิ น, นหาอยู่ตลอดเวลาใช้เป็นบางโอกาสที่ทเราเห็นว่ามันมันเวิร์กนะอาจารย์เอาเราออกมาจากีภาวะทุกข์อะไรได้ก็อโอเค แต่ไม่ควรจะไปยึดเป็นสตานัะสิ่งที่ควรยึดเป็นสตานั้คือลมหายใจเข้าออกอยางที่นักปฎิบ็ตสอนให้เราเป็นยัต้องมีคนอย่างกรณีทานองสารัญยักเนี่ยก็มีการถกเถียงกันมาหลายร้อยปีแล้วว่ามันควรหรือไม่ควรยังในคำวินยในตัวหนังสือก็มีที่มีในข้อวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทานองสารพัญยักษ ยากให้ทำใจให้สวดได้ก็อันนี้ก็เป็นราละเอียดีย่อคือคําว่าสารพันย่าจริงเนี่ยโดยโดยเนื้อหาเนี่ยคือการร้องเพลงนั่นเองแต่ร้องเพลงออกมาไม่ใช่เพื่อความไพเราะหรือว่ายั่วยวนให้เกิดไอ้ปิเลตแบบโลกโลกแต่เป็นการทำให้จิตเนี่ยมันบรรเทาความรุนแรงลงมาูุ้บปิบอยู่กับอะไรบัญญัติงที่หน้าที่น้ารื้โดด พระพันยาณี่มีตัางแต่ในสมัยพุทธเจ้าอล้วคก็ไม่ทราบเป็นตอนแรกผมผมไม่ทราบก็มีเจอในยก็ได้รู้ส่งนี่แหลก็เป็นข้อวินัยเด็กบอกว่าสอนพระพันีาคือคือมีข้อวินัยเกี่ยวกับการร้องเพนะว่าบอกวาสพระพันยาณี่ระับสวัสดีครับผมรู้เคยมาครั้งแร้ก็แค่เพิ่งพูการครั้งแรกครับผมปฏิบัติมาได้สักหนึ่งปีแล้วครับก็ ทำในรูปแบบทุกวนันมาวันละสองถึงาครั้งแล้วก็ตามรูตม้ตามดูในชีวิตประจำวันทุกวนันที่แน่นแต่ว่าที่ทำทามาที่ไปชมนาวันไหมครับ ตอนทั้งสมาธิเนี่ยมันก็มีเรื่องงานวผเข้ามาเพราะว่าชีวิตต้ออยู่ในงานที่ผ่านมานะวันๆเนี่ยนเหมือนกับจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันสร้างความโดยชินมาที่จะเอางานบาิดคำว่าเอางานมาคิดเนี่ยหมายความว่าอยู่ๆก็มีรายละเอียดตีย่อยต้องเรื่องน้อนเรื่องนี้แวบเบข้ามาทีไรสักที่ไรสัก แล้วเราไปให้ความสําคัญกับมันคือเห็นมันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตอ่ะว่าคือถ้าทํางานมากมๆาคิดเกี่ยวกับเรื่องงานมากๆเป็นของดีความเป็นจริงเรามาแบบนั้นนะอย่างตอนนี้มันจิตมันค่อๆเห็นความแตกต่างไปพอพูดพอพูดเรื่องไอ้ความเปสิทธิงเกี่ยวกับการคิดเรื่องงานไปเรื่อยๆคล้ายๆเราเข้ามาอยู่กับภาวะความจริงในตัวแล้วคล้ายๆมันสลายตัวไป รู้สึกใช่ไหมแต่ตอนนั่งสมาที่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยคือเราตั้งใจตั้งใจทํำสมาธิแต่ไม่เข้ามารับรู้ความจริงเกี่ยวไรขึ้นความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วตอนที่มันยังหมุอ น, หนอยู่ในหัววอกวนอะยู่ในหัวเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้สึกถึงมันเข้าใจใช่ไหม คอยก็คือว่ามันจะไม่หายไปเราจะไม่ทําสมาธิจริงเราจะไม่ภาวนาจริงตราบใดที่เรายังไม่เข้ามันเหความจริงเกี่ยวขับคลื่นความคิดที่มันคอยวกไปหาเรื่องหนานแต่อย่างเนี้ยพอเราพูดถึงมันนะคุณท็อปทวนมันเกิดความสุกเกี่ยวกับคลื่นความคิดตรงนี้แล้วมันสลายตัวไปนั่นเขาว่าเราเห็นตัวมันมันสึายตัวไปทีอยู่ จำไว้ว่าเราเห็นอะไรสิ่งนั้นมันยังค่อยๆหายไปให้ดูแต่ถ้าเราไม่เห็นนะอย่างเมื่อกี้เนะี่ยทําหน้าตั้งา ต, งตามประมาณนี้ยไปดูไปฟังตามที่ผมพูดเงี้ยนะแล้วก็พยายามทำให้ตรงนี้มันก็ไม่หายไปไหนยังคงบนเวียนอยู่ตรงนั้นนะเหมือนกันเวลาไปทำเองจะทําที่บ้านหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะนั่งปรสมาธิไม่ว่าจะเจริญสติ คุณมต่ตรงนี้ตรงที่มันเป็นคลื่นความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วลักษณะขึ้นความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยที่จะปรากฏในหัวของคุณเนี่ยลองสังเกต ด, ดูยอย่างนี้นะมันจะเป็นอาการขุดขึ้นมาเป็นมันมันจะรู้สึกถึงความหนาแน่นของคลื่นความคิดเพราะว่าเวลาคุณคิดเรื่องงานเนี่ยจะมีโฟกัสจะเอาอยัางไงจะแก้ยังไงมันรู้สึกเหมือจะจะมองเห็น ไล้ายว่าเราเราทํางานแบบขึ้นใจเนี่ยว่าขั้นตอนเนี่ยจะต้อ ง, งนี่หนึ่งสองสาเพระั้นเวลาที่มันขุดขึ้นในหัวแม้กระทั่งไม่ได้อยู่ต่อหน้าแบบไม่ไม่ได้อยู่ตรงแน่งนานมันก็เหมือนกับกระจ่างชัดเราเห็นหมดเรารู้หมดเราก็ใจหมดเนี่สังเกต ง, ง่ายๆเลยเครื่องความคิดมันจะขุดขึ้นมาอะไรชัดเจนแล้วก็ลองอยู่ยนะต่อไปพอน เราใจอยู่อารมหายใจหรือว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ ท, ที่มันเป็นประโยชน์นะในทางปฏิบัติในทางการภาวนาแล้วเกิดคลื่นความคิดตรงนี้ที่มันโฟกัสขึ้นมาในหัวให้รับรู้รับรู้เหมือนที่เราคุยกันตอนเนี้ยคือรู้ว่ามันเกิดขึ้นในหัวมันจะได้หายไปให้ดูอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นตัวมันมันจะหายตัวให้ดูแล้วก็จะได้เห็นความไม่เทียง ด้วยการดูอยู่อย่างนี้เท่านั้นมันถึจะเปิดทางให้ดูอย่างอื่นได้ไม่งั้นเนี่ยมันมันมีแต่ตัวนี้ล็อกอยู่และจิตมันจะแข็งแข็งอยู่ตลอดคุณจะรู้สึกไงว่าภาวนาไปเนี่ยมันไอที่มีความสุขน่น้อยส่วนใหญ่เนี่ยมันมันจะคล้ายๆอ่ะต้องตั้งต้องตามใจต้องต้องแข็งขืนอยู่กับมันนะ ทำงานเกีอะไรท้านทำงานเกิดวอะไรลถไฟ่ายมันมันชี้เกี่ยวกับเรื่องมานเยอะหรือรเนยปัจจุบันถ้านไม่คิดครับปัจจุบันไม่ได้คิดแลครับที่งานไม่เข้ามาใรสมองเลยครับที่าไม่มีในสมองเครับปัจจุบันแล้วแล้วที่ที่เวลาเวลาที่มันคิดขึ้นมาเทีย่ยงตาเพิ่มยังยังเวลาภาวนาเนี่ย คือรู้สึกใช่ไหมว่ามันมีคลื่นรำควนอยู่ในสมองเนี่ยบางจังหวะก็จะนิ่งว่างบางจังหวะก็จะจะตึงๆที่ที่สมองอยครับเหมืนก็ที่ตะกี้ให้นั่งก่อนที่จะเริ่มเริ่มอันเนี้ยผมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนตอนที่กตันจะหยุดนั่งมันจิตมันกำเริจะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ต้องกำหนดรู้มันแล้วก็ลงมาอันไม่เคยเป็นเป็นเป็นนี้ครั้งที่สองที่เป็นครั้งเดียวแเป็นครั้งที่สง แต่รู้สึกใช่ไหมว่าในหัวมันมีอะไรแข็งๆอยูครับนิดๆไม่มากแต่ว่าบางช่วงก็จะรู้ความว่างน<ม>ี่ครั้งหนึ่งเคยเดือนสอเดือนที่แล้วเคยนอนแล้วก็มันก็นอนไม่เหมือนกับมีสตนินอนไม่หลับออกมาเห็นตัวเองรู้สึกว่าตัวเองนอนนอนนอนอยู่เห็นตัวเองนอนหาใจอ<ม>ยู่ไดเห็นแค่ทีเดียวแล้วก็ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งคืนไม่หลับเลย นี้คือถ้าจะแบบเมื่อกี้ผมพูดถึง้เรื่องคลื่นความคิดเนี่ยครับจุดกันถูกแนะ่ต้อเขา้าใจนะัะไอพี่รู้สึกว่ามันสลายไปอะให้ไอตรงนั้นเข้าใจดีนะว่าพูดถึงตรงไห น, นดูอย่างไรให้บ่อยๆเพราะว่ามันจะไปทําให้อคุณภาพของคิดเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆไอไอตรงที่ไม่รู้ว่าเกิด ตัวความคิดล็อกอยู่ในหัวเนี่ยมันทําให้เวลาที่เราตั้งใจภาวานาเนี่ยมันเป็นอาการแข็งขืนท้กหมดเลยพอาะเพรามันเหมือนกับต้องฝ่าด่าดดานหรือคลื่นตบงเนี้ยเข้าใจใช่งไหคือคล้ายๆว่าจิตเราไม่พร้อมที่จะรู้มันจะรู้สึกอยู่มันมันเหมือนมีอะไรวาดรู้สึกไหมรู้สึกถึงอะไรที่มีวาดอยู่ตอนตอนที่เราจะเริ่มเข้ามาน้ำหนึ่ง จะดูลมหายใจหรือจะตัวอะไรก็แล้วแต่มัน ม, นมนคล้ายๆจะมีช่วงแรกคลื่นอะไรควาอยู่ทีนี้ถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนที่มันรู้สึกว่างได้ก็เพราะว่าเราเปลี่ยนจากความสนใจใความคิดหนึ่งหัวเนี่ยนะมามาอยู่กับหายใจได้แล้วมาอยู่กับป่าเท้าําอยู่กับความือะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วแล้วมันค่อยๆเกิดความสึกเบาๆๆลงมาอันนี้คืออย่างคื่นความคิดแบบนี้เนี่ยที่มันที่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นปลุมก้อนหนาแน่นอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเพราะว่าเราคิดเกี่ยวกับเรื่องงานต่อเนื่องในช่วงที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะมันมันเหมือนการล็อกพอโฟกัสอยู่กลางงานแล้วเนี่ยมันมันจะไม่ไปไหน แม้กระทั่งว่าเดินเขินปกติไม่ได้อยู่ต่อหน้างานเนี่ยเคยรู้สึกใช่ไหมมันเหมือนเกับเรื่องงานเนี่ยมันจะนเวียนอยู่ในหัวตลอดในช่วงทํางาน น, นะฮะหืออะไรมันมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือ ค, คิดแต่เรื่องงานมันมันไม่ค่อยมีในใจคิดเรื่องอืง่นเพราะว่าผูกหัวอยู่กับคนเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานมันมีอัปเดตอะไรอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็เลยเกิดความสนใจ อยากจะรู้คนอยากจะรู้ผลอยากจะรู้ผลไปเรื่อยๆตัวตัวนี้มันกลายเป็นคลื่นที่มันเกิดขึ้นบ่อยถ้าเราสามารถเห็นมันได้ถึงแม้ว่าตอนนี้บอกว่าไม่ได้ทำงานแล้วว่าตายแต่มันมก็ยังเกิดขึ้นคือมีรูปแบบความคิดเดิมๆปรากฏขึ้นในหัวถึงแม้ว่าจะไม่ได้คิดเรื่อางานเระตายแล้วแต่ น, นี้อันนี้จุดตรงกันหคือ คือมันจะมีนึกหรือออกใช่ไหมคือคือแม้ว่าไม่ได้คิดเรื่องงานแต่คลื่นความคิดมันเป็นแบบเดิมตอนที่ยุ่งยุ่นอย่างแบบนั้นเจ้าการการงานคอยคอยแบบสนใจว่ามันจะอัปเดตยังไงมีข้อมูลมีผลอัพเดตยังไงตัวนี้ลักษณะแบบความคิดอย่างเงี้ยที่มันจะฝวนไม่ให้จิตมีคุณภาพพอที่าะรู้เข้ามาได้แบบในงานมันต้องแข็งขืนก่อนจิตมันเลยแข็ง ก็ง่ายๆถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของคลื่นมามคิดตรงนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะที่ปฏิบัติมันใช้ได้แล้วทั้งที่แล้วแนะนำแล้วเราก็ปฏิบัติอะไรก็เห็นความเป็นทางานเห็นว่ามีความสุขในการใช่ใช่เพราะมันมันเข้มแข็งขึ้นมันเหมือนแอะไรไม่ได้เก็บกดไม่ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรจากการท่ามใจ คือคือแต่ก่อนเนี่ยน้องจะเหมือนกันขัดแยง้งอระระหว่างว่าเราจะเอายังไงทางสว่างกับทามบันเทิงอะไรอย่างเงี้ย น, น, น, น, น, แนะแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ที่จุดป น, นีปนอมอ่ะมันมันมันไม่ได้อ่อนมันไม่ได้อ่อนแอนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคือไม่ดนนได้แข่งกันได้ตรงนี้ใช้ได้แล้วก็พูดถึงเฉพาะตรงนี้นะตรงจุดนี้นะเริ่อเรื่อง ความสว่างเรื่องการบันเทิองอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นอิปนอรที่มันใจได้สติที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะมาจากจิตที่ควรจะให้ออกมาจากจิตที่สว่างมีความมีความความรู้นะอย่างเช่นตอนที่เราเมื่อกี้เนี่ยใช้ได้เลยนะตอนตอนที่นั่งสมาธิไปมันมันมีความสว่างออกมาแล้วก็ ถ้าเราอาศัยความสว่างแบบนั้นเป็นตัวตั้งต้นในการรับรู้ในชีวิตประจวัอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเราเต็มใจคือมันมีความเต็มใจที่จ ะ, จะเจริญสติจริงๆไม่ใช่เหมือนกับยื้อระว่างจะไม่ใช่แบบเราจะต้องทิ้งการบังเทิเทเงอะไรไปซะเลยนะคือคือมันแค่แค่แบบเราเรามีความสาว่างตัวนี้เนี่ยเป็นหลักใจ เป็นชัยภูมิเป็นที่ตั้งของการจเจริญติแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยพัฒนาขึ้นติเองมันจะพัฒนาไปจากของเราเนี่ยเรารู้ตัวอยู่แล้วคืออะไรจะพัฒนาได้มันต้องมาจากความพอใจรู้สึกพอใจรู้สึกยินใจรู้สึกเต็มใจอยู่ข้างในแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆเดินหน้าไปอันนี้คือเห็นเลยนะคือพอจิตเราสว่างจนะิตใหญ่ะได้ถ้า เราไปเพลินไปหลง อ, อยู่อะไรจิตมันจะกลายเป็นแบบมันเล็กเราจะรู้สึกเลยมันเป็นคนรพพลเลยแหมสวัสดีค่ะคุณที่อยากจะทราบก็คือว่าที่เคยบอกความมาว่าถ้าสภาวสิมันเป็นอย่างไรบ่อยก็ให้นางดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ก็ดูตัวค่ะพอดูดูเสร็จส่วนใ่มันก็จะเป็นจิต ท, ที่มันเป็นติดลบเช่นหมดหมองหรือเศร้ า, ห, าหรืออะไร สุ้งซานพอดูดสักครั้งหนึ่แล้วมาแล้วเราก็เริ่มดูดูดูวิ่งหายจะ ต, ตอนไหนคือท่อที่ผ่านมาผมไม่เคยที่ตอนนันหาสักเลยยายาปริยามค้นหาการหายเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยจิตมันจะไม่ไหวพอที่จะเห็นขนาดของความเปลี่ยนแปลงแต่มันจะมีความสา ม, มารถทุกคนที่จะเห็นความแตกป่งระหว่างภาวะจิตแบบหนึ่งกับภาวะจิตอีกแบบหนึ่ง เหมือนแบบที่พระพุทธเจ้าให้ดูแนะว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเข้ากับออกเนี่ยพอรู้อยู่เรื่อยมันรู้สึกถึงความแตกต่างเนี่ยชัดเจนเข้าในมีอาการร่าเข้าออกนมันมีอาการระบายออกเนี่ยอาการทําใจก็เหมืนกันอย่างของเราเนี่ยคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เศําหมองแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนเศร้าหมองแล้วมันมืนเลยแต่เนี่ยลองสังเกตถึงแม้ว่ามันจะเศราหมองเนี่ย แต่มันยังมีความสดชื่นบางอย่างเหลืออยู่มันยังมีความรู้สึกถึงความสดบางอย่างเหลืออยู่มันไม่ตั้ำหงแบบมืนมืนมิดไปทั้งหมดที่ใจนะฮะคือแต่ก่อนเราไม่มีการปฏิบัติไม่มีธรรมะอยู่ในใจเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่มีความชุ่มชื่นอยู่เลยแต่ตอนนี้มันมันยังมีความชุ่มชื่นว่ามันมันยังมีกําลัง ตัวกำลังตัวนี้แหละที่จะบอกเราได้ว่าลักษณะความหม่นหมองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหม่นหมองมากหรือน้อยถ้าถ้าหากว่าเรารู้สึกมืดมิดเหมือนแมื่ก่อนนะก็แปลว่าไอ้ตัวนี้มันหม่นหมองมากแต่ถ้าหากว่าเราหม่นหมองแต่ว่าข้างในรู้สึกยังมีกำลังอยู่อย่างนี้แสดงวอาไม่มากนะไม่มืดเต็มที่อันนี้เห็นไหมเป็นความแตกต่างนะ มันสา ม, มารถแบบ่งออกเป็นความหดหูหรือความหม่นหมองเป็นระดับตา่ตางๆระดับที่ต่ทุนระดับที่กลางๆนะระดับที่นิดหน่อยถ้าเราแค่เห็นความแตกต่างนี้ไดเ้เรื่อยๆสังเกตเห็นความแตกต่างได้อย่างนี้ในที่สุดสติมันจะสา ม, มารถรู้สึกนะคือคือเขาเอ้าไปเห็นว่ามันไม่เหมือนกันมันแตกต่างไปอย่างอย่างตอนเนี้ จะงงๆอยู่นะคือคือเหมือนค่ะเข้าใจที่พี่พูดแต่ว่าก็พยายามทบทุมวน่าน้าตามของเราจะเป็นคนเนี้ยทําอะไรแบบเป๊ะคือต้องเข้าใจเป๊ะเลยมันมันถึงจะพอใจนะคือแต่แต่ที่พี่พูดเนี้ยมันมันแค่แบบทําที่นึกออกแบบลางนะใหญ่อย่าไป น, นึกออกให้มันเป๊ะคือฟังที่พูดเนี่ยมันเข้าใจอยู่แล้ว สว่างหมดภูเหมืนอนของมีหลายลระดับถ้ามืนมิดมืดตื้อเลยนะมันจะไม่รู้สึกว่ามีความชุ่มชื่ออยู่เลยไม่รู้สึกเหมือนมีกําลังเหลืออยู่เลยแต่ถ้าหากว่ายังมีความสว่างยังมีกําลังยังมีความชุ่มชื่ออยู่บ้าง น, นั่นแสดง ว, ว่ามันไม่หมดภูเต็มที่ซึ่งช่วงหลังๆมันจะเป็นแบบนั้นมันหมดภูจริงแต่ว่าไม่ทั้งหมดมันมันจะเหมือนมีกําลังพอที่จะงู ห, หวัวขึ้นมาได้ถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงอาการหมดภู ว่าเนี่ยตอนนี้กําลังกดปูอยู่ไอ้ความกดปูเนี่นจะกลายเป็นสิ่งถูกรู้ทันทีถูกรู้ว่านี่คือภาวะแบบหนึง่งที่มันกดปูไม่เต็มที่นะสังเกตไปเองเนี่ยว่ามันแตกต่างกไปยังไงในแต่ละราาคคั้งกดปูมากกดปูน้อยกดปูแค่นิดหน่อยถ้าเห็นอาการแตกต่างไปเรื่อยๆสติมันก็จะเพิ่มกําลังมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน และในที่สุดมันจะเห็นแต่แค่ว่ามีมีแต่อาการกดขู่แค่นิดหน่อยเกิดขึ้นนั่นพะอะไรเพราะกาลังสติของเราเนี่ยมันมากขึ้นนะคือเวลามันตกมันจะไม่ตกเต็มทีมันตกแค่นิดนึงแล้วถูกรู้ทันทีอันเนี่ยตกลงนิดหนึ่งตรงนี้แหละที่มันจะค่อยๆเห็นเป็นความไม่เที่ยงคือเริ่มจากการเห็นคว า, ามแตกต่างในแต่ละภาวะเข้าใจนะ พอจาีอีกยังไม่เคยเห็นตอนที่นหายที่งเลยมันงใหายไปแล้วคือคือตอนตอนที่หายไปถ้าเราไปตั้งใจเห็นมันจะไม่มีทางเห็นแต่เริ่มจากอย่างนี้ก่อนว่าเราสังเกตออกว่าเนี่ยคนปู่แม่คนปู่น้อยคือมันจะเป็นมันจะเหมือนเนีเราเข้าไปในห้องมืดถ้าเรารู้สึกว่าห้องนี้มืดตืงอเลยกับห้องเนี้ยมืดแบบมีแสงะว่างรางๆรอดเข้ามา กอีห้องหนึ่งเออมันสว่างพอสมควรแต่มันยังสลัวสลัวอยู่ไม่สว่างเต็มอย่างเงี้ยเหมือนเห็นเป็นห้องห้องก่อนก่อนแรกคือห้องแต่ละห้องเนี่ยมันใ้สว่างนะมากสว่างน้มันแล้วแต่ว่าแสงสว่างอยเล็ดลอดเข้ามาได้แค่ไหนใช่ไหมแต่ห้องแต่ละห้องเนี่ยมันไม่ได้มืดอยู่ตลอดเวลาใช่ั้มถ้าแสงถ้าขึ้นอยู่ช่วงวันตอนเช้ามันสว่างน้อยพอสายหน่อยมันสว่างมาก แต่เริ่มต้นเราต้องสังเกตจากตรงนี้ก่อนเขียนความแตกต่างของห้องแต่ละห้องให้ได้ก่อนบางห้องมืดมากบางห้องมืดน้อยบางบางห้องคือแทบจะไม่มีความมืดเลยถ้าเราไม่สังเกเงตเขียนความต่างมันจะไม่มีสติไวพอที่จะเห็นว่าเนี่ยมันค่อยๆสว่างขึ้นนะมันมันมันจะเหมือนแกนไปล็อกติดอยูแบบความรู้รสึกว่าทํำยังไงนะถึงจะเห็น ขนาดของบวามเปลี่ยนแปลงไม่มีแต่ความสงสัยขอพุ่มอยู่เข้าใจปคอยนะแล้วบางครั้งตอนที่ดูจิตมันก็สึกว่าเราเพ่งมากจนมันเพ่งน่าจะเพ่งเกินไปจนหมือยแบบมันจะตั้งใจก็รู้ว่าเรเป็นคนขี้ใจมันยึดมั่นถูกมั่นทั้งใจแหลกะแต่แต่อย่างตอนเนี้ลองลองดูอ่ถามความรึกมันรู้สึกสว่างไห ใช่ไหมรู้สึกเบาไมัมเพราะ อ, อะไรรูป้ป่ะไม่รู้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราอไปไงภาะวาานะทางอารมณ์ที่มันยึดที่มันยึดแรงแลว้วก็คอยแต่จะเอาเอาให้เห็นให้ชัดๆคือขึ้นมาเนี่ยเราไม่เราไม่ไปขึ้นมาตามลำดับเราจะกระโดดก้าวกระโดดขึ้นไปถึงขั้นที่มันยากเลยนี้พอเราค่อยๆปลดล็อก ว่าโอเคไม่ต้องไปเห็นตรงนั้นเอาเห็นเฉพาะตรงนี้ก่อนไอ้ที่มันเป็นสิ่งที่มันสามารถเห็นได้จริงๆรับรู้ได้จริงๆอย่างตอนเนี้ยมันมันมีอาการเหมือนมีอะไรบ า, างๆน้อยลงรู้สึกไหมมันมันบังเข้ า, าใจมากขึ้นกว่าตอแนแรกเนี่ยไอ้ตัวตัวที่เราสามารถเห็นได้ว่ากํกแมมาแพงมันลดลงนะตัวนี้ก็เป็นภาวะอย่างหนึงที่กําลังเห็นได้ในขณะ น, นี้โดยไม่ต้องไปคาดหวังอะไร คือเห็นความแตกต่างอย่างตอนนี้แต่ตอนแรกตอนตอนแรกที่ถามเลยมันมันเหมือนมีอะไรล็อกไว้ตอนนี้เหมือนเหมือนน้อยลงนี่ก็เรียกว่าเห็นภาวะแล้วคือมันไม่ใช่จะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมโอเคเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหรอกวม่มันเปลี่ยนมาตอนไหนมันสว่างขึ้นตอนไหนกาแพงมันร่นลงตอนไหนแต่เราเห็นความแตก น, นี่คือเบสิก เราต้องเห็นความตแตกก่อนอย่างเวลาพระพุทธเจ้าตอนปฏิบติฐานสี่ท่านให้เปรียบเทียบลมหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่นะนี่ตอนนี้กําลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วค่อยๆเปรียบเทียบลึกลงไปตอนเนี้ยสุขยังมีอามิสหรือไม่มีอามิสคือไม่มีเหยื่อล่อหรือมีเหยื่อล่ออยู่อย่างเงี้ยไอความทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์ที่เกิดจากการทุกข์แบบโล่งๆหรือว่าทุก ข, ข์เพราะว่าเออเราปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผลอย่างใจเนี่ยพระพุทธเจ้าค่อยค่อยๆให้เปรียบเทียบ ว่าไอ้ภาวะที่เราเห็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก่อนพอเห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วตรงนั้นสติมันจะค่อยๆ ค, คมขึ้นมาเองแล้วก็เห็นถึงรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงก่อนที่มันจะต่างมันจะมีรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นเองถ้าอย่างนี้ต่อไปคุณทํายังไงคะถ้าสติธรรมจิตมองๆเนี่ยคือมันเหมือน มันสามารถเห็นอลยรชัดๆได้เป็นอย่างอย่างอยูอย่แล้วยกตัวอย่างเช่นพอรู้สึกถึงอย่างตอนที่เราทำาัานเกิดความไม่พอใจแ ต, ต่ตอนที่มันค่อยๆตอนตอนที่มันทายออกไปแล้วเวลาที่ไม่พอใจมัจนจตัมันมันจะยึดแรงมันจะยึดแรง แต่ว่าปล่อยเนี่ยเหมือนไม่คิดอะไรดีกว่ามันเหมือนปล่อยแค่เลยตรงนั้นเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกว่าเปลียนไปตอนไหนรู้แต่ว่าเธอไอ้ภาวะอึดอัดกับภาวะที่มันโล่งสบายเนี่ยมันแตกต่างกันแน่ๆคือมันชัดเจนไงตอนโล่งมันโล่งเลยแต่ตอนอึดอัดก็เหมือนมีอะไรมาล็อกไว้อย่างนี้เข้าใจใช่ไหมค่ะเนี่ยเพเปรียบเทียบเห็นว่าเธอเนี่ยตอนตอนยังเกิดความไม่พอใจเคยตำปวดอยู่หน้าตามันเป็นแบบนี้มันล็อกติด มันรู้สึกมึนๆอีกตอนหนึง่งตอนที่มันปล่อยแล้วเหมือนสว่างเหมือนคลายเนี่ยเนี่ยเช่นเดียวเทียบไปอย่างนี้นเป็นนิยามก็ได้ว่ามันเป็นสุขแทุกข์เป็นยึดแต่ไม่ยึดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็นคําที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเ น, รราาเนี่ยสองภาวะเนี่ยมันมันบ่าไปแล้วเริ่มจากอย่างนี้ก่อนเอาเป็นขั้นๆแล้วก็ฝึกฝึกดูลมหายใจไป ว่มันหายใจเข้ามันหายใจออกเมื่อกี้เนี่ยตอนตอนที่ฝึกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับบางครั้งมันมันรู้สึกได้แต่บางครั้งมันจะเหมือนกับมีอะไรล็อกไว้เราจะรู้สึกเหมือนมีอะไรบล็กไว้ฟังไม่รู้เรื่องก็ดูก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคือสงสัยว่าที่ทํามาไม่เคยทำถูกต้องอะค่ะพราะเมื่อกี้ตอนที่ทำเนี่ยเพิ่งเคยเห็นลมหายใจเข้าออกเลยไม่ได้บั้งครั้งแรก ตรงนั้นเนี่ที่มันเป็นความรู้สึกมอนกับว่างโล่งแต่มันจะมีเป็นเป็นช่วงช่วงนึกออกไหมที่มันจะรู้สึกตื้อๆกลับมาตื้อๆเหมือนเดิมคือเหมือนกับไม่ได้ยินอะไรเหมือนกับมองไม่เห็นอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเวลาที่เราเปิดทำเองเนี่ยก็กลับไปดูสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างโล่งแต่รู้สึกทึบมันมันจะมันจะเข้ามาเชิดจิตตัวเองง่ายที่สุดนะด้วยวิธีนี้นะเพราะจิตของเราคือเวลาที่มันโล่งมันโล่ง ร่ลเลยเหมือนอย่างที่พี่พูดเนี่ยว่าตอนห า, ายไปมันรู้สึกว่าปล่อยละปล่อยแล้วไม่เอาอะไรละมันก็มันก็คลายไปแต่ตอนที่มันยังล็อกอยู่มันก็เหมืนอนในยึดกิเลสนั่นเน่ยเนีเป็นสองภาวะที่แตกตา่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจนเราก็เปรียบเทียบไอ้สองความรู้สึกที่มันเป็นขั้วตรงข้างบ่อยๆนะแล้วเวลาฝึกสมาธิก็ไปฝึก อ, อย่างนี้นะไอ้ที่ผมพูดไป ตอนช่วงต้นเนี่ยที่ไกล้เรื่องสมาธิเนี่ยะคือฟังได้ในเห็นเลย s าวค c าวคอมแคลชดัมปรินนีเอ็นจียีเอ็นะจะมีฝ่ายทั้งแต่เมตานั่งสมาธิแบบเมื่อกี้แล้วก็จลยยกโงด้วยนะคือฟังฟังไปด้วยแล้วก็ทำาจไปด้วยางนี้คนอื่เนี่ยคือตั้งตื่นมายูไหมคะเพราะว่าชิ่นี่เคยฟังมาทัา้งหมดนะคะที่ททในในที่สามที่ที่มันมีอยู่ใ น, นอีกเอน แต่ว่ามันไม่เคยทําได้เหมือนเหมือนตอนนี้พเพราะว่ายังไม่คเข้าใจแบบไหยลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยังไงแต่เมื่อกี้มันไม่เหมือนกับทุกครั้ที่ที่เคยทำมาก็ลเลยว่าเราต้องนับหนึ่งไหมไหมว่ามันไม่มีนับหนึ่งใหม่หรอกมันนับมาเรื่อยๆอยู่แล้วถ้ตรงนี้มันเพิ่งทะลุคือมันจะมีการสั่งของตัวของประสบการณ์ความเข้าใจแล้วก็ไอคุณภาพของจิตเนี่ยที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ แต่เมื่อกี้เนี่ยคือที่รู้สึกว่าเห็นเป็นลมหายใจเข้าออกเนี่ยนั่นแหละคือตัวอย่างของจิตที่มันปลอดปล่อคือตัวอย่างของจิตที่ไม่มีอะไรล็อกก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆวันนี้เข้ามาถามคือช่วงหน้าตาเนี่ย ลักษณะสภาพแม่เรากันแม่ค่อเอื้อกับการเจริญสติอะไรก็เลยสติริงจริงสติค่อยริตช่วงนึอ่าแต่ตอนนีมันมันตึงต้านน้อยลงอะไรก่อันเยอนี่ะก็เนี่ยคือถ้าเทียบกันเป็นปีปอ่ะนิจิตมันนุ่นนวลลงมากนะแต่ก่อนนิจิตแข็งแบบคือมันมันคือนลื่นสมองเราเนี่ยมันหมุนจีอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันมีช่วง นี่มันสโลโดาวออกมากเยอะครับผมแต่มันก็ยังร้อนๆ อ, อยู่ครจะมีช่วงที่กังขาสติอยา่ารุนแรงแล้วก็จะมีช่วงที่่มีสติแบบเหมือนกับเป็นคนละคนเหมือนกับเปน็นไม่ใช่ใชอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่ได้นุ่ด้วยอย่างนี้ครับผมอันั้นมันเป็นอาการหมกมุม่นแบบเก่าๆเป็นมีสัยทาิตแบบเก่า ก็นสนุกพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเทไหร่กับบริัทเดิมๆไอหนม่ค่อยไม่่เปลี่ยนไหแต่ว่าพอเห็นแล้วมันก็มันก็เนอยนะครับอาย่างนี้ก็การคือถ้า ถ้ามองเห็นนะว่าเมื่อหรที่อย่างอย่างตอนี้เขามานนุ่ ม, น, มนวลเข้าใจใไหยเข้าใจรู้รู้สึกว่านุ่มนวลกว่าปกติใช่ไหมสมองอ่ า, าพอมันมีอาการแกว่งมีอาการที่ทํางในมันดิ้นบานขุ้มาเม่อไหร่ก็ให้ดู้ทันว่ามันแตกต่างจากความนุ่มนวลตรงนี้ยังไงสำคัญคือว่า เราต้องอาจจะต้องเจริญสติหรือว่าวสมาธิอะไรมาแล้วแต่เป็นตัวตั้งเพืเเเพงง่อที่ให้เกิดตัวตั้นแบบเนี้ยเป็นตัวเปรีเที่ยบเป็นเป็นได้ประเด็นไหมก่อนเพรเนี่ยจิตที่พร้อมจะมีสติจิตที่พร้อมจะมีสมาธิหน้าตามหรือแบบนี้แล้วพอมันเริ่มแหวง่งหรือเริ่มกระโดดออกไปหรือแตกต่างออกไปจากาตัวนี้เนี่ยมันจะได้เห็นเป็นภาวะกลุ่แตกคือเพราะเพราะวินั้นเนี่ยคนเราเนี่ย ถ้ามันฟุ้งซานอยู่ตลอดเวลามันไม่มีทางจะรู้สึกว่าเราเกิดความตุต่แต่งขึ้นมาเมื่อไหร่เกิดภาวะพิเศษอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่นาทีไหนแต่ด้วยการที่มีตัวตั้งแบบนี้นะมันพร้อมที่จะเห็นว่ามันมันมันโอเวอร์ขึ้นมาเมื่อไหร่นี่นะมันมันแบบตกต่างไปอย่างตรงนี้เมื่อไหร่เพราะั้นเราสามารถแปไป้ายได้ทันทีว่านี่เกิดความตุต่มแต่ง อย่างแรงขึ้นมาแล้วและด้วยการเห็นอย่างนี้เนี่ยนะมันจะปรับมาหาความมุ่งมือนทันทีเข้าใจใช่ไหมคือเริ่มต้นตั้งต้นจากความมุ่งมั่นก่อนแล้วเมื่อเห็นอนาการปาร์หลอรเมื่อเห็นอาการที่มันมีความปรมุงสร้างแปลกๆขึ้นมามันจะรู้สึกแบบเนี้ยเชื่อเรียกว่าความตรุงแต่งของจิต เป็นความตรุงแต่งทางใจนะที่มันปรากฏให้เห็นชัดอะไรก็แล้วแต่ที่ปรากฏให้เห็นชัดอะไรอย่างนั้นมันจะแสดงความไม่เที่ยงอย่างรวดเร็ ว, วแล้วมันจะตกลับมาอยู่ในภาวะนี้แต่ถ้าเราปล่อยใจคือไม่มีการฝึกสมาธิเลยไม่มีการเจริญสติเลยลรู้สึกเตินเกิดแล้วก็หลงในการสิ่งยั่วให้เกิดการตร่นเต้น มันจะเริดแบบผหไม่กลับนี่อันนี้เราแค่เข้าใจผิดเพราะว่าถ้ามันได้มาได้ขนาดนี้นี่ไม่ง่ายขาดเนี่ยมันมันไม่น่ายากที่จะเห็อช่วงที่ทําสมาธิเนี่ยบางทีใส่เหต ป, ปัจจัยไป่เหมือนกันแต่ว่าผลที่ได้ประคำไม่เหมือนกันอย่างบางบางทีสมาธิเนี่ยได้ได้มาบ้างจนแบบทั้งทั้งมัน่นแต่ว่าบางทีเนี่ย ไม่ได้เลยตรงไม่ได้อะไรเล ย, เลยอย่าบอกตัวเองว่าที่สุดแปบลบแต่ให้บอกตัวเองว่าเราได้ไม่เข็นถึงความไม่แน่นอนในการทำสมาธิแต่ละครั้งเหตุปัจจัยเราใส่มาแค่นี้แล้วมันมาสุดทามที่ตรงนี้มันมันไม่ได้ควาสมสงบแต่ได้การสะสมความพยายามที่จะเจริญสมาธิ พอเราเห็นว่าตัวนั้นแหละที่เรียกว่าเป็นบา ร, รมีทงางป่าเพี้ยนเนะีเรายังเพียนอยู่ไม่หยุดนี่เรียกว่าได้แล้วได้บา ร, รมีเพิ่มอย่างน้อยนิดหนึ่งคือมันดูเหมือนกับไม่มากแล้วเหมือนกับไม่ปรากฏเป็นอะไรเลยที่จะต้องได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันสิ่งที่จับต้องได้ก็คือความรู้สึกว่าเรายังอยู่ในรูปอยู่ในทาง ไม่ได้ออกนอกทางไปไหนตรง น, นี้มันมันจะกลายเป็นกำลังใจว่าเรากำลังทำอะไรไดีๆอยู่ที่มันเป็นประโยชน์ไม่ได้หายไปไหนจพากทางที่มันเป็นประโยชน์นะครับก็มาครัร้งแรกนะคะแล้วก็ปกติไม่ได้ปฏิบัติธรก็เราก็จะทำชิมแนกคะ ก็ลองสังเกตอาการอย่างเมื่อกี้พอนั่งสมาี่ไปมันก็พุ่งไปด้วยคือมันทําตามไปนะแต่มันก็มีอาการคือคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่แต่มันจะมีคึื่นผ่ามรงสร้างขึ้นมาอเรื่อยๆในขณะเดียวกันบางบางทีเราก็รู้สึกถึงลมหายใจเป็นเป็นครงครั้งนะหรือรู้สึกถึงความสบายทางกายเป็นครังครั้งไอ้นี่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้น ที่เราจะเห็นเข้ามาในกายในใจที่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมที่มันคุ่งพุ่งพนะุ่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆตอนตอนที่ทำสมาธินี่รู้สึกไหมว่ามันมีความคงท่า้นขึ้นขึ้นมาอยู่เรื่อยเรืรู้สึกชันไหมเลยไม่ชานเลยแต่แต่แต่คือเข้าใจใช่ไหว่าความคงท่าหน้าตาเป็นยังไงคือมันแตกตา่างในตอนที่สงบยังไงนะ ถ้าเราสามารถที่จะเห็นว่าปกติเนี่ยเราอมีคลื่นความคิดมีความคงที่ฝุดขึ้นมาเรื่อยๆได้เนี่ยนะยังน้อยที่สุดมันทําให้ไม่หลบไปตามความคงที่มากเกินไปนะอย่างเวลาบางทีเรามีเรื่องทักวันหนึ่งเราเราเรามีเรื่องที่คิดมากี่ ขึ้นความคิดแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้นอนไม่ลับมันจะทำให้เบื่อแกาหยุดไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราค่อยจเจริญสติค่อยๆทำสมาธิไปละเห็นนะถึงไอ้ความคิดเนี่ยว่ามันเป็นแค่คลื่นรบกวนที่ปุดขึ้นมาเป็นจังหวัดจังหวัดมันไม่ใช่สาระอะไรที่เราจะต้องไปให้ความสำคัญแบบมากตรงนี้เนี่ยเวลาที่วันไหนมีเรื่องมีอะไรรบกวนจิตใจมากๆ เราจะสามารถผ่านไปได้ด้วยความรู้สึสกว่าสบายๆเพราะว่าคึนืนรบกวนหรือไอความคลสั่นเนี่ยมันจะปรากฏแค่เป็นอะไรที่เข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปเมือม่อเราหลับหาใจอันนี้ติดคอยที่น่าจะได้ ก็เริ่มปฏิบัติมาได้สักไม่กี่เประมาณด้วยประมาณปีนึงนะคะแต่ว่าก็ยังก็ยังรู้สึกว่าเดีย๋ยบางครั้งนั่งก็สงบบางครั้งนั่งก็ยังฟุ่นซ่านเราก็ยังรู้สึกว่าเวลาที่เราเออกมาใช้ชีวิต้องจำวันจริงๆบางทีเราเห็นอารมณ์ของเราะคะ่ะเราหยุดไม่ได้ะคะ่ะที่เอารมณ์ข่าบางทีเนะีนะ่ยใจเราใจเราจริงๆนะววมันจะว่ามันจะมันจะงหรือนกาบ คลาการนิ่งมากถึงมาได้กอสมแบบควรแล้วแหละแต่ว่านิสัยทำความคิดเนี่ยมันยังเหมือนเดิมคือมันเป็นคนคิดยุ่นหยิงแล้วก็อะไ ร, ะรไปเองไมน้อยเนี่ยเาหัวขอแน่คือคือไม่ค่อยาแะแบบแบ่งความสําคัญไม่ค่อยให้คะแนนมาเรื่องนี้สําคัญ น, น่าจนะโฟกัสความคิดหน่อยในเรื่องนี้นผ่านๆไปก็ได้นะ ยังเป็นน้องเบลินมากเดิมมาอะไรเนี่ยคือมันมันยังให้คะแนนกับทุกเรื่องเท่าๆกันคือโลกภายในเนี่ยมันเป็นความรับชอบส่วนตัวของแต่ละคนว่าจะมีวิธีชิดมีวิธีที่จะให้ชีวิตของตัวเองซึ่งเหมืนโลกภายในเป็นไปยังไงของเราเนี่ยมันเหมือนกับยอมตามใจความคิดหุนหิวไอไความคิดเล็กคิดน้อยอะไรเก็บมาหมดเมันก็เลยทำให้เหมือนกับยังรู ยึมั่นถือมั่นอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยใจใจของเราเนี่ยมันปล่อยวางมาระดับหนึ่งคือจะสังเกตได้ระหว่างวันเนี่ยบางทีมันรู้สึกสดชืน่นขึ้นไปได้เฉยแบบเหมือนล่อนคลายเหมืนการนิรักเหมือนแกล้มไม่เป็นคนไม่คิดมากเหมือนกับแค่เด็กเก่ายังไม่ถึงกับขนาดไม่คิดมากแต่ระบบความคิดวิถีคิดเนี่ยคือบางทีเนื่องจากไม่เคยชิน กา ร, การแบ่งหรือว่าให้แนแนยกตัวอย่างนะ้นอันี้เรื่องเพื่อนอันนี้เรื่องของแนวอนนี้เรื่องที่มันเป็นภาระหน้าที่ต้องโฟกัสอยู่ในขณะ น, นี้หรือว่าตรงนั้นเรื่องมันผ่านมาแล้วเรื่องมันยังมาไม่ถึงไม่ต้องไปคิดที่มากก็ได้เนี่ยคือเราไม่แบ่งทุกเรื่องเนี่ยเราใช้วิธีคิดเหมือนกันหมนคือปล่อยให้มันวนอยู่ในหัว นี่คือวิธีการคิดที่ผ่านมานี้ถ้าเรามองเริ่มมองเห็นถามตัวเองง่ายๆว่าเรื่องที่กําลังจุกจิกกวนใจอยู่เนี่ยเรื่องที่กําลังรู้สึกว่าเหมือนไงเอ๊ะไม่ไม่หยุดคิดสักทีเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเราเราค่อยๆค่อยๆแห่งเป็นเรื่องๆเลยนยอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้เรื่องเพื่อนของเราบางทีชอบเก็เรื่องเรื่องเพื่อนมา เหมืนเนแบบพอเขามาเล่าอะไรให้ฟังหรือว่ามาระบายมาปรับทุกอะไรเราคลอยพรงสร้างต่างเข้าไปอย่างเงี้ยนะไอ้นี่คือความไม่แบ่งแต่ลองสังเกตเราเราคิดเราว่าเป็นเรื่องของเราตรงนี้ถ้าหากว่าต่อไปครั้งต่อไปเรารู้ตัวว่าเราเป็นกาคิดหยุ่นหยิมคิดมากคิดื้วยเปื่อเกี่ยวกับเรื่อเพื่อนเราบอกตัวเองอันทีนี่เรื่องเพื่อน นีอยากสั้นๆแปบไปงี้ของมันสั้นๆว่านี่เรื่องเพื่อนตอนแรกอาจจะไม่ต้องไปจํากัดว่าเรื่องเพื่อนจะต้องทํำยังไงหรือว่านี่เรื่องของเรามันเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องขวันแววเรื่องอะไที่มันเกิดขึ้นแบบในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าถ้ามันค่อยๆแอบไปเลยทีละเรื่องนะนี่เรื่องนี่เรื่องที่ทํางานนี่เรื่องส่วนตัว นี่เรื่องที่มันจำเป็นต้องแก้ปัญหาให้ได้จริงๆแต่เรื่องบางเรื่องมันยังมาไม่ถึงของเราเนี่ยบางเรื่องมันยังไกลแต่แบบมันเก็บมาคิดเราแบบว่เป็นเรื่องของมันนี้อย่างเงี้ยนะพ อ, พอเราเริ่มที่จะจําแนกไอ้สิ่งที่มันอยู่ในหัวเราออเป็นพวกพวกมันจะมีสติมากขึ้นมันจะมีสติในการคิดมากขึ้นแล้วโดยไม่ต้องทำอะไรให้มากเลย คือพอตัวที่สามารถตัวที่มันมีความสามารถในการจำแนกว่านี่เป็นเรื่องอะไรตัวนั้นมันเรียกสติขึ้นมาอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องพ ย, ยายามเข้าใจพอยนะจากนั้นพ อ, เ, อ, อเราเริ่มเริ่มเห็น น, นี่เรื่องเพื่อน น, นี่เรื่องอนาคตนีเรื่องที่ยังไม่ต้องแก้ปัญหาตอนนี้ก็ได้เนี่ มันจะเริ่มฉลาดขึ้นคือพอคิดไปแป๊บหนึ่งมันจะหยุดมันจะจิตมันจะฉลาดขึ้นนี่เป็นเรื่องของจิตเลยนะไม่ใช่เรื่องของความคิดนะเพราะตัวที่จิตฉลาดตัวที่ทําให้จิตฉลาดขึ้นคือสติแต่วิธีคิดเนี่ยคือของเรามันมันมันคืยากมันมันคิดอยู่หยิบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะจะให้มันมาเปลี่ยนด้วยอุบายอย่างนั้นด้วยอุบายอย่างนี้บางทีมัน ไม่ไหวแต่แค่ทําให้จิตมันฉลาดขึ้นด้วยกันจําแนกแยกแยะเรื่องเป็ น, ปนพวกพวก ấy, แค่เน้ยจิตฉลาดขึ้นแล้วโดยไม่ต้องพยายามเข้าใจไปแบบนี้น ะ, นะะน้อสังเกตต่อไปว่าอาการหัวใจเวลาที่มันสามารถที่จะแบ่งเรื่องต่างๆออกเป็นพวกพวกได้นะี่คราวนี้มันจะมีน้ําหนักความยึดมั่นถึงมั่นไม่เท่าเดิม พอเรื่องที่จะต้องแก้ไขจริงๆเราต้องโฟกัสจริงๆใจใจมันจะรู้สึกเหมือนกับโอเคมีมีสมาธิให้กับตรงนั้นมันมันจะมีความหนักแน่นให้กับตรงนั้นแต่ถ้าเรื่องหยุ่หยิมเรื่องของคนอื่นเรื่องนานาคดเรื่องที่ผ่านมาแล้วแม้กระทั่งของเราเองเวลาที่เรารู้ตัวว่านี่เรื่องไม่ถึงเรื่องใจมันจะรู้สึกเหมือนกับไม่เข้าไปโฟกัสไม่เข้ามียิมเต็มที่ ไม่เคยไปจับไม่เคยไปเต็มที่นี่เห็นไหมเนี่ยอย่างใจตอนเนี้ยมันพอมันมีความเข้าใจมันรู้สึกเหมือนเหมือนมีสมาธิขึ้นมามันมันมีสมาธิขึ้นมาหน่นนอยโที่ไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปพยายามโฟกัสเพียวความอะไรแต่เกิดจากความเข้าใ จ, าจาก็จะใช้มีดที่มีอยู่เนี่ยนะไปเฉือนอะไรที่เกิดประโยชน์ เฉอนกเลไปเฉืี่เลยไม่ไม่งั้นที่ผ่านม า, าสอนอเมเราอีกเืองราเอ็ออมย่งเคยแบบพยายามนั่งสมาดีนะคะ่อันนี้คืออยากให้น่งได้นานๆแต่ว่าแบบเวลาหน้ามีสักึของของเรากานั่งให้นานๆมันยากเพราะว่า <c oughs> ที่ผ่านมาครับที่มันหยุ่หยิงเนี่ยคือพอพอนั่งไปมากๆเนี่ยมันจะเหมือนมีคลื่นความคิดไม่หยุดคอยครอบกวนตลอดเวลา มันยิบยิบยิบยคือถึแม้ว่าจะมีความว่างถึงแม้ว่าจะมีความสว่างอะไรขึ้นมาเป็นหลักพักเนี่ยแต่ในที่สุดเนี่ยมอนกลับมายิบยินี่ถ้าในชีวิตประจําวันเราทําอย่างที่พี่บอกเป็นแยกเรื่องต่างๆที่มันกําลังคิดเป็นพวกพวกนั้นเราจะเห็นผลเลยนะว่าเวลาที่เรามาปฏิบัติสมาธิเนี่ยน้ําหนักไอ้ของจิตมันจะมากขึ้น แล้วไอ้ความคิดที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะเหมือนถูกเห็นได้ง่ายขึ้นที่ผ่านมาก็เรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเกิดความรู้สึออกยิ้ยิ้ยิจยิ้ยิ้ยิ้ยน้ยิ้ยิ้ยเา้าิ้ยิ้ยเ้ยิ้ยิ้ยิแยิ้ยิ้ยิ้ยิ้ยินคิ้ยิ้ยิ้ยิ้ไินยิ้คิ้คิ้คิ้ยิ้ยิแยิ้ยิ้ยิ้ยิเกี่ยวกับเรื่ง ย, ยงความคิๆๆม่ลําดับความ้ยิ้ัิเนี่ ย, น ย, ย, นนนยันจิถูกวความคิ้คร้ยง้ยิ้ยว้ได้ไม่เลือกเวลา ใจ ข, ของเรามันเป็นแบบนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งคือใจของเราเนี่ยมันดูเหมือนกับพร้อมจะฟุ้งซ่านก็ได้พร้อมจะนิ่งก็ได้เราจะรู้สึกอยู่แต่เราไม่สามารถไปเลือกคือมันบอกไม่ถูกว่ า, วาวเวลาไหนมันจะนิ่งได้วเวลาไหนมันจะฟุ้งซ่านไปเหตุผลก็เพราะว่า อ, อ บทบทจาปล่อยวางเนี่ยเราเราปล่อยแล้วก็แบบจะเป็นมีความสุตทางใจอะไรเต็มที่อ่ะนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดความคิดมากขึ้นมาเราก็ปล่อยให้มันไหลาตามกระแสความคิดหยุดหยินเช่นกันเนี่ยตัวนี้ถ้าเรามองภาพรวมออกว่าที่บานมามันเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะค่อยๆค่อยๆให้ความสำคัญกัใจมากกว่าความคิดตี แต่น่แต่ก่อนเนี่ยมันมันให้ความสำคัญเท่ากันไงระหว่างความคิดถึงเย็นกับใจที่ก็เพื่งเริ่มเป็นผู้ปฏิบัตินั่งสมาธิได้ประมาณสาสีเดือนเองนี่ก็ในการปฏิบัติก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังปฏิบัติไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามีความตั้งใจ แต่วันนี้ตอนนั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่ามันรมมันมันเป็นความว่างขึ้นมาใหญ่ๆขึ้นมาแบบนั้นใช่ไหมเองที่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราทา่ามุมมองไปถูกต้องที่ผ่านมาท่ามใจมากเกินไปแล้วมันเหมือนกบบสงสัยลังเลยนี่พอที่พูดไปแล้วเราฟังไปเนี่ยมันเหมือนได้ไกดได้คนไปยช่วยประยุกถ้าเราก็คือมั่นใจเออเนี่ยกำลังเอาเอาแค่ตรงนี้แหละทำแค่ตรงนี้แหละใจมันก็เลยโฟกัส ดูการสิ่งที่ถูกต้องอารมณ์ที่ถูกต้องที่ผ่านมามันมันหัวแต่ลังเลสงสัยมัหัวแต่อยู่กับความเบื่หน่าบางทีมันมันมีความงสงสัยขึ้นมานิดนึ่งแต่เบื่อหนายปล่อยปล่จมอยู่กับความเบือหนแล้วไม่รู้ความเบื่หนะ่ายมันก็เลยมืก อ, อกายล็อกล็อกอยู่ตรงนั้นเราทุกวันนี้ก็ตั้งแต่รั่งสมาธิมีความแบบตั้งใจที่จะปฏิบัติเรารู้สึก มีมีสติคอยคำกับแล้วก็มีการแต่มันวางน้าเกินไปเราวางมาไปใช่เรารู้สึกใช่ไหมว่าไอ้ที่เราพยายามเราใช้คําว่ามีสติกํากับเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดว่าเฮ้นี่ยมันกลัวไปหมดว่าทําทําไปเดี๋ยวจะหลุดทาไปเดี๋ยวจะไม่ใช่อ่าอ่นแหละตอนนี้แหละนะคือต่อไปเนี่ยอยากเไยพยายามต้องว่ามันผิดหรือถูก มันมันดีหรือไม่ดีแล้วหรือยังแต่หัที่จะยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของเราตัวอย่างเช่นเกิดความรู้สึกว่ามันเนี่ยเไอ้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆนี่แความรู้สึกเนี่ยนะหรือเกิดความรู้สึกเหมือนมีเด็บๆชั้งๆขึ้นมาที่ตรงกลางๆอกเนี่ยนะตอนตอนที่เรากลัวจะิตเนี่ยก็ยอมรับตามที่มันมี่เขาเรียกว่าอาการที่จิตคนตัว ด้วยความกลัวทุกครั้งที่เกิดความกลัวจิตจะกดอาจะรู้สึกเหมือนเราบีบแขนๆแต่อย่างตอนนี้พอเรารู้สึกได้พอเราพูดถึงภาวะของความปวดภาวะของความกรวแล้วเราต้ทวนไปเออที่ผ่านมันเป็นเงนด้วยแล้คลายรู้สึกดีขึ้นอ่าเนี่ยตัวที่มันรู้สึกทายตัวที่มันรู้สึกว่างยมันก็เป็นแค่ภาวะหนึ่งอย่าไปดีใจของมันอย่าไปลงยินดี ไว้เนี่ยเจ๋งแล้วไว่เนี่ยคนจะทําให้มันเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆแต่ให้สังเกตว่าตอนนี้ที่มันเปิดที่มันสบายหน้าตามเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปถ้ามันขดตัวกลับมาก็ไม่ต้องเสียใจแต่ให้เห็นความแตกต่างว่ามันต่างกันยังไงดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะในที่สุดแล้วเนี่ยเราเยอะรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งปวงเวลาเราดูเข้ามาเวลาเรารู้เข้ามาเนี่ยมันมีแต่ความเห็น ถึงความแตกต่างแล้วพอใจอยู่กับการเห็นความแตกต่างนั้นไปเรื่อยๆตัวนี้แหละที่จะทำให้มันก้าวหน้าต่อไปนะที่ผ่านมามันก้าวแล้วติดก้าวแล้วติดเขาตัวผิดนี่แหละแล้ว เ, เรื่องการการไปใส่บาตในเชา้าอะค่ะเวลาเดินเดินออกไปใส่บาตรคือไกลามากมนะคะประมาณไปกับก็เป็น กิโลกว่าแล้ในระหว่าเดินเนี่ยก็มีการดูลมเห็นใจแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เห็น เ, เป็นธรรมะแล้วก็มีการแผ่เมตตาด้วยอย่างมีใช้ได้ไหมคะ ม, มันมั น, มนมตั้งใจดีเกินไปแล้วตั้งใจดีเกินไปคือคือมันมันเหมือนนั่งป้าไปหน่อย <laughs> มาใหญ่แน่คือคือมันมันมีภาพภาพหนึ่งที่มันที่มันแสนดีไอตอนตอนระหว่างเดินพอจะนึกออกไหมว่ามันเป็นยังไงคือคือเหมือนแก่ทําจิตให้มันมันดีมากๆอ่ะทําจิตให้มันสว่างครับงทั้งที่ตอนนั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้สว่างมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นระหว่างเดินไปเนี่ยคือเอาเอาตัว ที่มันปรกกากฏขึ้นจริงๆให้ได้ก่อนคืออยาอย่าไปสร้างมันนอนนึกไว้ในกลุ่มต่ำจริงใใช่เช่นเท้ากระทบเนี่ยมันกระทบอยู่นแน่ๆเราไม่ต้องไปสร้าง ม, มันเราไม่ต้องมีจินตน า, าการมันกระทบอยู่ให้รู้สึกตลอดเวลาอยู่แล้วพอกระทบกระทบกระทบไปเนี่ยแล้วมันจะเกิดความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาเย็นไอ้ตัวเนี้ยความสุขตรงนั้นมันไม่ได้สร้างแล้วมันไม่ได้จินตน า, าการแล้วแต่มันเกิดขึ้นจากการเจริญสติทําให้สติเจริญขึ้น แล้วมันถึงมีความสุขกับการก้ามเดินขึ้นมาตรงนั้นค่อยแผ่เมตตาแล้วมันจะเป็นการแผ่เมตตาจริงๆแค่นั้นเนี่ยตอนนี้ใจใจมันรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยพอเข้าใจอ่ะมันมันลดระดับลงไอ้ความจินรนาการลงมันมันเหมือนใจมาอยู่กับไอ้สิ่งที่มันกําลังปรากฏจริงๆอยู่ในภาวะตอนนี้มากขึ้นคือมันไม่ได้ซ่า แต่มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองอันนี้อย่างเี้ยมันจะดีจริงนะดีแบบนี้ไม่เหน่อยของเราเคยรู้สึกเน้ยมันเหมือนดีไปแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอทคืมันไม่ใช่พยายามดีนะมันไม่ใช่แต่ว่ามันดีแบบที่ต้องออกแรงอะต้องมาใส่กำลังใจแต่ถ้าหากว่าเราดีออกมาจากความสุขเนี้ยมันไม่เหนื่อย แล้วมันจะดีมากขึ้นเรื่อย ๆ, ๆว่นต่อวันนะเข้าใจปอยนะแล้วอาจาย์มีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะคือที่ที่ออฟฟิศก็เปิดแต่ YouTube อาจารย์บ่อยมากคือฟังฟังที่อาจารย์สอนแล้วก็นําไปปฏิบัติพยายามที่จะปฏิบัติได้ตามาที่อาจารย์ได้ได้สอนที่ YouTube ก็ได้เป็นแนวทาง ดได้เยอะมากเพราะว่าเดิมเนี่ยไ ม, ไม่ได้ไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้แบบมากเลยค่ะแต่ว่าตั้งแต่ไปออไปที่เสียนธรรมสถานนะคะได้รับการอบรมจากแม่ชีแล้วก็ไปได้ยินพระท่านเทศในขณะที่ช่วยช่วยถูกคืนอไรอี้คะได้ยินแท่ประโยคเดียวว่าการได้รับเกิดมาเ ป, เป็นเป็นบุรุษเนี่ยยากมาก เราควรจะใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ปฏิบัติให้ให้สุดความสามารถก็เลยคอยตรงเนี้ยแบบก็เลยแบบรีบเร่งอยากที่จะแบบปฏิบัติให้ได้ก็ทีนี้คือคือจุดเริ่มต้นมาจากสถาทมีมา ก, ากแล้วก็ความแข็งมีกำลังนี้เวลาที่เราจะเพิ่มให้ คือจะจะจะทำให้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยมันมันต้องมันต้องมันต้องเข้ามาอยู่กับในภาวะที่มันกำลังปรากฏจริงน ะ, ะมันไม่ต้องใช้คือของเราจะเน้นไปคล้ายๆจิตมันออกไปแนวแบบแหงนตาแล้วก็ไม่ เปลนเรียนไทยอะไรทำนองนั้นอ่ะเถิดนะซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่หมายความว่ามันมันพอแล้วมันมาต่อยอดเอาเป็นการเจริญติต้อะไรตามทิที่มันกำลังปรากฏอยู่เนี่ยอย่างเม่อกีที่ฟังที่พูดมาเนี่ยเราก็เข้าใจนะแล้วก็ค่อยๆเอาไปดูในความผิงในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันก็แล้วกันนะ ก็จจะถามว่าการวางอารมณ์ในทางปฏิบัติในระหว่างนั้นสมัยกับการเจอทิตติในแต่ละวันคือทำมาถูกไหมางทีเราสงสัยว่าใช่เปล่า ไปโดนไม้เลยหัวหนักเนี่ยรู้สึกอย่างไรไหมแต่ก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้มันมันเหมือนเบาลงหรือบางทีมันหายไปรู้สึกไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าปฏิบัติถูกแน่นอ น, นในในแง่ของการจเจริญสติรู้เข้ามาที่จิต ท, ที่ใจถ้าเราเห็นถึงไอ้สภาวะว่ามันกาลังกลองอยู่เบาอยู่หนักอยู่หรือว่ามีอาการที่มัน เโินไปโยนมาอยู่เป็นาพายุภรแกรมอะไรอย่างเงีเ้ยเนีน่ยะนี่เรียกว่าเป็นอาการเปลที่จะทำให้ให้ภาวะนําหนักเนี่ยมั น, ม, นมันหายไปได้ทิ่ที่บ่านมาคือเราเรารู้สึกใช่ไหมคือมันมันเหมือนกับรู้สึกเป็นห่วงๆว่าไอ้ตอนเนี้ยเบาไอ้ตอนเนี้ยหนักไอ้ตอนเนี้ยมันสว่างไอ้ตอนเนี้ยมันมืดคือคือแต่จะไม่ได้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอะไร คือแค่เห็นเป็นความแตกต่างเรื่อยๆที่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือเห็นความแตกต่างมาเรื่อยๆว่าจิตของเราเป็นยังไงอยู่หนักบ้างทึบบ้างหรือว่าเบาบ้างปลอดโปร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นใช่ั้มที่ที่เราเห็นมาที่ที่พูดมาใช่ไหมอ่ามันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าในหัวมันเบาลงมันเคลียร์ขึ้นอันี้ก็คือผล ที่เกิดจากการเขียนก็มาในสภาวะตรงตามจริงก็คือไม่ใช่แค่นี้ควรจะฝึกสมาธิด้วยแล้จิตมันจะได้หนักขึอันนี้มันมันเหมือนกับมันยังไม่ทำมันมันคือคือมันยังไม่เป็นสมาธิจริงมันมันมันบางครั้งมันเหมือนจะเป็นสมาธิตอนที่เรารู้สึกนิ่งสงบนะแต่มันสงบ สงบแล้วมันมันไม่ตื่นรู้คือถ้าเรานั่งหลับตาเนะียมันยังไม่ตื่นรู้เต็มที่มันแต่ตอนที่อยู่ในชีวิตประจำวันคล้ายคล้ายๆตอนที่เราสังเกตเล่นๆทีละนิทีละหน่อยอันนั้มนมันจะมันจะตื่นรู้ซะยิ่งกว่าตอนนั่งหลับตา <S 2> <S 2> <ๆ>อีกคือมันเห็นจริงจีว่าภาวะใจเรากําลังเป็นยังไงแต่ตอนที่เรานิ่งสงบนเนี่ยมันมันนิ่งแบบเออ มันมีความสุขเนี่ยมันมีความสุขมีความรู้สึกอ่อนโยนมีความรู้สึกเหมือนกับเราไปอยู่ในที่ที่มันสวยงามแคปหนึ่งแต่แต่ไม่ได้มีความเต็มทีคือไม่มีความพร้อมที่จะเห็นภาวะที่มันไม่ดีมีแต่ความพร้อมที่จะเห็นแต่อะไรที่ชอบใจอย่างอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจช่ไหม ว่าพิบูลย์ทำอะไรนะยัยงตอนที่พี่ <c oughs> ยังตอนที่พี่ไกดนั่สมาธิแบบสั้นจีเนี่ยคือมันก็ยังตั้งใจมากไปนิด น, นึ่งเห็นความตั้งใจคือมันตั้งใจยาวดีตั้งใจยาวไม่นิ่งนั่นคือการที่เราคาดหมายไว้แล้วว่าเราจะนั่งสมาธิให้ได้ผลแบบที่มีกระเพกไว้เรียบร้อยถ้าหากว่าภาวะที่กําลังปรากฏอยู่ไม่ตรงตามกระเพกมันไม่สนใจละ เพราะเราจะเอาแต่แบบดีๆไงเขาแจกคอยนวแต่ถ้าอย่างที่ที่พูดเนี่ยที่ใจไป็่อนแรงเออเกิดภาวะอะไรยังไงแล้วเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าลมหายใจนี้เกิดภาวะแบบนั้นยอมรับตามจริงนะแล้วอลมหายใจหนึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วหรือยังนี่อย่างนี้ถึงจะค่อยเป็นสมาธิในแบบที่พระพุทธเจ้าสอน พูดง่ายๆว่าตอนที่เราลืมตาเจริญส ต, ต, ติอยู่ในชีวิตประจำวันโอเคแต่ตอนพยายามนั่งสมาธินี่ยเราจ้าวไปดีไาดีแต่ถ้านั่งสมาธิแล้วทําให้เหมือนกับเจริญส ต, ติระหว่างวันเนี่ยนย่างเงี้ยถึงยะโอเคเห็นความแตกต่างของตัวเองใช่ไหมตอนระหว่างวันเนี่ยมันไม่ยืนมั่นถือมั่นไงมันแค่เ อ, อดูไปนิดเดียวคือคือใจของเรามันเหมือนกัน เขียนไปนิดเดียวไม่ต้องเปชืดอะไรมากแต่ตอนนั่งสมาธิเนี่ยเราจะเอาอะไรมากเลยเราจะอะไรกับมันมากเยนหก็คือตอนนั่งปฏิบัติอตั้งใจเขนไปนะัืนี้อาหารมนมีแต่ก็ไม่ค่อยสะอดก็อยู่กับ ก็เริ่มดีขึ้นบ้าแต่ละค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นการผ่านไก็แบใจมีครู้สึกลก็ทำดีีสุทที่สติปัญญาจะมีก็อยู่ก่อนมาค่ะแ่ก็มันก็ถอมัจะตอนที่เรารู้สึกเหมือนกัเริ่มที่จะถอหรือเริ่มที่จะไปไม่ถูกแหมสํารวจมาง่ายๆเลยเนี่ย คือฐานเจตใจของเราเนี่ยเรายังรักความสว่างอยู่ไหมเรายังรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ไหมมันจะพบนะว่าต้ออยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนว่าอยู่ในใจไว้ว่าตรงนั้นคือฐานที่แท้จริงชีวิตเราเราจรู้สึกว่ามันไม่ไปไหนนะอยู่ตรงนั้นแหละยังยืนอยู่ตรงนั้นนะพอเริ่มเกิดความรู้สึกขึ้นมาไม่อย่าง พ อ, อเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเออฐานที่มั่นของเรายัง อ, อยู่ไม่ไหนเห็นไหมมันไอ้ความท้อแท้เนี่ยมันลดระดับลงได้มันเกิดกําลังใจขึ้นได้เกิด ค, ความรู้สึกขึ้นได้ว่าเราสามารถเรายังสามารถจเจริญปกติได้อยู่คือร่างกายมันจะเป็นยังไงหรือว่าวิถีชีวิตจะตาชีวิตมันจะแค่ไหนก็ตามตราดใดที่เรายังมีกําลังใจอยู่ตราดนั้นมันไม่ตกต่ำแน่นอน แต่ตอนที่เรารู้สึกขอแท้ได้ยอมยึดความขอแท้ไว้เป็นอารมณ์ของจิตตอนนั้นเนี่ยไม่เกิดความสึขเหมืนไม่มีอะไรดีเลยเห็นความแตกต่างไม่ได้พอเห็นความแตกต่างตรงนี้เราจะกลับยืนขึ้นมาได้ใหม่ตลอดเวลาจิตของเราอ่ะดีกว่าที่เราคิดเยอะ พื้จิตพื้นใจของเราเนอ่ยมันสว่างนะมันยืนอยู่ความสว่างตลอดเลยแต่พอเราท้อแท้ขึ้นมาความคิดมันไปอยู่กับความพืดที่ที่พูดแค่ว่าเออมาดูที่ฐานของความฐานของชีวิตที่เรายึดเป็นสารณะจริงๆมันก็เกิดการตระหนักขึ้นมาว่าเราไม่ไไปไหน มันไม่เหนต้องถอแท้ยังไงเลยตอนที่เราถอเนี่ยเพราะเราหลุดตอกยากฐานชั่วคร้วมันลื ม, มลืมไม่มิดเดียวเนี่ยแต่มันเตลิดไปไกลยาวเลยนะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วแต่ขอให้ขอให้ถามตัวเองไว้ว่าถ้าเราตายไปตอนนี้นะเราจะย่ดอะไรเป็นที่ตั้ง ไม่จะได้ควางครอบแบบเดิมมันแบบเดิมแบบด ม, มันมันมีมาแต่ไหนแต่ไรครับมันไม่เคยเปลี่ยนแล้ก็อยู่ไปแบบนั้นแหลสดีครับเขอขกาวก็คำแ น, น, นะนำครับคือช่วงนี้เห ม, มือมีปลูกแล้วก็ปลดปลูกสิบวันกว่าก็ท้อแทนจะหยุดเริ่มภาวนาเนี่ยครับแต่เห็นไหมตอนนี้มีกำลังใจเพิ่เยอะครับ พัฒ<อ>นาขับอ่อนถาวรครับเพราะว่าจิตมันสว่างขึ้นนะจิตมันมีความรู้สึกส บ, บายขึ้นมันมีความรู้สึกเป็นกุศลมากขึ้นจำไว้ว่ากําลังของกุศลเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เราฝ่าฟันไปไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่อกุศลจิตมันครอบงำเรานะเรายังรู้สึกว่าแม้แต่จะลุกขึ้นไปทําอะไรสักอย่างมันก็อยากเย็นเกิด เนี่ยตอนนี้พูดยังยใจ้จได้ก่อนนะความต่างระหว่างกุศนละจิตกับกุศลจิตมันคนละเรื่องเลยมันให้ความรู้สึกเป็นคนละอยางเราบอกว่าเป็นคนละคนกันครับนี้ถามตัวเองว่าทําอย่างไรแต่ให้เกิดกุศลจิตเกิดขึ้นได้บ่อยๆนี่มันก็คือต้องประกอบเหตุอย่างนี้นเนี่ยที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องดีๆพูดถึงเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ พูดถึงเรื่องที่เนกะี่ยวข้องกับการเจริญสติทําให้สติจเจริดขึ้นในใจของเราตั้งแต่ต้นมาโดยกระทั่งบทนี้เนี่ยไม่มีพูดเรื่องอกุศลไม่มีพูดเรื่องอกุโมงคนไม่มีพูดเรื่องการเมืองนะไม่มีพูดเรื่องคนอื่นมีแต่พูดยิงตรงเข้าตัดพั้วหัวใจแต่ละคนว่าเออมีอะไรปรากฏอยู่ในใจของเรานี่เราก็จําไว้นี่แหละถ้าเอาเรื่องของเราเปลัก หมายถึงภาวะทางจิตทางใจหรือทางร่างกายเราจะหายใจเข้าหาใจออกอยู่นี่มันก็จะเป็นการสร้างบุญศนสร้างกําลังใจอยู่ตลอดเวลาแต่นเวลาเราอยู่นอกอ้อมมันนึกถึงตัวเองในทางที่อะไรทำให้นมไม่ได้ทําให้นีิริตคั น, นให้นั่นไม่ได้ยังใจไอ้นี่ไม่ใช่อย่างที่ต้องการหรือว่าคนโน้นเป็นางนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไปพูดเรื่องคนอื่น เป็นพรื่องที่มันไม่สามารถคนโดดได้นะโดยเพราะจริงๆเนี่ยโลกยุคนี้เป็นโลกยุคไอทีี่คนเนี่ยสามารถพูดคุยเรื่องคนอื่นได้ตลอดเวลาแล้วเขาไม่ต้องนึกถึงตัวเองเลยหรือเวลาที่นึกถึงตัวเองก็ยังนึกว่าเราด้อยกับคนอื่นยังไงเราแย่กว่าคนอื่นยังไงเราทําไมไม่มีไอ้นั่นแบบคนอื่นเราไม่มีไอ้นั่นแบบเขาบ้างอะไรต่างๆคือมันไม่ได้เข้ามาดู ภาวะจริงๆที่ปรากฏในเรามันคอยไดนจะปรับอยู่ไหนภาวะที่เราอยากได้หรือไม่อยากมีเข้าใจคลอยนะีนี่คือความแตกต่างว่าทําไมตอนนี้เราถึงสว่างขึ้นทําไมตอนนี้ถึงรู้สึกมีกําลังมากขึ้นเพราะมันไม่ไปพูดเรื่องอื่นแล้วก็ไม่มาคิดถึงตัวเองในแบบที่มันเปรียบเทียกบกับคน มันคิดถึงตัวเองในแบบที่มันเป็นยังไงเรารู้อย่างนั้นไม่ไปเปรียบเทียบกับอะไรเลยหรือถ้าจะเปรียบ เ, เทียบเปรียบเทียบความแตกต่างในตัวเองนั่นแหละหายใจเข้าหายใจยออกอยู่หายใจยาวหรือหายใจตั้งอยู่ตัวนี้แหละที่มันทําให้เกิดกุศลทําให้เกิดสกำรับทําให้เกิดการเคลนตามจิตก็นะ อ, ออกจากนอกพอออกจากก้องไปเนะี่ยคุณมันจะอดไม่ได้อนะี่ย ความคาดหวังแบบเก่าแล้วก็ความพอแท้แบบเก่านับ่นมันเกิดขึ้นมาแทนที่เราจะนึกเป็นภาพว่าเรากําลังคาดหวังอะไรพอแท้กอะไรให้มองเข้ามาเป็นภาพทางใจมันเหมือนความรู้สึกโกลกมันมันเหมือนกับความรู้สึกของเราเลยมันจมน้ำมันจมอยู่ในน่องน้ำท่าลงของความเศร้ามันจะมีความสุขเป่าแต่เป่าแต่ อ่อนแงแต่จริงๆตัวเรารู้ลึกเนีเป็นคนเข้มแข็งนะครับคือที่ผ่านมามันยอมที่จะจมน้ําจมอยู่ในหนองน้ํำมานานแล้วก็ไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะกลับเข้มแข็งขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างพออย่างที่พี่พูดน่ยตอนเนี้ยมันรู้สึกมีกําลังไหมตอนเนี้มันรู้สึกสว่างไหมมันมันรู้สึกมันมี ม, มันมีขึ้นนะแล้วมันไม่ใช่แบบเราไปาำอะไรพิสดาร น, นะคือแค่ค่อยๆปรับมุมมองตรงกันั้าแต่เริ่มต้นมาอย่งงางเง้ยท่านแบบนี้ปรับมุมมองเข้ามันหาภาวะของตัวเองเปรียบเทียบภาวะของตัวเองก็มันตา่างกันไปยังไงแค่นี้เองเหมือนการที่เราเออกจากห้องนี้ไปเราเกิด อ, อาการจมลงไปในหนองน้ําความเศร้าขึ้นมอีก แล้วก็ยอมรับตามสีของมันเนี่ยจงพอรู้สึกว่าอาการจมหน้าตามเป็นแบบนี้แทนพยทําอย่างอื่นนะฮมันมีแก่ใจทําอย่างอื่นแล้วก็เปลียเทียบใหม่มันจะรู้สึกเลยว่าภาวะจมของมันหายไปเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่รู้สึกมันมันหายมันหายทราบช่วงชั่วคราวครับผมเห็นไหมมันแตกต่างอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงหนองน้ำเราเรานึกเรานึกออกไงว่าเออที่ผ่านมามันจมอยู่ ด้วยความรู้สึกเศร้าๆอย่างไรครับแต่ว่าพูดไปรูดมามันคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้นี้ที่มีจังหวัดหลั่ไปเลยอ่ะมันมันเหมือนหายไปเห็นไหมมันมันพร้อมที่จะหายในตลอดเวลาแต่เราไม่รู้วิธีที่ผ่านมามวลแต่ไปจมอยู่กับมันแล้วก็ติดคิดข้าดหวังไม่เลิกแต่ไม่ได้มองเข้ามาข้างในนะเรื่องข้างนอกยังไงมันก็ต้องพยายามไปดิ้นรนไปนำเหตปัจจัยภายนอก แต่พอเราพูดถึงกำลังใจก็มาพูดถึงเนี่ยการจเจริญสติการเป็นตามจิตในภาวะที่มันแตกต่างไปเรื่อยๆนะฝึกแล้วก็รอดูผลที่มันจะเกิดขึ้นตามเวลาที่เหมาะสมยาของเราเนี่ยคือมันจะคาดหวังเอาอะไรสทีนะอย่าเอาอะไรทักทีแต่คาดหวังว่ามันจะค่อยๆสั่งส่งครอบครัวที่ไปเรื่อยๆนะ แล้วชิปปุมรู้สึกคือไม่แน่ใจว่าคือตอนนี้มัหัวมันมอะไรวีวีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นวิบากที่เราถับไปเพราะว่ามันเป็นอาการหลอนอย่นึงคือเราสะสมโรคจิตนาการควเศร้ามานานเนี่ยค่ะคุณบางทีเนี่ยมันทำให้เคมีในสมองมันลั่พ อ, มอมเคมีในสมองที่มันเป็นพิษเนี่ย มันหลับออกมาเนะี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาได้รู้ก็ไม่หายใช่ไหมครับรู้ผมรู้สู้ว่มไม่หายตองนีก็รู้ไม่ชอบก็ไม่หายคืออย่างกกบางคนเนี่ยนะที่มันเกิดจากการวิวิบขึ้นมาพ น, นอนนอนอยู่ทา่าเยมากเกินไปนี่ก็เป็นการ การทางกายภาพอาการทางกายหรือบางคนเนี่ยคือพอจมอยู่กับจินตนาการภายในมากๆจนมันเศร้าต่อเนื่องเป็นเวลานานๆมันเกิดความสูญเหมือนกับมีอะไรหลอนๆเหมือนกับมีอะไรที่มันบางทีเป็นภาพทีเป็นเสียงนี่ก็คือตัวอย่างว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราจมอยู่กับโลกภายในมากเกินไปหรือนิ่งแน่นิ่ง อยู่ในอาการไม่ขยับเคลื่อนไหวมาเกเดินไปนีมันเกิดอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาได้เพะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยต้องเคลื่อนไหวมากคือคือกะตุ้นตัวเองให้ออกไปทําอะไรเล่นกีฬาแต่ก่อนเล่นกีฬามากกว่า น, นี้มาใช่ไหมเดี๋วยวนี้ไม่ไปเล่นใช่ไหม น, น, นั่นเนี่ยตัวเนี้ยลองกลับไปเล่นกีฬาให้บ้างให้เหงื่อออกให้รู้สึกเหนือห่อยให้รู้สึกเหมือ น, นว่าคือไม่ใช่ไปเอาแผลเอาชนะแต่ไปเอาเหงือ่อ ไปเอาําเหนื่อยจากการเล่นมีล้วความเื่อตัวใช่ได้มีที่หายไปก็ขอถามอีกนิดเดียวแต่ก็แน่ใจว่านอกเรื่องขอหรือเปล่าครับคือผมรู้สึกว่าอาชีพทผมทำอยู่เนี่ยทับอัุณศรเราเลส่งผลให้พอเวาพอเวาแล้เกิดสติมันก็เหมือนจเกิดก็ไม่เกิดสว่านก็ไม่สว่างมีส่วน นะฮคือถ้าเลือกได้เราบอกบอกตัวเองไว้ว่าถ้าเลือกได้เราจะอาทําให้มันดีกว่ า, านี้แต่แต่ตอนเนี้ยคือในเมื่อมันต้องหายอยู่หา ก, กินเนี่ยนะเรา<ะ>มันไม่ใช่แบบคือมันก็ไม่ได้ถึงกับไ ป, ปร่อนไข่ดาวหรือว่ า, าไปทำอะไรก็เผื่อร้อนต้องปรนะครับ<ะ>คือคือเราแค่แบบมันมันเหมือนการทำให้จิตมันหมวกมุ่นเข้าไปอยู่กับอะไรที่มันเป็นอันุตรศนเท่านั้นเองคนะ ก็ก็ออบอกตัวเองไว้เออถ้าถ้าได้ถ้ามีทางเลือกใหม่เราเราก็ไปทันทีแต่ถ้ายังต้องทําอยู่เราก็พยายามที่จะเจริญสติไปด้วยนะมันมันก็ไม่ใช่แฉ่งลงไปในควนแต่ตัวเราเพราะก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่มันยั้ยังทำไม่ได้ครับก็เลยเกิดอาการพ่อแท้ซีดว่างไม่ได้เลยนะจ๊ะเอานี้คือเราเคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรา เฮงตัวนะครับ<ะ>ก็ก็ให้เฮงตัวไป น, ะนี่ตรงนั้นมันเป็นส่วนแก้กันเตรียมตัวแต่ว่าในการเฮงตัวเนี่ยมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรค่อยๆต่อสายป่านค่อยๆมีทุนสัผ่ผมนะเมื่อไรเรามีสายปานเมื่อไรเรามีทุนมากพอเนี่ยเราเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นไปทำอะไรของตัวเองหรือว่าไป โดยอาไัยคนเนชั่นที่มีอยู่เนี่ยเรียนไปทําอะไรที่ดีขึ้อรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมาว่าตัวเองนะตั้งใจเองก็แล้วกันอย่างไรมันรู้สึกดีแล้วอย่างมันรู้สึกว่าเฮ้เรามีอนาคตข้างงาน้ไม่งั้นพอแหลมาบอกเฮ้ยที่เราทำอยู่มันไม่ดีมันบาปมันทําให้เจริญสติไม่ได้มันก็จมดิจมอยู่กับอดีตแล้วปัจจุบันเาที่มันดูเหมือนกันไม่มีความหวัง แต่ถ้าเมือ่อไรเราคิดว่าคือเรามีสายบานอะไรเราไปทันทีมันมีความวังขึ้นมาทาันทีแหละมันรู้สึกถึงอนาคตขึ้นมาทันทีแหละนะเขาบอกว่าคือเราไม่ยองรัความจิตในปัจจุบันที่เราเราไม่ใช่ยอมรับความจริงแต่ว่า เ, ออเราเรายอมทนไปเพื่อที่จะเล็งตัวเพื่อที่จะสะสมสายบานเมื่อไรเรามีสายบานได้ยาวอ แล้วก็ยอมไปหาอะไรใหม่ที่มันดีกว่านี้อันนี้ยอมรับตัดสิ่งไม่ได้บาลังสิ่งบางอย่างนะเนี่ยพระวิริยเจ้าฯบอกว่าถ้าอยู่กับบาปถนะ้าอยู่กับอกเนี่ยจะ่าไปยอมรับมันนะเราเราต้องเราปฏิเสธมันถูกแล้วแต่ต้องมีท่าทีที่ต้องว่าเราจะออกมาจากมันได้ยังไงคือหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนสายอยู่ครับเราจงอยู่กับมัน ไม่ใช่ว่าจะกระโดดทั่วขึ้นมายิ่งกระโดดมันจะยิ่งจมแต่ถ้าหาอะไรค่อยๆบอกคอ่อยๆให้ตัวเองสาวตัวเองขึ้นมาถึงปากหลุดได้ตรงนั้นแหละมันถึงจะขึ้นมาได้จริงต้องเค่อยเป็นค่อยไปนะครับข้อมูลนะครับคือได้ฟังจะดึงทนลเนี่ยเอามาปรับคิดกับตัวเองนะคะ อันนั้นก็ใช <as> ่นี่ก็ใช่นี่ก็อะไรเค่ะต่วทนี้เบาแดกมากเลยประมาณว่าเคสคล้ายกันนะคะแล้วเราก็มาดูมันเออมันใช่อย่างที่พูดการเี้ยนะงะทีนี้ว่าเลยกับคนที่แบบก็ไประเดียวไปไปปฏิบัติธรรมไปวัดไปอะไรบ้างแต่ก่อนไปไปบ่อยแต่ทีนี้ว่าแบบคนเยอะขึ้นเลยใช่ไคะ แล้วก็รู้อี่ฝึกอะไรเนี่ยเราก็มาทําเองทีนี้หลังๆเนี่ยจะไม่สวยนวนแล้จะไม่อน่าสมาธิอะไรแล้วแต่ว่าจะคิดว่าคือว่า เ, เราอยู่กับปัจจุบันนะคะดู่กับลมหายใจแล้วก็จะทําอะไรก็คือเหมือนกับว่าจะมีคนฟุ้ฟุงฟ้ ง, ฟ, งฟุงเยอะแล้ทีนี้ก็แบ มีามามามาอยู่กับลมหายใจคะแต่ก็คือแบบกับรู้เยอะนะแต่บางทีแบบมีเรื่องที่ต้องคิดแต่เหมือนความรู้โต้หัวแต่ก็เอาตัวไม่นอนค่ะก็จะแบบเออคือปกติเนี่ยโดยพื้นฐานเราเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วใช่เป็นเหมือนาคนที่ไม่พอใจง่ายๆไอ้นก็ไม่โตเตะไอดนี่ก็ยังต้องแก้ยนิดนึงมันมันจะสะสมตามคิน แล้ลักษณะที่ว่าเห็นอะไรแล้วพร้อมที่จะไม่พอใจคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะป่ามโล่งหรืออะไรเรารู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นได้กว่านั้นหรือว่าน่าจะสมบูรณ์แบบได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะนีนั้นไอลักษณะที่เราจะไปเกิดความสุกเหมือนกับมีอะไรมากระทบให้คิดในง่ายๆมั น, ดดมน เ, เรื่องทาสูงแต่ใช้ด้วยจมวัน เ, เนี่ยบางทีนี่ยนับเนะี่ วั น, นงเนี่ยอาจจะเป็นสิบสิบเรื่องที่เราเกิดความถื อ, อนั่นต้องแก่นี่ก็ต้องปรับโนนก็ต้องนะคุยกันสักหน่อยว่าเออมันควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้ทีนี้ถ้าเริ่มเหมือนอย่างผมบอกน้องว่า ว่ามันต้องต้องจำแนกต้องต้องมาแปกป้าเรื่องนี้มันต้องพูดจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้มันต้องปรับจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราเริ่มไปแปลกป้ายทำไมมันจะเริ่มสังเกตใจตัวองออกวันนี้ให้คะแนนเท่ากันหมดเลยนะมันมันเนี่ยตอนนี้ใจจะร่องึ้งมันจะรู้สึกเหมือนกับถูกหลดล็อกจากอะไรบางอย่างนะถ้าหากว่าเริ่มแปกป้าย แล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้จําเป็นต้องพูดจริง ๆ, ๆเราก็จะโฟกัสมันแต่เรื่องเรื่องบางเรื่องคือมันเป็นเรื่องแค่ว่าเราทําใจสักนิดหนึง่งทําเป็นไม่รู้ไม่เชียวหูือเป็นนาวตาไม่ได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยที่กำลจะต้องไปเปลืองแรงจะต้องไปเสียเนยยีย่เยอะเนี่ยมันไม่ต้องมันรู้สึกเบาไปแล้วมันใจมันจะชิ้งได้แต่ไม่นั้นเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลไง ไม่ไม่มีเหตุผลให้ทิ้งไม่จะมีความรู้ว่าต้องพูดซะหน่อยต้องต้องไปจัดการอะไรซะหน่อยแล้วตงนั้นเนี่ยมันก็จัดกายเป็นความเคยชินไม่เลือกว่าทุกเรื่องเราต้องจัดการหมดคือความเป็นพวกตนะัว f e เจน o n นี่ s ทุกอย่างต้องต้องเป๊ะหมดต้องสมบูรณแบบหมดไม่งั้นไม่พอใจ มันเป็นพวกที่ต้องทํางานหลักเพราะคนอื่นเป็นสิบเท่าบางบนเนี่ยเขเรื่องนี้ไม่สําคัญช่แต่เราไม่ได้ต้องจัดการได้โฟกัสที่เราลงไปเนี่ยต้องสังเกตผุกเรื่องเหมือนเท่ากันมันหนักหมดมันมันออกแรงเท่ากันหมดแทนที่ว่ามันมีเรื่องสําคัญจริงๆให้จัดการอยู่แค่สองเรื่องแต่เราต้องไปจัดการแต่เรื่องไม่สําคัญอีกแปดเรื่อง สรุปแล้วเนี่ยหนักขึ้นเป็นห้าเท่าหรือสิบเท่าจากที่ควรนี่มันต้องเริ่ม ต, ต้องเริ่มแบกป้ายไว้ก่อนของคุณนี่ง่ายๆเลยนะคือว่าสําคัญสําคัญจริงๆกันไม่สําคัญเท่าไหร่กันไม่สําคัญเลยลองแบกป้ายสามตัวเนี่ยสําคัญมากต้องเอาจริงๆไม่สําคัญเท่าไหร่อันนี้มันเห็นไหมมันจะเริ่ม น้ำหนัของใจเนี่ยมันจะเริ่มลงมากราบได้ได้ก็ได้ไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือถ้าบอกไม่ดอนัาเลยเนี่ยยอมเอาหูเป็นเอาตาไปไล่เนี่ยนะเอาหูเป็นเอาตาไปไล่มันไม่ต้องเสียกําลังนาเลยคือแค่แบบไม่ไม่สนนะไม่สนละอย่างนี้เลยลองแบปล่อยวางเพราะาว่าคือคําว่าปล่อยวางแต่ดูได้แตกต่างกันตรงนี้นะดูได้คือว่าเรื่องที่สมควรที่จะสนใจใส่ใจ ปล่อยประละเลยเลยไม่เอาใจใส่แต่ปล่อยวางเนี่ยหมายความว่าใจของเราไม่ยึดในสิ่งที่ไม่ควรจะยึด<ะ>แล้วก็ยึดในสิ่งที่ควรจะยึดตรง น, นี้ก่อนคือคือได้าหากว่าสําคัญจริงเรายึดไม่เป็นไรแต่ไม่สําคัญจริงแล้วเรายังยึดอยู่วันนี้เรียกว่าไม่รู้จักปล่อยวางมีมีแค่ส่นของของตัวเเกี่ยวกับร่างกายค่ะคือ ก็เป euh, ็นประจำเดือนทเดือนแล้วแบบเป็นแรงมากค่ะแล้วท mm ี hmm. ่น uh ี้เหมือนก็ฝึกฝึกเอให้อยูกับร่างกายให้ให้ดูว่าเป็นอะไรอย่างเนี้ยะแต่ว่าไม่ไม่เคยที่จะทนได้อเลยไม่ไม่คือมันไม่ไหวอะค่ะมอนก็แบบเป็นเป็นเป็นเยอะค่ะอย่างนี้จะตัวนี้มันสัมพันธสัมพันธ์กับอารมณ์ด้วยนะอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นแหละคือถ้าเราฝึกที่จะแบ่งเป็นเรื่อง ยึดมากยึดน้อยไม่ยึดเลยอะไรต่างเนี่ยเรื่องเรื่องไหนควรยึดเรื่องไหนไม่ควรยึดอะไรต่างๆก็จะพมในความเปลี่ยแนแตลงที่มาอาจะคือเจออะไรเทียนทั้งผู้หญิงที่เบียดมากตอนช่งประจำเดินเวลาเนี่ยมันสัมพันธ์กับอารมณ์ถ้าอารมณ์ของเรายึดแั่นหรือมั่นคงที่ยึดแน่นไปหมดทุกเรื่องเวลามีตรงเนี้ยมันจะแรงแ้วมันจะแบบ เห็นคารู้สึกไม่ได้ไ ม, มันทําไมมันเยอะอย่างนี้ทําไมมันอะไรตรงนี้อะไรสัมพันธ์มีส่วนสัมพันธ์กันจริงๆไปลองดูคือถ้าใ <ừ. S 1> จเราปล่อยวางได้แมัวก็เหมือนกันเอาแค่ว่าเรื่องที่ไม่ต้องไปยืดแล้วเราไม่ยืดเนี่ยนะหรือว่าเรื่องที่สัมคันธ์ยโฟกัสเราโฟกัสแบบแบดีๆไม่มากเกินไปเวลาช่วงระดับเกิอนใคมันมันเจนเย็นเลย ว่าไม่หนักไม่หนักเกินจะรับบางคนเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าอันนี้เท่าที่แบบประสบการณ์ที่มาเล่าให้ฟังเองเนี่ยสองคนเลยนะเมื่อพอจิตใจมันรู้จักที่จะปล่อยวางคือการปล่อยวางสีไม่ใช่แป้งปล่อยวางเนนะี่ยเริ่มจากการเนี่ยแยกแยกแยะว่าอะไรสมควรจะโฟกัสอะไรไม่สมควรจะโฟกัส พอพยายามเดินมามันม <c ười> ันรู้ส <ul iy acle> ึกเหมือนไม่เคยเคยขึ้นมาก่อนมันมันรู้สึกมีช่วงหนักบางเบาบ้ามีช่วงนี่เจ็บเจบหน้ามันมช่วงก็เหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนกับลืมไปเลยอนี่มันมันสัมพันธ์กับระดับความิุมั่นจิตใจผู้หญิงบางคนเนี่ยคือลองสังเกตนะองสังเกตหนึ่งนะฮะคือไม่ค่อยเอาอะไรกับใครไม่ค่อยูกัใคร เวลาจำเจอมาบางทีลืมไม่รู้ส no. ึกแทบจะไม่รู้สึกอย่างเงี้ยนะฮม่ที่ตรที่ตรงนี้เนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นปวดท้วมไม่ได้ถ้าถ้าโทถ้าเรามีตัวก็ไปยึดมากแล้วไปเอาอะไรแต่เรื่งคือใจที่ไปกับเรื่องจับแต่เรื่องนี่มันก็เหมือนตัวไป็นเชนให้เกิดความเจ็บปวดมาก เมื่อมสะท้อนออกมาโดยโดยว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะมีภาวะอะไรแบบเนี้ยที่ที่สะท้ะนอนออกมาไหมนี่เรายึดมา ก, กเลครับยึดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามันเหมือนเจ็บจนไม่มีเวลาพักมันเป็นอา ร, รมณ์ชนิรรนดหนึ่งอารมณ์ขณะที่มีชีวิตอยู่ดวยแต่ถ้าเราคลายได้วางได้ไม่ไม่ เ, มาเอาอเรื่องใหม่มันก็จะมีอาการลดลง ม, ม่เหยีดตุการณ์ ก็พยายามถู้อยู่แต่ถ้าทำนิ้วหวใจริงๆต้องทานยาช่วยอากไม่้ปไหนพี่ีสภาวะค่ะี่ต ทีเนี้ยตอนที่เรานั่งบอลที่ใจไปเนี่ยือมันก็นั่งไปแล้วเสร็จแล้วมันจะมีช่วงที่แบบงงงงเงี้ยเงี้ยอะไรเนี่ยคือคือจังหวะที่มันไม่บาลานเนี่ยตอนนั้นที่เป็นอาการใจเราเตะี๋ยวที่ขายนี่คือเห็นเห็นตรงกันนะเราเลยจะมช่วงที่งงงงเงี้ยเงี้ยอะ่เงยออคือไม่ใช่ง่วงนะแต่มันจะเหมือนกับ เราก็แจ้งเขาว่าไม่บาลาน์เนี่ยเหมือนเหมือนตั้งอยู่ตรงกลางไม่ได้ตัวโยกตัวโยกโยกมาค่คือไม่ใช่เย็ไม่ใช่โยกแบบร่างกายโยกแต่ไหมายไวข้างในเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่สมดุลเนี่ยมันไม่มันไม่บาลาน์เนี่ยเรารู้สึกได้ไหม่วอ่าเอนงี้คืออย่างเออ รู้สึกงงๆไหมมีบ้างเนี่ยตรงนั้นเนี่ที่เอาตรงนี้คำนี้ก็แล้วกันตอนที่รู้สึกงงๆเนี่ยคือตอนที่จิตของเราเนี่ยมันไม่บาลานซ์มันไม่อยู่ตรงกลางเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเหมือนแข ว, แ ว, แ ว, แ ว, แวแนแขวนง่ายคาว่าแกว่งง่ายเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะตอนที่นั่งสมาธิแต่มันสะสมมาคือเรายัาง ไม่ว่ามีเพื่อนสองข้างสมมติเฉยๆนะมีเพื่อนสองข้างไม่ถูกกันนะมาพูดจะเราทีนึงเราก็เปลไปข้างนะี้แต่อีกทางหนึ่งมาเราก็เปลไปอีทางไมีมความแนะ่นก็คือมันมันเปไปเปลมากง่ายอย่างเงี้ยถ้าใ้าถ้า ถ, ถ, ถ้าพูดอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมว่าพี่หมายถึงอะไรคืออาการที่ใจมันบางทีเนี่ยมันไม่มีหลักที่ชัดเจนมันพร้อมที่จะแกไปออย่างเงี้นนะ À, ในชีวิตประจวันเมื่อเป็นยังไงบางทีมันมาสะท้อนตอนนั่งสมาธิเนี่ยคือบางทีใจเรามันรู้สึกงงๆรู้สึกแปลกๆมั น, ม, นมันก็เป็นเพราะว่ามันหาที่ตั้งที่ชัดเจนไม่เจอคือของเราเนี่ยจะคิดในทางที่แบบเหมือนกับจะเอาใจทุกฝ่ายใจทุกฝ่ายพอใจ ก็ยะจะเจอาได้ถูกทั้งหมดไม่ไม่มีไม่มีข้ามไม่มีข้ามผิดเลยอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันซึ่งมันไม่ใช่โลกความจริมันไม่ตรงกับความจริงบางรั้งเนี่ยถ้าเราไม่แบ่งว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยจะจะให้เกิดความสบายใจทุกฝ่ายมันเหมือนเราเป็นประเทศจากเอาใจทุกฝ่ายถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ยั ง, ย, งยังโดนกันหรือเปล่า เขากระจายใช่ไหมคือคือเหมือนกันเราจะให้ไม่ให้ใครแบบไม่สมหวังเลยไม่ให้ใครติดหวังเลยอะไรอย่างเนี้ยถ้าขนะของใจที่มันจะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีหมดแน่บางทีมันจะไม่มีที่ตั้งที่ชัเจตว่าจุดยืนของเราอยู่ตรงไห น, นในในใช้ชีวิตประจำวันบางทีเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนด้วย บอกตัเองถูกว่าตรงนีเราเลือกอะไรไปเพื่ออะไรถึงแม้ว่าบางครั้งจะขัดใจคนบางลกลุ่มหรือไม่พอใจกับคนบางพวกบางทีเราก็ต้องเราต้องเห็นว่าเออเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นเป็นชีวิตต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี่คือใจมันจะได้มีน้ำหนักมากขึ้นครัก็คือตามเรื่อทการใชชี ว, วิตประจำวัน เครรู้สึกไหมระหว่างใจพยายามจะเใจทุกคน<อ>ใจทุกฝ่ายก็ด้วยนะไม่อยากมีเรื่องมาไม่อยากปล่อะไรเลยคือบางทีมันไม่ใช่ไม่อยากต่อเวย น, นะมันที่เกิดมีเรื่องนั่นแหละ <c oughs> มันมันมันไม่ชอบมันไม่ชอบมีเรื่องมีรมาวเอาใครอาจารย์พยายามอาใจให้ถูกใจไปทั้งหมดเนี่ยนี้ตรงนี้เนี่ยบางทีมันเสียจุดยอะย่างเวลาเราคูยกับคนหนึ่งเราเราก็พูดเพื่อเอาใจ ไปพูดกัอีกคนหนึ่งแล้วก็พูดเพื่อเอาใจทั้งๆ ท, ท, ที่มันคนละไม่ไม่ไม่ได้โกหกแต่มันบางทีมันเสียจุดยืนไง<ะ>คือพยายามจะเอาใจมากเกินไปนแต่มางงทีเนี่ยคือเราต้องพยายามบอกเขาบ้างว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับทุกคนถูกหมดแล้วก็เราเราจะยืนอยู่ข้างทุกคนหมดอะไรแบบนั้นคือที่พี่พูดเนี่ยจะอันนี้แค่ยกเป็นตัวอย่างขึง้นมาเฉย ่อบางครั้งเนี่ยถ้าเราขาดจุดยืนมันก็เหมือนกับจิต น, นีมันมันเสียน้าหนักไปได้มันพร้อมที่จะแกวกพร้อมที่จะมองอ่อที่ิ่าเนี่ยในตอนทำสมาธินะคือจิตมันคล้ายคล้ายาน้หนักไปนิดนึงในในในที่ถ้ามันมีน้ำหนักมากขึ้นจ า, ากจการใช้เชื้อจจัหวัดแบบมีจุดยืนมากขึ้นอาจจะรู้สึกว่าการทาสมาธิใตกต่างไป บางทีเนี่ยตอนทํำสมาธิมันมันมีช่วงที่รู้สึกสบายไหมใช่ค่ะที่สบายแต่ว่าพอสบายไปแล้วมันมงงเปลี่ยนไปงงงงอ่ะใช่ไหมค่ะก็รว่าหนูกำลังสมาธิด้วยช็อต้ายคือแล้วเพื่อที่จะคือคือให้เกิดความเข้าใจนะว่าน้าหนักของจิตเราเนี่ยบางทีมันยังขาดไปนิดหนึ่งมันต้องการคาม มันต้องการยืนยืนที่ชัดเจนมากขึ้นนิดหนึ่งแล้วมันจะมีผลต่อการตอบคารที่ด้วยถ้าตอนนิดนึงไม่ออกเดี๋ยวลองเระต่ายเบสเาดูนะค่ะขอบคุณที่ทนค่ะสำหรับทุกอย่างเลยค่ะค่ะพี่เป็นในคู่มีทั้งคนขอรค่ะ ที่เราจะแน่ใจได้ว่าเรารู้จริงก็คือความสงสัย น, นี่แหละเวลาที่เกิดความรู้สึกไม่แน่ใจเวลาที่เกิดความรู้สึกสับสนมันจะเกิดของเรานะี้ยมันจะเกิดความรู้สึกตื่นามขึ้นมามันจะรู้สึกว่าเอ๊จะไปถามใครดีเอ๊จะไปเอาใครนะมาเป็นคนยืนยันว่าเนี้ยถึงจะถูกแน่ๆมันเหมือนจะไปคอยคอยจะต้องขอความยืนยัน แต่บุคคลที่น่าเชื่อถือนะนี่คือใจเรานะสภาวะที่องค์แต่งไปนะแต่ในขณะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกตัวเองเลยกล้าบอกตัวเองว่าเนี่ยมันมืดๆ อ, อยู่มันหนักๆอยู่มันคลืบๆอยู่มันรู้สึกอึนอ่านอยู่มันรู้สึกอยากฟังอยากฟังคาตอบนะตัวภาวะที่กําลังปรากฏอยู่เนี่ย น, นี่แหละคือสิ่งที่ยืนยันได้ยิ่งกว่าคนอื่น เวลาคนอื่นบอกว่าเราจะต้องทําอย่างนั้นเราจะต้องไม่ทําอย่างนี้บางทีเนี่ยมันหลุดจากในภาวะตรงนั้นไปแล้วแต่ไอตอนที่รู้สึกมืดๆหนักๆอยากทําอยากจะโน่นอยากจะนี่สงสัยอยู่ไอเนี่ยมันยังไม่หลุดไปมันเป็นภาวะที่ถูกต้องแน่ๆถ้าหากวเรายอมรับหนักขณะนั้นใจลอยเน่ยอ่ะเนี่ยเรารู้สึกปลอดโปร่งใช่ไหมที่มัน ที่มันรู้สึกดีขึ้นไม่ใช่เพราะที่บอกนะแต่เป็นเพราะว่าเราเริ่มยอมรับเข้ามาที่ภาวะภายในที่มันตรงกับที่เรารู้สึกและไอ้ที่มีสติรู้ตรงกับที่รู้สึกอยู่นั่นแหละตัวนั้นแหละที่ทําให้ภาวะนั้นกล่าวมันแสดงป่าไม่เที่ยงไม่เห็นเข้าใจนะทําไมคําว่าเข้าใจนี่มันดูแกวแก้วจมูก <laughs> ตอนที่รู้สึกว่าดีขึ้นเนี่ยมันมันบอกได้เต็มที่แต่บอกเข้าใจหรือเปล่าอของคิดนี้หนึ่ง น, นิดหน้าเดิมงแล้วก็บอกเข้าใจเขาแถวเนี่ยนี่แสดงให้เห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันมันหมองมุนกับเรื่องนี้จริงๆ น, นะคือว่าเราคอยถามตัวเองว่าที่เข้าใจอยู่เนี่ยเข้าใจถูกหรือเปล่าที่รู้มาเนี่ยรู้มาแน่ๆหรือเปล่าที่ปฏิบัติเนี่ยมันใช่จริงๆหรือเปล่ามันคอยย้ำ ยอย่า ง, งนี้เนี่ยถ้าเกิดความขาดความเชื่อมัน่นว่าภาวะที่กําลังปรากฏเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไงนะต่อไปน้องสังเกตภาวะนี้ให้มากๆเลยนะภาวะที่ว่ามันขัดอั่นภาวะที่ว่ามันรู้สึกมันเก็บเกลื่อกดๆมืนๆหน่อยๆแล้วภาวะอยากฟังอยากฟังคำตอบมันจะมาที่หู่ะ มันมาที่อาการที่แบบมันไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วรู้สึกทุรนทุรายาเงี้ยเห็นไหพอพอเราพอเราพบทวนไปตามที่พี่พูดเนี่ยเออมันเป็นเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในเราจริงจริงด้วยแล้วไม่ต้องอาศัยความตั้งใจอย่างไรมันชัดเจนแจ่มแจ๋วนะกำลังปรากฏอยู่้แท้แล้วถ้าหากว่าณเวลานั้นเราไปถามใจอภาวะนั้นหลุดไปแล้ว ถ้าใครมาต่ออะไรให้ฟังาขณะที่เกิดภาวะดักลัามันไม่ใช่ภาวะนั้แล้วมันเสียไปแล้วแล้วเราจะไปเอาความกระจางร้อยเ์เซ็มาจากไหนไม่ได้คำพูดไม่เคยทำให้เคยเคลียร์จริงๆนะในการภาวนาแต่ภาวะตรงหน้าที่เรายอมรับทำท า, าที่มันจะทำให้เราถึงใจเวลาที่มันต่งไปให้ดูนะ สถานกีการณ์ที่ชื่อกิติมกนะครัก็ตามเวาา็บไซต์นนเขาดีจริงๆนสมควรนะครับก็เห็นเขียนหนังสืออยู่เนี่ยคนตายได้ฮะผมวันนี้เปิด Facebook กมาเห็นบอกว่าอาจารย์วิชก็เลยเสด็จาได้ก็ได้าม า, าม <c oughs> ท้ากันก็ยังเลยคือดู a c e b o o k ของพี่ที่เพิ่งไปเมา่อวันที่แล้วที่พูดเรื่องการวิจาร ทัเสียงที่ราได้รับไม่ว่าจะเป็นการได้รับคําชมที่จริงเราชอนะครับแล้วก็การได้รับคําติที่จริงเอาแฝ ง, งกกนะเฉพดดาะที่เห็นว่าจิตย่างติ็นเพียวแล้วก็จักตัวเองได้เลยจะอยู่มเรื่องหนึ่งที่ผู้ที่เห็นใครพูดไว้ว่าบ่ที่แม่ที่สุดก็คือคนรอบตัวเราเนี่ยวันั้นผมเลยตั้งใจถามคนรอบตัวที่คนให้กับผงมาบอกว่าไอ้แม่ผมเป็นคนอย่าง คำแดกที่หลุดมาจากมาันเดาไม่เป็นตัวตอนนั้นเราหน้าชามากครับเรารู้สึกว่าเป็นความจริงที่ทําให้เราเป ล, ลี่ยนหรือว่ารู้สึกกับเข้มไม่เรากละดิกมากครั้นี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะทราบว่าผู้ศาสนาเคยให้คําตอบอะไรไหมครับแล้วจะพิบูร์บายยังไงครับว่าเราจะรู้จักตัวเองได้อย่ายงไรจริงๆคือคําตอบของคุณแม่เนี่ยคือตอบแบบว่าคุณแม่ชัด แต่ว่าจริงๆแล้วใจของเราสอติดสองใจนะใช่คือมันมันเหมือนกับใจ น, นึงเนไม่อยากเอาเปรียบไทยคือไม่ได้อยากจะไปทําให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยออคือคือคิดคิดอยู่แค่ ว, ว่าเออถ้าเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนั่นน่าจะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับเออบางทีเนี่ยเราอยากจใจดีหลายครั้งเราอยากจะใจดีเราอยากจะให้ก็เลยแต่ม่า แบบเหมือนกับคล้ายๆกลัวว่าจะถูก เ, เปรียบกลัวจะถูกเทียบกลัวว่าเราจะเสียเปรียบหรือ ว, ว่ากลวทีใครจะได้ใจอะไรคุณลองเนี่ยนะไม่มีความคิดที่ขัดแยง้งแต่ตัวเราอยู่ข้างไหนคือมันไม่ใช่ถ้าถ้านิยามของพี่เนี่ยเวลาบอกว่าใคร เ, น, เนี่ยตัวมันมันไม่ใช่แบบนี้พอเหน็นไงตัวเนี่ยคือมืดเนี่ยมันจะมืดแบบครอบเลยครอบทั้งจิตแล้วว่าจะเอาอย่างเดียว หรือบางทีนะมันแสดงแสดงออกภายนอกเนี่ยเราเราเป็นคนใจดีด้วยซ้ำเราให้อะไรคนใครกับใครแต่ว่ามันมันเป็นไปด้วยอาการหลอกลวงมันเป็นในด้วยอาการาที่ว่าข้างในนหวังคนอยู่หวังผลแบบจะเรียกว่าคนอื่นตามไม่ทนนันอะไรประมาณนั้นนะซึ่งซึ่งของเรามันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยคือของเรามันจะออกแนวแบบว่าอืมเรา เราไม่เอาอะไรจากใครก็คนคนอื่นก็จะเอาอะไรจากเราคนละกันอะไรทำนองนั้นปนระมาณนั้นนะแต่บางครั้งมันก็จะหลุดหลุดลงมาว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเราเราได้ก่อนคือคือบางทีเนี่ยให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่าที่จะเห็นใจคนอื่นเป็นคั้งครั้งนะมันต้องดูเป็นครั้งคั้งเน่ยที่คุณแม่เห็นเราเนี่ยแบบนี้เนี่ยคนหนึ่งเป็น พี่ว่าเป็นเพราะว่าเราเห็นเป็นหน้าที่ของแม่ที่จะให้เราคือเห็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของพ่อที่จะให้เรามันเลยที่ผ่านมาแบบคือเพราะเพราแม่ดูเรามากเนไไีตอนเด็กเคือพอ่อเขาให้เรามากจนกะทั่ไม่มีเลยนั่นว่าเราก็เคยความเคยชินอย่างนั้นเออมันการแสดงออกพฤติกรรมโดยรวมที่เขาเห็นนี่ยมันถือว่าเออ จะเอาจะาท่าเดียวแต่ใจท้างในของเราเหมือนคลื่นๆนะนะ่ตรงที่ว่าเราใจเด็นตัวเองเอได้อย่างไรเนี่ยคือบางทีมันต้องสำรวจเข้าไปที่อาัาวภายในแล้วก็อย่างเช่นบางครั้งเราเจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องได้เกรียบเสียเปลียดมันจะมีน้ำหนักว่าถ้ากลัวใครจะ มาเอาเปลี่ยนไนมันจะรู้สึกว่าคืออ่านอยู่ข้างในแล้วก็มีอาการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอาการปกป้องผลประโยชน์เนี่ยมันจะรู้สึกแบบมีอาการเข้าตุเข้าเข้ามารักษาประโยชน์ของตัวเองนึกนึกถึภาวะนั้นออกเนมันจะอ่านนิดนึงแต่ภาวะที่อยากจะช่วยไปแต่ในความรู้สึกอยากช่วยนั้นไม่สุดมันจะมีคับมรู้สึกเหมือนแผ่ออกแต่แผ่ไม่เต็มที แค่อ่า้เข้าใจครับแล<ป>้วดนาเดอะไรครับแล้วก็อยากส้งเองครับเรื่องการที่เราจะใช้ชีวิตปัจจุบันโดยทีาิัปัจจุบันโดยที่ขาข้างหนึ่งของเราโจมอยู่บบีตที่ผ่ า, า<ม>โจมในอนะ้ขาข้างมันไม่สามารถที่จะพาเาไปถึงอนาคตได้อนนี้ธรรมุนามีคําสอนยังไงครับเพื่อให้เรา้น จากอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเราสามารถที่จะอยู่ปัจจุบันได้เพื่อให้คนในอนาคตดีขึ้นเชื่อถือคนมีอดีตที่ผ่านมาที่ดีนะครับมันเป็นขาข้ามของเราตก อ, อยู่เนี่นะเรามีวิธีหนึ่งอ่างไรที่จชงมาดมได้เรื่จงวันอะไรครับของน้องเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยนะคือว่าเราเข้ามามองในนักแสดงความผิดพลาดนี่แหละเพราะเพราะของเรามันจะเกิดขึ้นไปอยมาก ตื่นอัดมันตื่อัดจะกหลายสาเหตุตื่นอาดจากการไม่ได้อย่างใจตื่นอัดจากการที่กลัวใครที่จะมาเปรี่ยบตื่นอาดจากการที่กลัวจากไม่ได้มีอนาคตที่อแาบใสชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะมันคื่นอัดหลายอย่างนี้การที่เรารู้สึกถึงความตื่นัดว่าตืหนัดมากตื่นัดน้อยเมื่อหนกเมื่อน้อย ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเมยาเนี่ยทำให้เกิดความอึดเห็นไหมมันที่ที่มันพอพี่พูดถึงคามอึดอัเรานึกนตาเรานึกออกมันมันคายออกมานิดนึงนะลักษณะการที่นึกออกว่าอึดอัเป็นยังไงแล้วทลายออกเป็นยังไงเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่กับปัจจุบันจริงๆแม้กระทั่งว่าพ่อนนึกถึงอดีตแล้วรู้สึกถึงอัดด้วยความเสียดาถึงอัดด้วยความเสียใจอึดอัดด้วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะ มันก็จะเป็นความตึงอาดแปรเทียยวกันคือถูกรู้ว่าตึงอัดแล้วมันคลายออกมันมันจะมารวมอยู่ตรงนี้คำทางเดียวเลยคือปัจจุบันหน้าตาความตึง อ, อัดเป็นอย่างไรมากหรือน้อยคลายออกแล้วหรือว่ายัางยืด อ, อยู่เนี่ยอนนี้เนะี่ที่มันจะลงมาอยู่กับปัจจุบันจริงจินีนะปัจจุบันที่ความรู้สึกภายในะไม่ใช่ผ้าภายนอกไม่ใช่ผ้าในอดีตเข้ามาครับ นูสนใจอ่านหนังสือธรรมมา2 0งีิเลแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมช่วงหลังะคะ่ะก็เคยนั่งสมาธิบ้างแต่เวลานั่งเนี่ยจะเกิดขว่าจะเกิดความกลัวว่ามีคนมานั่งด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะกะหนดมือว่าเรากำลังฟงุ้สร้างหรือว่าเกิดการกลัวขึ้นใช่ไหมคะ่ะ เก็นเป็นจิตเกิดก็แล้วกันอาการของใจเวลาที่เกิดความกลัวเนี่ยมันจะเินนนาการว่า ม, มีอะไรมาทําร้ายมีอาการที่จิตปวดตัวนะอย่างของน้องเนี่ยมันจะนําหน้ามาด้วยมันมาพร้อมกันระหว่างความมืดกับความร้อนนึกออกไหมประจิตัวตัวเนี่ยมันจะรู้สึกมืดแล้วว่าในหัวเนี่ยมันจะเต็ไมไปด้วยความคิดในด้านที่มันเป็น n e g a t i v ตรงนั้นในที่มันร้อนเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันร้อนอยู่ที่ปากข็ดแล้วก็มืด อ, อยูที่กางอกนะตัวที่เราสามารถรู้สึกได้ไม่ว่าจะเป็นความมืดหรือความร้อนตรงนั้นเรียกว่าตรงเป้านะพอตรงเป้าแล้วเนี่ยาอเ น, นี้มันยังกังวลเห็นความกังวลไหมกลัวว่าพอข้างหน้าเกิดขึ้นอีกแล้วเราจะทำยังไง ที่ไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยที่ตอนนี้ไปสวานนะ่างอ่ะตอนนี้ไป อ, ออกหมดนี่ยเขาเรียกว่าส ว, าว่างด้วยอารมณ์ขันเนี่ยมันไม่ใช่ส ว, าว่างด้วยอารมณ์ที่แบบเก็ียดความรวแล้วความกลัวนั้นหายไปที่รู่แต่เหมือนกันคือถ้าเราหยิบตรงเป้าเนี่ยตอนนี้มันมันเกิดความรู้สเหมือนกัน มีมีความปรุงแต่งขึ้นมาที่ตรงกางรู้สึกไหมตรงนี้คือคล้ายๆความปรุงแต่งมนยังไม่หมดในความกลัวอนาคตมันยังไม่หมดมันมันพีต่อไปทางหน้าเนี่ยตัวนี้เรียกว่าตัวอนาคตเนะไม่ใช่ตัวปัจจุบันแต่ภาวะที่มันปรุงแต่งไปที่ท really: ี่ว่าเนี่ยอย่างนี้คือปัจจุบันถ้าเราเห็นได้มันก็หายได้ คือตัวที่เราคิดถึงคิดถึงในอนาคตแต่ตัวที่มันเป็นปัจจุบันคือกลุ่มแต่งแค่นี้แค่ยุคยี่ยุคยี่อยู่แค่นี้เองพอเรารู้สึกได้เห็นไหมมันหายร้อนมันหายมืดแอร์เนี่ยตอนนี้ยขายเมื่อกี้เพิ่งดิ่งตรงจุดใช่ไหมตรงตรงที่มันรู้สึกปุ่มแต่งของเราของเราปุ่มแต่ที่นี่ด้วยเราวก็กลุ่มแต่งที่นี่ด้วยกุ้งแต่ในความคิดเนคิดไปวิ่งไปถึงอนาคตแต่เนี่ยตัวเนี้ย เป็นอารมณ์บกวนจิตของเรานะพอพอมันเข้ามาถึงอารมณ์ตรงเนี้ยเราอ่านไม่ออกนะที่พี่พูดถึงอารมณ์ที่มันปูงแต่งถูกหลางบกเนี่ยมันจะมีอาการวนไปวนมาเหมือนกับมีอะไรวิ่งอยู่เรารู้สึกไหมไม่ไมๆไม่ตอนตอนที่คนที่พูดถึงเนี่ยตอนที่พี่พูดถึงตรงนี้เนี่ยมันรู้สึกใช่ไหมว่าเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่อ่าเนี่ยอย่างตอนเนี้มันใจมันสงดลง มันมันอ่อนกำลังว่าลุงซ่านนก <c oughs> ให้ดูว่าตัวนี้แนะีที่เป็นความจริงเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆ <c oughs> ยังยังเราแนหะคือด้วยความที่เป็นคนที่นั่งเดิมในเจ้าโุษกาแล้วก็จะคนเจ้าโุษกาเนีจะคิดตัวเแล้วมันเหมือนกับเราบางทีเนี่ยเราเชื่ออยู่ลึก เมื่อตัวเราเนี่ยสัมผัสอะไรได้เรื่องการเรื่องลึกลับอะไ ร, ท, ะไรทั้งหลายเ่ยเพียงแต่ว่าบางครั้งมันชัดด้วยเราณเข้มข้นของเราเองแต่บางครั้งก็เหมือ น, นูุปทานเหมือนกับรู้ว่าเนี่ยเพิ่งไปดูหนังผีมารู้ว่าเนี่ยเพิ่งไปคุยกับเพื่อนมาเรื่องที่มันหลอนๆนะถ้าของเราเนี่ยมันกลัวจะประชดมันแบบิูจิตสัมผัสอะไรเงี้ย ไ, ไ, ไอ้ประเภทที่มันลึกลับลึกลับเนี่ะ มันมันจะมีความน้อมเอียงน้อมใจไปไปชอบคุยเรื่องอยู่ในกพกนีนะมันสนุกก็ดูอารมณ์ตอนที่กำลังสนุกว่ามันเป็นความตกแต่งที่ใจ่โตนะพูดอะไรไปเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมันมาเรากับว่าเห็นได้ด้วยตัวเองมันทีสัมผัสอะไร ติกเรื่องเนี่ยมีห้าเรื่องที่เราคิดนำนำว่ า, ม, า, ามันน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้เขาเรียกวเป็นคาคุมแข็งทีใ่ใหญ่โตนะครับสุยอยากให้ช่วยแนะนว่าต่อไปครจะการการเจริญสตินะดูตรงนีนะ้คือพอรู้ว่ า, าดั้งเดิมเนี่ยเราเป็นคนคิดร้อนๆ น, นะแล้วกเ็เป็นพวกเจ้าโทสะนะคิดมันจะกดตัวที่เห็นบ่อย มันมันอดตัวในลักษณะความกลัวในลักษณะกลัวใครจะทํำร้ายกลัวใครเดี่ยวกลัวใครโนนนี่นั่นเนี่ยนะอืมลักษณะของความกลัวเนี่ยมันจะมีความมืดมีความอดตัวเมื่อเราเห็นมันจะหายออกเนี่ยอย่างหมูตอนที่เรารู้สึกมันเป็นคนละด้านเลยพอพอรู้สึกถึงความกลัวได้แล้เห็นความกลัวหายไปมันสว่างมันจิตเราเนี่ย ในอีกด้านหนึ่งมันคิดในแบบที่เป็นบุญในแบบที่เช่งงางนะให้อภัยนะคือคือแต่ขอให้อภัยในเรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กไม่ค่อยไม่ค่อยได้คิดอภยัยอะไรไม่ไมนคอยไปเลยจิตการจิกกัดเรื่องเข้าใจคำว่าจิกกนะัดไหมจิตเนี่ยคือไม่ใช่บางทีไม่ใช่เหมือนพูดเสมอไปบางทีจิตมันคอยคอยเพ่งโทษคอยจิกกัดคนที่เราไม่ชอบ ต่งเร า, าดาีด้วยบวามคิดอ่ควคเื่อง่าอะไรนะอีกที่ควเรื่องที่เราไม่ชอบจอะไร่ค่ะย่งังจิตกยังยังคนที่เราไม่ชอบอะคือคเรามองเรามอง้วกความคิดไม่ดีอะมองไม่ห้ปกติับเขาทำอะไรคือนั่งติดท่าหน่อยเราก็านึกได้ในใจนะนีๆๆ่ตรงนั้นนะ่ะที่นีเรียกว่าอีกกาด้วย ค, ความคิ นนคือตามจิตไงคือคือจิตของเรามันจิตเข้าไปจริงจิงนะลองดู อ, า, อาการพวเนี้เป็นอาการที่ทําให้รู้สึกมืดรู้สึกรอ้อนรู้สึกำําคารใจแต่บารั้งเนี่ยพอเราเห็นความดามการใจเห็นความมืดเห็นอาการที่มันเป็นลบของจิตเนี่ยเราจะค่ยคอยๆปล่อยวางด้วยความรู้สึกที่คือไม่ได้สนใจไม่ได้พยายามแต่เห็นได้เองว่าที่มันจะเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทําไมมัน มันตัวเราเองที่เราขาดนะนี่ไม่เกิดปัจจุบุนะที่เหลือผงต้องเบลนะนมงก็ก็เดืร้านจะดีเด่ก็ต้องแบบถายก่อนว่าเราสวดมนต์เป็นเพื่ออะไรคะเอ่อให้แต่งทุนนวดลงปกติคนเราเนี่ยจะจิตมันจะแข็งแล้วต้องมีความคุ้มซ่าการสวดมนต์เนี่ย คือการอาศัยคลื่นเสียงของจากแก้วเสียงเนี่ยมาทําให้มาดึงให้คลื่นความคิดเนี่ยมันสงบลงมันอ่อนโยนลงจิตมันก็เลยมีความนิ่งนวลลงนะฮะยิ่วนถ้าแต่แต่บทส่วนแต่และบทเนี่ยจะไม่เหมือนกันยังบทส่วนดิดีวิโสเนี่ยจะทําให้รินเมตตานะีเพราะว่าเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ แล้วไม่ใช่หม่ยถึงการสรรเสริญพระองเองนะแต่หมายถึงปรัดถึงคุณวิเศษตรัดถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพรุทพระองค์นะปรัดถึงคุณวิเศษของธรรมะนะที่มีความสว่างตรัดถึงนะคุณสมบัติของพระสงฆ์ดีๆนี่มันเป็นการสรรเสริญเวลาเราสรรเสริญใครเนี่ยน้อมนึกดูถึงใจมันมีแต่อาการปราณีมันมีแต่อาการยินดีเป็นองความดีของเขามันทําให้ดี เราวุ่นวุ่นหลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัเสริญสิ่ ง, ง, งที่สัมฤทธิ์สูงสุดอย่างพระบุตรพระธรรมประงสงค์น ะ, ะการที่เราสวดมนต์เนี่ยการใช้แก้วเสียงที่มีความชัดเจนมีความไพเรานะเนี่ยมันดึงให้อคลื่นความคิดหลายเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นดีได้ไม่ไว่าจะเป็นศาสนาไหนถึงต้องมีการสวดมนต์เพราะสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยมันสร้างให้ความคิดดีๆมันเกิดขึ้นได้นะ คำนี้คำถามต่อไปก็คือตอนนี้มีอาชีพที่ต้องอาศัยความฟุ้งซ่านค่ะเขียนละคร อ, อยู่แล้วก็เวลาที่คิดบทคุดละครไม่ออกก็จะพักด้วยกันม น, นั่งสวนบนแต่การว่าทุกครั้งที่ส่วนบนตําส่วนบนบทสวดมนต์เรเข้า่านแล้วมันก็ไม่ต้องมไม่ต้องโฟงกัสอะไรมากมายคำนี้เนี่ยชิดได้ฉากเลย อันนี้มันคือถูกหรือมันผิดแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อ่เลคือมันลงมันลงมา<ง> ม, ม, มีความทุ่นว น, นืองแบบนี้มันหลุดพุ่งซ่าและแจมไป้ฉลาดขึ้นคือเมื่อไหร่ที่จิตมีช่วงเว้นวักจากอารมณ์พุ่งซ่าได้ช่วงนั้นจิตจะฉลาดนอกนั้นเนี่ยคนงีความคิดมันฉลาดบ้างโง่บ้างความคิดเนี่ยฉลาดบ้างโง่บ้างแต่จิตแง้มมีอยู่สองอย่างเนี่ย คือมีโมหัะกับไม่มีโมหะมีโมหะคือหมายว่ามีเหมือนกับแม่หมอกพ่อเงาให้มืดแล้วก็จะไม่ฉลาดในในทางเห็นอะไรทางจิหรือว่าเห็นอะไรตามควรตามเหตุตามผลแต่ถ้าหากว่าสว่างนะจิตจะฉลาดเห็นอะไรตามเหตุตามผล ว, ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่ตัวเนี้ที่มันแตกต่างจากความคิดนะคือความคิดเนี่ยเวลาเราคิดเลยที่เป็นกลากล ว่าต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องทำอย่างนี้แต่เวลาเวลาที่จิตมันสว่างเนี่ยมันจะรู้เลยมันยังไม่ผ่านความคิดมันจะรู้เลยว่าอย่างนั้นถึงจะดีอย่างนี้อย่างนี้เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นโทษมันจะเห็นชัดเจนออกมาจากความรู้สึกยกตัวอย่างเช่นอย่างเราตกเขียงกันมากว่าตบอยู่เนี่ยควรไม่ควรถ้าคิดก็คือว่าควรไม่งนั้นก็เจ๊จีนะฮะ แต่ถ้าจิตเนี่ยมันกําลังสว่างอยู่มันจะรู้สึกว่าการตกอยุ่เนี่ยเป็นบาปไม่ได้จะบอกว่าไม่ควรเนี่ยมันคนละอย่างกันต่อความคิดเวลาที่เราเล็งมัดจากความคิดคุ้มซ่าและเกิดความสว่างขึ้นที่จิตนะมันจะคนละแบบเลยเวลาที่เกิดความฉลาดขึ้นมาเนี่ยมันมันจะรู้ขึ้นมาเองว่าอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ที่มันสว่างที่มันควรจะทําให้เกิด ผลดีใน่นะคนซึ่งความคิดบางทีมันไปไม่ถึงแต่ว่ามันจะได้อันิสบส์ของการสวดมนต์กันเลยใช่การสวดมนต์คือทำให้จิตเว้นวะจากความคุ้งครางชั่วขนาดเลยนะขอบคุณมากสิ่งดี่รี่ก็เคยทำมาแล้วแล้วก็เริ่มปฏิบัตันมาก็ได้อียะนึงแล้วก็ยังทำาีกอยางนึงก็คือูกร แต um, ่ไม mm ่เคยรู yes> ้สึกว่าตัวเองเห็นภาพสภาวว่ามันเป็นยังเมื่อกี้เนี่ยตอนนั่งสมาธินี่รู้สึกไหมว่าเออบางครั้งมันมันเว้นว่าจากความคุ้มครองไปมันมีความสว่าุกึ้นมาเดินมาพักนั่นแหลกสภาวะนั่นแหลกสภาวะอาอารมณ์มันผ่านมาี่ยมันมันไม่ทำนะคือแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันช้าลงด้วยด้การมานั่งดูนะนั่งดูเป็น กีฬลอบลมหายใจลมหายใจนี้เรารู้สึกอย่างนี้อีกลมหายใจหนึงสภาวะมันต่างไปยังไงนะถ้าอีกสองคนผมต้องต้องรีบแล้วครับน่ยเอาาตอนของใคองอนี้ก็มีความคิดอยทุกอย่างก็ไปสู่รมเพราะว่าเราไม่ริกาหน้าก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นวิชาที่ะที่เราจะสามรถทำมันไดกิตเนี่ยมัน มันเริ่มจะถอนจากโลกจริง น, นะจิตมันเริ่มเบื่อหน่แต่ว่ามันก็ ย, ยังไม่ได้เกิดฉันทะในทาการปฏิบัติเต็มน้อยเหมือนกันนะเวลาที่เราจะเหมาะสมเมการไปปฏิบัติติดตัวไปคือช่วงที่เรามีสันทะในทางการปฏิบั ต, ติเต็มน้อยต้องสํารวจใจอันนี้ไม่ใช่ถามคนอื่นนะค่ะจะสอบถาม คือป the so, ัจวันก็คือจะสังเกตการกระทบแล้วก็ใจที่ันไหวขึ้นมาคะเอ่อรู้สึกว่ามันมันจะไหวไหวแรงแล้วก็ไหวเร็วหวัดทานี้นะคะเราก็ให้ให้สังเกตไปล้วขนานี้คคือพื้นเดิมของคุณเนมันเป็นพวกโทสะนะคือคือโทสะแกรงเพราะนั้นเวลาที่สังเกตกระทบอะไรไปมันมัน เวลาที่เรารู้อะไรได้ชัดๆเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนมีความสะเทือนแรงเข้าใจคําว่าสะเทือนใช่ไหมมันมันเป็นคนที่สะเทือนอะไรได้แรงเวลาที่ถูกกระทบมันก็ดูตัวนี้เนี่ตัวที่มันไระทบไม่ไหนกันอะไรเลยคือตัวที่มันกระทบแล้วรู้สึกสั่นไหวมากนะเราก็ยอมรับกามจริงว่าเนี่ยมันมีเวอร์เบชั่นมากเกิดขึ้นข้าไหนแต่บางครั้งมันก็จะ มันก็จะแถวนะเปรียบเื่อประดับไปคนเจ้าโทรสารเนี่ยคือมันจะมีความชัดเจนความอารมณ์เวลาที่ต้องเกลได้ง่ายว่ามันแตกต่นนางกันยังไงมากหรือน้อยนะเราเราเราดูโอกาสตรงนั้นคือประโยชน์ตรงนั้นตระหนักนะ เ, เรื่องกานํ า, าสมาธิยาคเมื่อกี้มาทา ง, งตอนต้นแล้วเมือ<ะ>มันดูเหมือนังคือตั้งใจได้ีอะ ตั like, to, ้งใจที่ดีมากไปนิดนึงมันเลยเหมือนกันคืันผันเป็นช่วงนะคือพอไม่ได้อย่างใจมันก็ผันผันที่นี่ก็เป็นเป็นเครื่องสะก้อนได้เหมือนกันว่าถ้าเราตั้งใจมากเกินไปมันก็ไปสุดใ้ตัวโทรศัส์ขึ้นมาถ้ามันไม่ไม่ได้อย่าใจเราขึ้นมาเนีของเราเนี่ยสังเกตได้มากเรื่องคนบางคนไม่ได้อย่างใจบางคนไม่ถูกใจ แต่ราวันีมนบ่อยนะโอเคอีกคนหนึอยากให้อธิบายความแตกต่างระหว่างเพาว่าอีกน้อยกับการวางเฉยถ้าดูด้เนี่ยมันเหมือนกับเราเห็นเห็นอยู่ว่าน่าจะช่วยแต่รู้สึกเอไม่ใช่เรื่องของเราอย่างนี้ยังดูได้การไม่ใช่เรื่องของเราคือการไม่ส่งผลอะไรพวกเรามือถืออีกน้อยคือคือการที่เราเด็กอกน้อยเนี่ยหมายความว่า เราเสี่ยมนุษยธรรมบางส่วนไปมนุษยธรรมว่ามนุษยธรรมเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าอะไรที่เราควรจะใส่ใจอะไรที่เราควรที่จะคือบางทีเน่ยไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่เราก็รู้สึกว่าน่าจะใส่ใจไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่ามนุษยธรรมมันมันทำให้เราไม่ดูด้แต่คําว่าปล่อยวางเนี่ยเหมือนกับเรา เรื่องมันผ่านไปแล้วชัดๆแต่ว่าเราก็ยังยึดมั่นหรือมั่นอยู่อย่างนี้เรียกว่าไม่ปล่อยวางแต่ถ้าปล่อยวางเนี่ยมันมาจากความคิดว่าเฮ้ยถ้ายึดอยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้นะปีเตอร์จะบอกว่าให้ติดจัดลําดับความสำคัญของนอนสุดเราจะต้องใส่คำว่าอีกนอนว่าตรงไหนวามสุดไปตรไหนโอเคเข้าใจละไฟนั้นก็คือว่าเราจะอาศัยเพนอะไรเป็นตัวจำแนกว่า ไปเยียตมอยู่ตรงไหนเนะราจะยึตดตรนเาตรงนี้คืออย่างอย่างของคนนีนะคือดูปมปัญหาที่มีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่รอบตัวหรือว่าผลมส่วนใหญ่ที่มันมันมันเกิดก่บเราเองนะ นี่มันมันเหมือนในอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันมีปมไทยเยอะอะแ h ạ ล g งทีเนี่ยมันจะต้องไปชิดเยอะจริงจริงแงตรงที่ว่าเรื่องนั้นก็สำคัญเรื่องีก็ริงไม่ได้อะไรตแต่มันจะมีอยู่ที่ว่าไอ้เรื่องที่สำคัญวันไหนวันไหนที่เราจะต้องเอาผล ไม่ออกผลเอาเอาคำน่ะนะก็ก็มันไม่ไมาพ้องกันในวันเดียวคือมั น, ม, น ม, มันเรื่องมันเยอะจริงแต่ว่าเราสามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าเรื่องนี้เอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้อีกเรื่องหนึง่งเอาฤกชิดหลังจากเรื่องนี้เสร็จก็ได้คือคือของคุณพูดง่ายๆว่าการจำแนกต้องจำแน่กเรื่องพาราลิที่ว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังสิ่งที่มาก่อนคือสิ่งที่เราต้องการผลก่อน ยังคุณอยู่ในที่ไประชุมที่จะเอาทุกอย่างทั้งหมดมันมันก็เลยเทรดให้วิธีคิดเนี่ยมันจะเหมาหมดตามไปด้วยแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีที่ใหญ่แยเรื่องนี้วันนี้ยังไม่ต้องคิดก็ได้อีกเรื่อ ง, นงออหอนึ่งคือคือหมายความคุณอยู่ในที่ที่ทุกเรื่องเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันสําคัญเท่ากัาหมดนะเวลาพูดเนี่ยมันให้น้ำหนักเท่ากันป้อยหมองคือพูดว่าอันไหน ที่มันจะต้องเอาผลก่อนนั่นไหนเอาผลที่หลังก็ได้โอเคครับเดี๋ย ว, ดวยเดี๋ยวต้องไปข้างนอกเพราะว่าไม่งั้นเขาเด็กเขาไม่ชอบครับครับผมครับขอบคุณทุกท่านนะครับ